จเจริญพรท่านสาธุชนท่านที่ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้ทุกคนแต่ว่าจะต้องเข้าแถวรอรอคิวไปใครเข้ามาก่อนก็ได้ถามก่อนบุณไปภูนะ คุณไปบุอยู่ที่ไหนคุณไปบุอยู่ผู้ธังหวนท์สายสองกรุงเทพครับมีคำถามเลยนะกราบนบมสนัสการพระอาจารย์ครับ<ะ>ผมได้มาฝึกการทำสมาธิเนี่ยเ ม, เมื่อกลารปีที่แล้วแล้วก็นั่งเป็นจริมมอนจังก็วันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินจงกร ม, มครึ่งชั่วโมงทุกวันนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ได้ได้มาเจอพระอาจารย์ก็จริงๆแเป็นอ่คุณหมอวีฮะคุณหมอวีเป็นสะพ า, านบุญนะฮะก็เห็นคุณหมอวีเขาอ่าอ่มีมีไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่วัดที่ที่พระอาจารย์อ่าจำวัดอยู่นะฮะก็เลยศรัทธาแล้วก็อ่มีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับอยากจะสอบถามนะครับก็คือในเรื่องของ พอเราทำสมาธิไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็มันก็จิตนิ่งอยู่ฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราทำไปถึงระดับพัฒนาไปถึงระดับไหนยังไงครับอา่าราควรอาจารย์เมตตาตอบเอ่าในปัญหนี้นถ้ามันมีผลมันต้องเกิดความรู้สึกแ ป, ปลกประหลาดมหัศจรรย์ในความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนครับจิตมันนิ่งจริงไม่คิดปรุมแต่งมันสับแต่บารุง วันนี้มันมีมันมีคุณียาของจิตอย่างนี้คืออย่างนี้ครับอยากจะสอบถามคือว่าคือมันมีเคยว่าพอเราเราเราเห็นนิมิตแล้วเราติดรู้สึอมีความสุขแล้วก็เอเหมือนกับอสร้างสร้างในในจิตนะฮะแต่พอฝรังหลังเนี่ยพอมันผ่านจุดนั้นมันมันเหมือนมันเฉยเฉยนะครับอาจารย์ครับไ ม, ไม่ทราบว่ามันเป็นเท่าไร่ก็ไม่ทราบว่า เหมือนกับอเราเห็นเหมือนกับเหมือนเหมือนกับแสงเห็นแสงอะไรอย่างเงี้นะฮ ะ, ะเราเราเร า, เราไม่ไม่ควนไปสนใจควระจะชพ้ภาวนาต่อไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือคือเห็นครั้งแรกเนี้ยมันจะรู้สึกเหมือนกับเสียวสั้นแล้วก็แบบเหมือนกับตื่นเต้นนะฮะแต่พอพอตอนหลังนี่พอเจอภาวะแบบนี้มันมันจะเฉะยไปแล้วก็เราก็จุดเราก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะครับก็ต้องดูท่านท่านดูลม ถ้าใช้การดูลมก็ดูลมต่อไปครับคือคือผมใช้วิธีภาวนาพุโทโธในช่วงแรกแล้วก็ดูพอพอจิตนิ่งแล้วก็จะดูลมหายใจอย่างเดียวครับก็ดูลมต่อไปครับดูไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะด่งเข้าสูขขส่ความสงบมันตกลงมาจากที่สูงครับแล้วก็มีความความสุขมากๆ แล้วก็มีอันนึงที่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องการสวดปิติปิโสก็ผมก็สวดทุกคืนนะฮะสี่ิบห้าจบก็ตามที่ที่พระอาจารย์เคยมีแนะนําในในในในครั้งก่อนๆว่าบางทีเราก็อาจจะใช้วิธีการสวดคือเช้าเช้ามื้อเนี่ยผมตื่นตีสี่ 4, แล้วมานั่งปฏิบัติเดินจงกรมแล้วก็ทําสมาธิส่วนตอนตอนเย็นเนี่ยตอนนอนผมก็จะสวดปิติปิโสเนี่ยฮะสี่สิบห้าจบแล้วก็นอนหลับสบายมากเลยครับ อารสวยก็เป็นการเจริญสติทาใจให้ไม่คิดคุ้งแตกถึงเรื่องราวต่างๆก็ทำให้ให้หลับง่ายก็ดีก็เป็นการกระทำที่ควรจะทำมากว่ายิ่งมากเทาดได้ยิ่งดีสวยเวลาไหนก็ได้ถ้าเรามีเวลาว่างดีก็ปล่อยให้ใจไปคิดแลไปดูไปฟังอะไรเรื่องราวต่างๆ ที่มันทำให้จิตเราเกิ<ช>ดอารมณ์คุณมัวว่าวนขุนมัวได้ส่สวนไปเรื่อยๆมันก็จะมีความเ ย, ยนความสบายกว่าครับหมดคำถามครับกลับมาวัาสการท่านอาจารย์ครับก็ลองเอาปฏิบัติไปต่อนะอถ้ามันยังดูลมได้ก็ดูลมไป ถ้าพูดโทษได้รือะไรได้ก็ทํ า, าไปจุการ ม, มันจะดิ่งมันต้องมีความรู้สึกว่ามันดิ่งลงไปแล้วมันเหมือ น, นกับมันหลุดออกจากกระแสของของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆหายไปแล้วใจเบา เ, บาเบยน็นสบายมีความสุข<ะ>มันเป็นเหมือนกับกระโ ด, ดลงไปในน้ําไปอยู่ใต้น้วไปเห็นโลกประการังของสัตว์ต่างๆในน้ําที่เราไม่ได้เห็นจากที่เราอยู่ข้างบนบกนี้ มันก็ไปอยูีกรนึงไม่รครับผมอ่าปฏิบัติไปอย่างนี้ไม่ใช่ไครับโอเคครับนักมัศการอาจารย์ครับครับทุคุณนนทพัฒน์เชนนทพัฒน์ต่อค่ะกลับนัมาศการจะขาพผู้อาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคาถามจะขาได้ฟังรีลานของผู้อาจารย์ช่วงบ่ายสองวันนี้ค่อนข้าง ทำให้เข้าใจและเคลียร์มากขึ้นเจ้าค่ะลกเข้ามากราบพระขอาจารย์ค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุคุณสาธกาเชิญจากนวมินนะไม่จ <Okay. S 2> ากโอเคใหน้าค่ะจากใจหน้าโอเคสาธุปฏิบัติต่อเนื่องครับพระอาจารย์อ่าจะถามแบบปัญหาอยากรู้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติแต่อยากอยากจะให้พระอาจารย์เมตตา คิดว่าอาจารย์น่าจะตอบได้ล้าร็จ อ, อยากถามว่าอารมณ์ของพระอาหารหันต์นะคะเวลาโดนหมาเห่าอะ่ะท่านจะตกกระจายไหมคะคือหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเดินไปแล้ว เ, เห็นกิ่งไม้ตกอยู่ถ้่คิดว่าเป็น ง, งูแล้วเราลองจะไปเหยียบอ่าเงี้ยเท่ามันท่านจะกระโจนเลย มันเป็นสัญชาตญาณแต่ใจจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือตกจากตกหัวตกใจอะไรใจเฉยแต่ปฏิก<ม>ิริยาต่อต่อสิ่งที่พวกเห็นมันมันเป็นมันไวามากมันเป็นสัญชาตญาณเ<ม>ลยในกรณีหนึ่งเดินไปต้องลื่นจาออกหกล้มเนี่ยถ้ามือควายคว้าหยิบอะไรได้ก็จะควายคว้าทันทีมไม่ปล่อยอ อาจารไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไร่าอาจารย์แล้วก็ถ้าเราจําเป็นไหมคะถ้าเราเจอแบบเหมือนเราสัทธาองค์หนึ่งแล้วเราต้องแบบเหมือนเราต้องไปฟังจากพระท่านอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็แค่เราปฏิบัติของเราแบบปกติอย่างเงี้ยฟังคือทำธรรมดาของเราไปคือถ้าเราแค่ว่าเราพอกับคําสอนของตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหายกันไะ แต่ถ้าเราคิดว่าไม่พออยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมก็ลองไปครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราก็พอแค่เนี้ยเราต้องการความสงบคแค่เนี้ยเราก็ไม่ต้องอะไรแลยเนาะถ้าเราไม่มีคําถามไม่มีปัญหาหรือถ้ามีปัญหาแล้วองค์ที่สอนเราตอบไม่ให้ได้เราก็จจะต้องไปหาองค์อืม่มจะคิดว่าตอบได้หมดอะคะ่ะเคลียรหมดทุกอย่าง แต่จะถูกไม่ถูกไม่รู้นะมั่นใจว่าถูกจะเจ้าขึ้มันใจมากโอเคแต่จนหนึ่งก็ได้อาไ ด, ได้ได้อาศัยได้การได้ยินได้ฟังจากครูบอาจารย์ท่านเล่าเรื่องราต่างๆให้ฟังอือยู่กว่ท่านแปดเก้าปีแล้วกันครับมันก็มีประเด็นอะไรต่างๆที่ท่านไกยพูดไกยเล่าใ้ฟังมันก็จำได้อยู่ในใจเอาคาพูดมันน่ามีศักดิ์ศรีกับคำพูดของเราเลย อื ม, มากเลยก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจก็เลยว่ามันมันบางทีคือลูกอะ่ะไม่ไม่เน้นพวกบาลีอะไรเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเน้นแค่อย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยพระอาจารย์บอกให้เจริญปัญญาอย่างเงี้ยคะ่ะลูกก็เอามาแบบก็เอามาประมวลแล้วก็ฟังจากที่พระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอามาใช้ในชนีวิตประจํำวันพยามดูทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงใช่ใช่แล้วก็ที่บอกพระอาจารย์ว่าที่แบบ เหมือนว่ามีโกด ค, น น, น, น, ค น, นนึ่งที่อันเนี้ยค่ะณตอนเนี้ยไม่มีแล้วสามารถที่จะแบบเหมือนรับอะไรได้นั่งคุยได้อะไรปกติใจแบบนิ่งแล้วก็ใช้คําสอนที่อาจารย์บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเหมือนเกรงใจแบบไม่รับอะไรใครเพราะว่าแบบกลัวเขาเขาจะแบบเหมือนลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ใช้คําสอนของอาจารย์คือเรารับมาแล้วเราก็เหมือนเขาได้ทําบุญแล้วเราก็ไปเช่าออกอย่างเงี้ยโอเคไหมอาจารย์ โอเคเขามีน้ำใจแล้วก็ปรอบ ฉ, ฉลองน้ำใจของเขาถ้าเราไม่ได้ไปขอเขาไม่ได้ไปรับกวนเขาไม่ไม่อะค่ะแล้เขาเขาอยากจะให้เราก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะน้อมรับเอาไว้ด้วยความขอบคุณเขาอะไรทำนองนี้ลูกก็เลยพอจะใช้เองไม่ใช้เองแล้ ว, วเราจะไปทําอะไรต่อนั่นเป็นเสร็จของเราอเคค่ะลูกก็เลยแบบเหมือนฟังฟังหองอาจารย์เนี่ยแค่ใช้เนี่ ย, นนยาาก็โอเคแล้วค่ะอาจารย์ ก็เลยว่าประมาณเนี้ยก็ยังดูนายหลวงอ่ะคนจนบางทีถวายเงินนู้นนายหลวงนายหลวงก็ยังรับเลยบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาทสังเกตเขาเลยในายหลวงราการที่ก้าเวลาท่านออกไปเยี่ยมออกไปก็รับกระเป๋าก็รัศดรบางทีรัศดก็อยากจะถวายเงินให้กับท่านครั้งที่ท่านมีเงินมากกวรร่ารัศดรท่าก็ยังรับอยู่เนี่ยนะลูก ลูกก็พยายามแบบประมวดตามที่อาจารย์บอกอแบบว่าถ้าสมมติว่าบางบางทีอะมันเก็บอะไรเงี้ยคือมันมันก็ไม่ได้กังวลนะครับอาจารย์ก็เริ่มใช้แบบธรรมโอสถเอาคือก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ใช้ยาไม่อะไรก็แบบ อ, อยู่กับมันได้แล้วจ้ะอันไหนที่มันมันไม่ได้ไปแก้ปัญหามันเพียงแต่ไประงับความปวดสู้ใช้ธรรมโอสถดีกว่าให้หาจไปจาความปวดดีกว่ า, าลูกก็เลยแบบเหมือนนั่ง น, นั่งนั่งวิปัสสนาเหมือนที่พระอาจารย์บอกแล้วก็เหมือนว่าก็อยู่กับมันได้ไม่ไม่กับมันได้เพิ่กว่ายังแบบว่าเราต่อไปจะต้องเจ็บเจีมันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอยนายุมากขึ้นถ้าไปอาศัยยายามันก็มีพิษมีภัยต่อร่างกายลูกก็ประมาณอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เหมือนว่าพอเวลาฟังหรือดูอะไรอย่า ง, งนี้พอาจารย์ก็น้อมนาว่าพยายามเล่นทำ บ, บุญอย่างแบบว่าเนี่ยที่เพิ่งเริ่มดูนะ เรื่องแต่งโมลูกก็ว่าเออเขาสามเจ็ดเงี้ยมันก็ต้องรีบเงี้ยคนอายุมากอะไรอเงี้ยรู้จะไปเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยแบบเอออย่าประมาทพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาอยู่เนืองเนื่องทำานเป็นของไม่เที่ยงใช่ลูกก็ว่าแบบเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะคะประมาณแค่เนี้ค่ะอาจารย์มารวมรับฟังธรรมค่ะอาจารย์โอเคสาธุอะน้โมเจอน้โมต่อเนี่องใชไหมเขาไม่ประมาทในอายุแข็งไม่ถึง เท่าไรเลยเ่งเก่งเนียคุณชื่นชมค่ะครับน้าโมการนำอยู่อยู่กรุงเทพใช่ไหมน้าโมอยู่ที่ไหนบ้างเสียนอีกแล้วพูดมาสัญญาไม่ดีน้าโมเดี๋ยวข้ามไปเ่ยอ่ามามาเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะน้อง เพระอาจารย์ครับโทษทีครับพอดีว่าว่นกี้เน็ตไม่ค่อยสถียนเท่าไหร่ครับเออพอดีวันนี้ก็เข้ามาในซูมาส่งคันบ้านพระอาจารย์นะครับก็หลังจากที่พระอาจารย์ให้ไปฝึกปฏิบัติต่อครับก็ก็ได้ไปปฏิบัติต่อครับแล้วก็มีบางช่วงที่เวลานั่งไปแล้วสวดอิติปิโสไปมันก็ ยังไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้ค่พะพระอาจารย์ก็ไม่เวลส่วนไปเรืไไ่อยๆเนียมันยังไม่หยุดคิดแล้วก็สวนแข่งกับมันไปมันคิดได้แล้วก็ส่วนได้คิดอย่างนี้พระอาจารย์ะดูเธว่าใครจะชนะถ้ามึงยังคิดอยู่กูจะสวนกูไปเรื่อยๆเมว่อไหมึงจะหยุดคิดกูัจะหยุดสว่วนเห็นไหม เนี่ยกู้ต่อสู้ของเราความคิดเนี่ยก็คือกู้ต่อสู้ของเราเราทำธรรมะเราคำสอนเราบทสวดบนตเราพุโทโธมาสู้มัเพราะความคิดมันมักจะพาให้เราไปคิดในทางที่ทําให้เราต้องไม่สบายใจเวลาเราไม่สบายใจนั่นเกิดจากความคิดของเราเวลาเราไม่สบายใจถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็หยุดความไม่สบายใจไนดะ้ พยายามพัฒนาไปของนี้มันไม่ใช่เป็นของที่จะเกิดผลทันทีทันใดต้องมาสายป่ากพยายามทำไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับบ้านอยู่ที่กรุงเทพหรือเนี่ยใช่ครับอยู่ที่กรุงเทพครับอาจารย์เร okay. แล้วเรียนทีน่ไหนตอนนี้ ตอนนี้อยู่หมหนึ่งนะครับอาจารย์ <Okay. S 2> ถ้าเทียบก็เป็นเยียแปดนะครับโรงเรียนโรงเรียนอะไรที่เจอรงเรียนโรงเรียนชื่ออะไรบอกได้ไหมใช่ครับอาจารย์โรงเรียนนิสครับนิสเ <IS> ครับอาจารย์เรียนภาษาไทยด้วนะ ย, ยนะอย่าลืมภาษาไทยของเรานะอาจารย์รค่ะ ถ้าตรงนี้เขาไม่สอนเราก็ต้องเรียนเองต้องซื้อมาดว่าอย่างไรให้อ่านออกเขียไนะนได้นะพูดได้นะโอเคนะปฏิบัติไปนะฝึก่อนจะนอนก็สวดมนต์ไปสวทีทีทท่เสราไปแล้วให้ยสวดหลายๆรอบจะรู้สึกเบาเย็นสบายถ้านั่งสมาธิต่อได้ก็นั่งต่อ อาจารย์นำดูลม ห, หายใจเข้าที่ปลายจ ม, มูกค่ะโอเคนะครั บ, okay, นะรบขอบคุณอาจารย์ครับใช่คุณหมอหมอพิเชษขอาบนรันส ก, การ์ว่าอาจารย์ครับวันนี้โยมไม่มีคําถามครับแต่ว่าโยมมากับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงว่าโยมได้รับหนังสือปฏิปทา ของพระธุดงกับประฐานสายพระอาะจารย์มั่นปุริทัตโตโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัพพโนแครับยมจะตั้งใจอ่านแล้วก็ศึกษาข้อธรรมะในหนังสือเพื่อน้อมนาไปปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์หนังสือเรื่องนี้ดีสาหรับผู้ที่ปฏิบัติถึงไม้ <c oughs> ใไม่ใช่แบบเป็นภาพมันก็สามารถอามาเอามาปรับให้ใช้กับชีวิตของคารวะได้ ครับในส่วนของการปฏิบัติเหมือนกันครับโยมได้อ่านแล้วก็ฟังธรรมเทศนาของป้าอาจารย์ทุกวันครับทำให้โยมได้รับรู้ลดแห่งธรรมและเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นอย่างมากเลยครับอาจารย์แล้วก็โยมมีศรัทธาในคำสั่งสอนของพ้าอาจารย์เป็นอย่างสูงครับและก็ได้น้อมนำไปปฏิบัติให้ทานรักษาศีลห้าแล้ว แล้วก็ปฏิบัติภาวนาครับฝึกนั่งสมาธิและเดินจงกรมตอนเช้าทุกวันแล้วก็บริกรรมพุโทโธทั้งวันทั้งคืนพ<ะ>ยายามทําให้ต่อเนื่องสตินี่เป็นตัวที่จะปรับการปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าไปครับอาจารย์ตอนนี้ก็รู้สึกก้าวหน้าขึ้นระดับเึงเวลานั่งสมาธิก็ใจสงบมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้น จิตรวมจนเป็นอุเบกขาครับอาจารย์แต่ก็จะตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปครับอาจารย์ดีมากดีมากพยายามไปความพยายา ม, ยายามอี่ไหนคว า, ามสาเร็จอยู่ที่นั่นนะครับขอบคุณคุณผู้อาจารย์เป็นอย่างสูงครับ เ, เชิญคุณแม็กซ์ตอบแม็กซ์คุณกวาดน้นมามส ก, การครับอ่าชื่ออายุเท่าไหร่ครับอ่ 12, สิบสองขสิบสองครับอยู่ที่ไหน กรุงเทพครับเคยเข้ามาป่ะอ๋ะอเคยครับใช้ชื่ อ, อชื่อนี่ใชนะ่ไหมฮะใช้ชื่อนี้เหละแล้วใช้ชื่ออะไรใช่ครับใช้ชื่อแม็กนี่แหละพระต้อนนี่แหลโอเคอ๋อผมมีคำถามสามคำถามครับเอาล่ามาเหมือนเขาถามนะครับมันมีกฎแห่งกรรมด้วยไหมครับ กฎแท่งกรรมก็เหมือนกฎหมายเนี่ยกฎหมายกฎหมายเช่นถ้าไปฆ่าคนหนึ่งเขามาจับเราไปติดคุกติดตาราดใช่ไือมัน mm hmm. กฎแหงกรรมก็เหมือนกันแต่กฎแหกรรมก็ไมมาจับเราไปติดคุกติดตารางมันจะจับดวงวิญญาณของเราไปเกิดในอบายเวลาเราไปทําบาอ oh. นั้นถ้าเราฆ่าคนเราไปยโยมมันลกได้ด้วยไหมครับเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอบาย นั่นอบายมันมีสีที่ไงนารกก็เป็นหนึ่งในอบายแล้วก็ไปเป็นเปรตไปเป็นสุรกายหรือไปเป็นสัตว์ในราชานอ๋อนั้นถ้าผมไม่อยากไปนารกก็ครัต้องไปสวค์ชั้นไหนครับอถ้าไม่ไปนาร ก, ก็ต้องรักษาศีลก่อนต้องรักษาศีลหาให้ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไ ม, ไม่ประพื่อผิดประเภทนี้ ไม่พูดกด่อกไม่เหนื่ยมสลายยาวนาถ้าทำห้าข้อไี่ได้ก็ปิดประตูบายได้อุอนันนันถ้าเราเปิดประตูโซมันเราก็ต้องทำบุญต้องทำอาสาสีอาสาสีห น, น, น, น้าแล้วก็ต้องทำบุญเสียสละเงินทองที่ทางนี้ไปซื้อของเล่นเอาไปทำบุญแทนใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวถ้าผมไปทอดกระถิ่นนะคะได้บุญเยอะไหมคะ ก็อยู่ที่ว่าทํามากกับน้อยเงี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ชนิดของของบุแล้วเป็น้าพฝาดหรือกระถิ่นหรือใส่บาตรสร้างบุตริมันอยู่ที่เงินที่เราเสียสละไปมากน้อย อ, อ๋อได้ครับแล้วผมมีคําถามนะคะเหมือนแบบผมกลัวผีมากอะทำยังไงดีอะครับใหที่ไม่ให้ผมกลัวผีเออเขาบอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงะอาจารย์นะอือฮึ ผีจริงก็คือคนตายเนี่ยดวงวิญญาณเขาก็ไปไปสู่ที่เข้าไปกันไปอภายไปสวรรค์เขาไม่มีเวลามาหลับเราเหรอกนะส่วนที่ผีเรานี่ผีส่วนที่ผีที่มาหลอกเราเนี่มันผีที่เราสร้างขึ้นมาในใจอ๋อเพียพว่านะคะเราคิดึ้นมาเองเข้าใจไหมไม่ไมด้วยวเวลาที่ว่ามีผีมาให้รีดส่วนอีทธิพิโสไป สวดเป็นไหมสวดอืมไม่ค่อยแน่ใจอะคะ่ะ ส, ส, สวดอะไระหางสัมมาสลากาโต๊สุปฏิปันนได้คะ่ะอ่าสวดไปเจริญ่าผีมันจะหายไปแล้วก็อยู่อ๋อได้คะ่ะจักนั้นถ้าเป็นภูมิทเทวะค่ะภูมิะเทวาจะมาเหมือนแบบหลอกเป็นผีหรือเปล่าคะเขาไม่มาเยีเ่ยมเราส่วนใหญ่เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราไปได้คะ่ะขอบคุณนะค ะ, ะพระอาจารย์ แัส่วนใหญ่ที่ที่เราคิดว่ามีผีวิเื่อมีเทวด า, ามานส่วนใหญ่เป็นความคิดของเราเองใช่คะ่ะหยุดคิดแล้วมันก็หายไปืนะอมหมดแล้วเลยหมดแล้วนะคะโอเคเรียนอยู่ที่ไหนบังเป็นค่ะผมเรียนที่โรงเรียนนิสเอนเตอร์เนชั่นแนลสกูลเหมือนนอโมคัะอยู่เรียนที่เดียวกันเหรออือทันเดียวกันรึเปล่า ใช่ครับมาเป็นเพื่อนกันนี่นะ อ, อือฮึแลดีชวนกันมาเยอะๆนะต่อไปใช่ครับอเครับลองครับลองฝึกสมาธิไหมฝึกสมาธินะลองฝึกไหมเคยฝึกไห ย, ยังเคยบวชสองครั้งแล้วครับแล้วเคยนั่งสมาธิไหมโอ้โหนั่งสมาธิบางครัง้งถ้าเหมือนแบบอะไรนะ โกรธใช่ไหมคะก็ไม่ไม่อย่างนั่งสมาธิเพราะเดี๋ยวอารมณ์เสียไม่เกี่ยวนั่งสมาธิถ้าอารมณ์จะดีเว <ไป S 2> ลาโกรธก็จะหายเกดิดผมนั่งทุกวันหั น, นั่งทุกวันฝ่อนนอนเนี่ยไม่ส่วนวันไปนักงพักแล้วก็นั่งสมาธินั่งสิบห้านาทีือนั่งแดนไม่สิบ <15 S 1> ห้านาทีสิบห้านาครับเหมือนแบบตอนผมนั่งสมาธิครับหนึ่งครั้งนะครับเผมนะคะมันเหมือนแบบ ตัวมันรอยอ่ะครับงมันไม่เป็นไรมันจะรอยมันไม่ลอยก็ไม่ต้องสนใจเราก็สวนสวดวนไปแล้วดูลมหายใจเข้าไปยุทธองพุทโธไปเหมือนความรู้สึกมันไม่ใช่ของจริงครับมันก็เราคิดไปเองรารู้สึกไปเองมันไม่ได้พูดว่าสมมา阿รหังนะคะว่าไหนมันดีกว่าอ่ะพุทโธได้อันไหนก็ได้เหมือนกันนะเราเราชออันไหนเราใช้อันนั้นก็ได้ใช่ค่ะแต่ต้องใ ต้องสวดไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะตลอระยะเวลาที่เราน้านีต้องไม่ให้หยุดสวด น, นะหยุดเท่านะขนบมนะคะโอเคเดิคุณอาจารย์พรหมิายกลับถึงบ้านกเลยอืวยจ้าวยใส่บานค่ะค่ะถึงบ้านแล้วค่ ะ, นนะคะูคู่หูเหนื่อยพักผ่อนไปแล้วนะคะวันนี้ับัขับรถตั้งเจ็สิส่กิ๊น อายุมากแล้วนืว่อยค่ะค่ะวันนี้เับฟังดีกว่าค่ะโอเคค่อยๆามค่ะคุณพ่อชาใช่ไหมพ่อชอเช่ประธานาธิบดปอเช่ครับนักเทบลครับพระอาจารย์อันนี้กลับ<อ>มามากันขึื่อนน้าโมก่อนใช่ครับเพื่อนเพื่อนน้โ ม, นนโมกับมาเอีนนอนน มีคำถามคำถามหนึ่งครับถ้าสมมติเราเครียดนะครับควรทําอะไรเหมือนทำพุโทโธพุโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปทําเป็นนพุโทโธพุโทโธเวลาเครียดให้หพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดเราเดี๋ยวเราลืมแล้วความเครียดก็ะารไปรรอันนี้เลย โอเคแต่ต้องหัดท่อพุทโธไปก่อนถ้าไม่ ท, it, ท um ires, an, days, ここ่อพ <Him. S 1> <to> ุทโธตอนนี้เดียวเทงเวลาท่องไม่ออกเหมือนเหมือนวิ่งเน่ยถ้าเราไม่ฝึกวิ่งไปก่อนเท่เวลาจะวิ่งวิ่งไม่ได้นทเวลาจะสวดพุทโธพุทโธถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเทงเวลามันสวดไม่ออกนี่เราหัดสวดทุกวันนะเวลาตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้พุทโธพุทโธไป ทำได้ไหมแค่นี้ถ้าเราทำอยู่นะเราจะมีมีพลังต่เวลาเคลียดก็ใช้บุตรอยู่มันได้โอเคนะคุณอาปาเชิอยู่ที่ไหนคุณอาปาธรรมศาสตร์ครับพระอาจารย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินอยู่ที่ไหน ครับผมอยู่ที่สระ บ, บุรีครับอายุสามสิบห้าปีครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับมีคำถามไหมมีมีคำถามครับคือตอนนี้ยผมภาวนาด้วยหายใจเข้ารู้หายใจออกวางเมื่อก่อนก็จะใช้พุทโทแต่รู้สึกว่าพอพุโทโธแล้วมันแน่นๆ่นมันไม่สงบแต่พอใช้คําว่าหายใจเข้ารู้แล้วหายใจออกวางรู้สึกว่ามันสงบดีแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ว่างไปหมดเลยครับ ก็ดีทำอย่างนี้ไปครับทีนี้ผมมีคําถามครับอยู่ประมาณสองสามคำถามคาถามแรกผมอยากถามจังหวะที่เราจะละวิชาแล้วรู้อริยสัจสี่จังหวะนั้นมีลักษณะอย่างไงต้องคิดก่อนแล้วหยุดคิดหรือหยุดคิดมาตั้งแต่เริ่มภ า, าวนาหรือว่าละาวิชาเพราะคิดครับเอตอตามนี้ไม่ต้องไปล่าวิชาเนอมันยังกายตัวเรา รักของใกล้ตัวเราก่อนนะรักรับทัพสมบัติเข้าของเงินทอาก่อนได้ไหยรักความสุขจากการเดินการกินการเที่ยวกันเล่นได้เปล่าได้แล้ ว, แ ล, วแล้วก็อยาก<ม>อยถ า, ามเรื่องการเสพอารมณ์ครับเช่นการปล่อยใจไปตามเสียงเพลงเข้าไปเสพเอาเป็นความสุขแต่ตอนที่เราเสพอยู่รู้ว่าเสพอยู่มีความสุขอยู่รู้ว่ามีความสุข อันนี้ถือเป็นราคะไหมครับเป็นเมันก็เป็นกิเลสถ้าไปเสพยุกเสียงกินรดมันก็เป็นกามาราคาครับอย่างเช่นสมมติว่าเวลาเราได้ยินเสียงคนพูดเราเรารับรู้บางทีเราก็วางบางทเาีเรารับรู้เราไม่สนใจเลยแต่บางทีเรารับรู้แล้วเราเสพกส็ผมยังถามว่าอย่างพระที่เป็นเข พระอรหันต์นะครับเขาเขาเสพอารมณ์พวกนี้ไหมครับไม่เสพหรอกเขาฟังเฉยๆครับอย่างเพลงก็คือไม่เข้าไปเสพอารมณ์ใช่ไหมครับคือเขาไม่มีรักมีชงังมีกลัวมีหลงกับสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังได้สัมผัสตั้รู้เขเฉยๆมัเบ็นกาครับอย่างแล้วเวลาที่กินข้าวเข้าไปครับคื อ, อเขาก็เขาก็เฉยๆเหมือนกันเขารู้รสรู้ชาตแต่เขาไม่ได้ไป อร่ออร่อยไปมันกับมันอะไรอย่างนั้นเหมือนเหมือนกับเขาเรียกว่าเอาวิญญาณไปผปสมกันจนเซพอะครับใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เสพมันเพียงแต่สัมผัสรับรู้โอเคครับครัเท่านั้นคตรงนี้คถามท่านี้ครั บ, อนนรบโอเคมนยินดีต่มันยินดีอยู่ใกล้ๆพัทยาย ยอง โ, โ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะรับฟังค่ะท่านอาจารย์เอเคงั้น <c oughs> ไปที่คุณเดชยะเ<อ>ดชยะจากนครศรีธรรมราชะเมื่อคืนนี้ก็เข้าม า, าภาษาอังกฤษธรรมสตร์าวัฒจะอยู่นราธิวาสค่ะนาธิวาสขอไปอำเภออะไำเภอแหวนค่ะอยู่ติดชายแดนเลยคะ่ะ วันนี้วันนี้เป็นคําถามฝากถามนะคะพระอาจารย์เอ่อมีพระาอาะจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยิ น, ยนค่ะวันนี้เป็นคําถามฝากถามจากคุณป้าท่านหนึ่งอะค่ะเอ่อคือตอนคุณป้าท่านอายุหกสิบกว่าแล้วอะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้คืออยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านท่านบอกว่าเอา่อคือก่อนหน้านี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมดีอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคอนในช่วงประมาสัปดาห์นี้หรือช่วง เร็วๆนี้นะคะความรู้สึกนี้มันหายไปมหมายถึงว่าทําอะไรแล้วก็ลืมแบบถ้าจะบ้วนปากบางทีก็แบบอมน้ําอยู่บางทีก็ลืมว่าแบบหรือว่าถือของอยู่บางทีก็หลุดมือไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยเป็นคือรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดก็เลยอยากรู้ว่าท่านฝากมาถามว่าเป็นมันคืออาการทางกายหรือมันเป็นเรื่องของจิตหรือเปล่าคะเพราะช่วงหลังๆท่านก็ พอวัดป <1941, S 2> <into> ิดท่านก็ไม่ได้ไปไปที่วัดะเรื่องของจิตถ้าไม่เจริญสติมันก็เลยทำให้ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรนั่นให้ท่านดึดสติกลับมาด้วยการท่องพุทโธพุทโธพุทโธค่ะแล้วก็ท่านบอกว่าบางทีในจิตมันรู้สึกเหมือนเหมือนทีวีที่มันดับดับติดติดดับๆอย่างเงี้ยค่ะ มันก็คือเรื่องของจิตเหมือนกันหรือเปล่าเรื่องของจิตเหมกัเรื่องของสตินั้นไม่มีสติต้องพยายามฝึกสติแล้วจิตมันก็จะเน่งจะเฉยจะลืมตัวลูบกรรมลูบเหมือนเดิมเหมือนที่ตอนนี้ก็ลูบอยู่ลูบๆนั้นต้องต้องนึ่งสติกลับมาในการทําพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไภายในใจเด้อสวดอิติปิโสไปหลายๆรอบก็ได้แล้วสติก็จะกลับมา ตอนนี่ท่านปล่อยปะละเลยทิ้งสติไปสติหายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที้หลงขี้ลืมคนไม่รู้อะไรไปเพราะไม่มีสตคิคอยกำกับใจค่ะจบอกท่านนะบอกว่าต้องฟื้นสติขึ้นมาหรือถามท่านว่าเมื่อก่อนท่านใช้วิธีไหนดึงสติคลับให้ท่านใช้วิธีนั้นก็ได้ได้ค่ะ แล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะของท่านของของคุณป้าท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่แบบรับรู้อารมณ์ง่ายเหมือนกับว่าปิติง่ายถ้าเวลาใครทําดีอะไรก็แบบน้ําตาไหลง่ายไงค่ะแล้วก็สลดใจก็สลดใจง่ายนี่เป็นเป็นแบบเหมือ น, น, นใจอ่อนว่าไม่มีสติเมืใจอ่อนมันก็อ่อนไหวง่ายถ้ามีสติใจมันก็จะแข็งมันก็จะเฉือย ท่านฝากข อ, อคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะบอกพยายามฝึกสติไปทั้งวันอย่าปล่อยปาล่าเลยอย่าให้ใจขาดสติให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเ<ด>รื่อยๆแต่เี๋จะกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนตอนที่ที่วัดได้ค่ ะ, ะอาจารย์ขออีกคําถามหนึ่งนะคะคำอันน<ข>ี้คํําคาถามของหนูค่ะคือว่าเมื่อก่อนหนู ก่อนหน้านี้เคยเคยฝึกแล้วสามารถเข้าเข้าเข้าที่ว่างที่มันมีความสุขได้อะคะ่ะอาจารย์แต่ตอนนั้นคือตัดจากตัดจากโลกภายนอกหมายถึงอยู่ที่บ้านคนเดียวอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้พูดกับใครมันก็ต่อเนื่องได้นานๆแต่ว่าพอหลังพอหลังจากนั้นที่ต้องไปขับหมายถึงว่าต้องกลับมาทํางานหรือกลับมาสู่ชีวิตปกติอ่ะคะ่ะกลายเป็นว่าเอ ม, มันมันทําไม่ได้คะ่ะหนูตอนแรกหนูนึกว่า วิธีเข้าสมาธิหนูอาจจะไม่ถูกหรือเปล่าเลยลองพอเวลานั่งไปปุ๊บพอมันเริ่มนิ่งๆหนูก็กลับไปที่ลมหายใจใหม่แบบแบบนี้มันแต่ว่าเที่ยวที่แล้วหนูไปเจอล่าสุดหลวงพ่อพุทธนิโยโธท่านบอกว่าคือถ้าสมมุติว่ามันเริ่มทิ้งไปแล้วก็ปล่อยมันไปให้โฟกัสอยู่แค่ตรงข้างหน้าหนูก็ลองดูก็เริ่มเข้าได้อีกครั้งค่ะแต่ว่ามันไม่อยู่ไม่นานมันก็หลุดออกมา ออก ม, มาก้็กลับเข้าไปใหม่สติเรามีกําลังน้อยมันก็อยู่ได้ไม่นานเ mm hmm. วลาเราอยู่คนเดียวเราฝึกสติเรื่อยๆมันก็มีกําลังมากเวลาเข้าก็เข้าได้ง่ายเข้าได้เร็วพอเรามาอยู่กับการทํางานอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้การจะค้อมสติไว้มันก็น้อยลงไปพอเวลามานั่งเมื่อสติน้อยการเข้าไปยากเข้าแล้วก็อยู่ได้ไม่นาน มันอยูที่การการฝึกสติของเราผลถึงเกิดจากการเข้าสมาธิยากหรืง่ายเพรนั้นอยากจะกลับเข้าไปง่ายก็ต้องทําแบบเดิมกลับไปอยู่คนเดียวก้อ็ยากหมายหมายถึงว่าก็ยากเหมือนการขาพระอาจารย์แล้วถ้ายังถ้ถ้ายังถ้ายังอยากก็ได้ยากได้อย่างนี้ก็ <c oughs> จะ อ, อย่างนั้นก็ <c oughs> มือนก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างเท <c oughs> ่ากัน ต้องแบ่งเวลาให้เขาทางนี้ครึ่งหนึ่งทางนู้งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทําเดี๋ยวจะลองฝึกใหม่ค่ะอะลองดูนะอยู่ที่สติตัวเดียวเนี่นะสติเนี่แหลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพระเจ้าในการควบคุมจิตใจของเราแล้วพอตอนแบบเราไม่รู้ไม่ค่อยรู้ลมหายใจแล้วไปแบบถ้าไม่ค่อยรู้เราก็ปล่อยคือเขาไม่รู้เราก็ปล่อยให้อยู่ตรงที่ว่างไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนั้น <ๆ S 1> แล้ ว, หวให้เข้าไ ป, ไป อยู่ความว่างไปถ้าไม่มีลมห้รู้ก็อยู่กับความว่างไปแต่อยากดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าอยู่ถ้ามันคิดก็ต้องอยู่คิดไม่ให้มันคิดแล้วก็ไม่ต้องพยายามเอ๊ะต้องกลับไปลหไ ม, <ไ>ปมหายใจไหไม่ต้องไปหาลมไม่ต้องไปหาลมถ้ามันจับลมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปอยู่กับความว่างไปได้คะ่ะลองทํำดูนะแล้วมาเล่าสั่งเปไงได้ครับเป็นไงไเไงมื่อคืนนี้ภาษาอังกฤษดีไหม ดีค่ะฟังชอบค่ะแล้วก็ได้ความรู้จากจากท่านอื่นๆด้วยค่ะเระียนภาษาไปด้วยนะจะได้รู้ว่าธรรมระภาษาธรรมะภาษาอังกฤษก็พูดปันเองไหมใช่ค่ะแอบเซิร์ชอยู่ว่า อ, อ, อ๋อบางคำก็ไม่รู้ค่ะอย่างคำว่าพระาธาตุ e s e n t a l to r e ก็ไปแอบไปเซิร์ชออกขึ้นก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆค่ะจะได้รู้ไปตอบไปเวลาต่างชาติก็ถามเราจะได้คุ้อธิบายก็ฟัง ค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะไปที่คุณธรรมวันต่อที่สามเสงนักการเจ้าค่ะผูอาจารย์ยมนั่งได้สีชั่วโมงแล้วนั่งหลับหรือเปล่าสีชั่วโมงอะไรนะเจ้าค่ะนั่งหลับหรือเปล่าสีชั่วโมงโน้โน้แน่ะไม่เลยค่ะคือ อาทิตย์นิยมฝึกอาทิตย์ที่แล้วได้แค่สองชั่วโมงอวันนี้อยากจะฝึกสามสามชั่วโมงเสร็จแล้วมีอยู่คืนหนึ่งนอนแล้วอยู่ๆมันก็ตื่นขึ้นมาเองตีหนึ่งแล้วมันก็ลืมตาค้างต้ก็เลยโยมก็เลยเอาวะนั่งเลยแต่ต้องลงมานั่งที่พื้นต้องไม่นั่งเบาต้องไม่นั่งโซฟาจ้ะค่ะนั่งนั่งคัศมะนั่งคัศมะแล้วก็แล้วก็ประคองสติตลอดเวลา เพราะเขาสติ ต, ตล้ดแล้วต้องมีเครื่องอยู่ต้องอยู่กลมหายใจตลอดเลยค่ะมันถึงจะรอดอไม่งั้นกิเลสมันจะความอยากมันจะมาแฟบกลัไปโยมโยมก็เลยลลก็เลยเสี่ชั่วโ ม, ง, ม, มงนะี่สงบไหมได้เลยเจ้าคะ่ะสี่ชั่วโมงเนี้ยแต่โยมไม่เข้าสมาธิลึกนะเจ้าคะ่<อ>ะเพาโยมอยากให้มีความรู้สึกตัวเพื่อช่วยกับความอยาก เอโยมประคองสติตลอดเวลาทุกวินาทีเลยค่ะแล้วก็พอมันจึงพอมันจะง่วงโยมก็เข้าไปแค่ชั้นหนึ่งชั้นสองมันจะตื่นมันจะตื่นแต่มันไม่เลยไปถึงตะหลับอย่างเงี้ยค่ะก็หนึ่งสองอย่างเงี้ยพอตื่นโยมก็เลยออกมาแล้วก็ประคองสติอยู่พอง่วงอีกโยมก็จะไปอย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็เอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ อย่างเดียวเลยแล้วก็พกองก่าของสติจนจนครบสีชั่วโมงแล้วมันกําลังมันหมดแล้วก็เลยไม่ไหวขอสี่ชั่วโมงพอพยายามยืนมันจะเข้าไปถึงชานสีให้ได้จะดีกว่าแล้วไม่หลับมันจะตื่นเวลาเข้าชานสี่ได้มันจะสว่างใช่ใช่ค่ะแล้วมันจะสงบมันจะเย็นมันจะสบายมันจะเบามันจะไม่เหนื่อย คราวหน้าจะลองจ้ค่ะคือยมยมเข้าใจผิดลงไปได้แนดูลงไปได้แนู่ลงไปได้แน่ๆหรือมันจะเข้าไปเองแล้วไม่ต้องไปรับครับเจ้ค่ะแต่น่าปลกใจมากที่4ชั่วโมงนี้เรานั่งสมาธิไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ใดใดเลยก็เลยดีแสดงว่ามันสงบในระดับก็เลย จะคราวหน้าว่าจะลอง6ชั่วโมงดูเจ้าค่ะมาลงองดูแล้วก็ช่วงนี้ก็ฟังอภินหะปัจเวคณาฟังอาทิตทิตยะปริยายสูตรฟังธรรมาจากฟัง อ, อ, อนัตตะละาลคณะสูตรรู้สึกว่า ลาาเลยในธรรมากมีเป็นภาษาไทยและเป็นภาษาเกฤษทั้งสองภาษาไทยและบาลีค่ ะ, ะมีที่ไหนก็เปิดให้ฟังได้มีมี u ู u b e ให้ให้ฟังนี่ค่ะใน u t u ู e มีเลยค่ ะ, ะพิมเข้าไปว่าอาทิตตปริยยสูตรแล้วก็วงเล็บว่าปแปลไทยเขาก็จะมีขึ้นเป็นเหมือนคาราโอเกะ่เงี้ยค่ะ ภาษาไทยภาษาบาลีก็มีเสียงสวดของในความรู้ด้วย ถ, ถ้ามีแปลเราจะได้เข้าใจได้ว่าพระเจ้าทรงสอนใช่ค่ะมีภาษาไทยแล้วภาษาไทยอย่างอนตัตตะลขณาสูตรเนี้ยพอ<ม>อ่านภาษาไทยแล้วมันแบบซาบซึ้งว่าคำสอนนี้คือมันไม่มีตัวตนจริงๆนะเจ้าคะใช่ใชไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ<ม>แล้วก็แล้วก็ช่วงนี้ก็เลยก็เลย รู้สึกช่ำชื่นขึ้นว่าได้ฝึกแล้วก็ความเพียรย้อนกลับมาเจ้าค่ะใช่การฟังธรรมการศึกษาธรรมนี่มันจะช่วยกระตุ้นจิตใจให้แบกบานให้มีพลังขึ้นมาเจ้าค่ะ<ๆ>ยงก็เลยรู้สึกว่าร่าเริงในธรรมมากแต่ว่าก็จะไม่พยายามดีใจเกินไปกลัวจะกลับไปสฉาบก็แบ่งแบ่งเวลาให้การฟังแล้วก็แบ่งเวลาให้การปฏิบัติ มันต้องมีทัง้งสอ ง, ส อ, งอย่างตัดกันไปควบคู่กันมันจะเสริมกันมันจะช่วยกันอพอฟังแล้วมีกำลังใจพอไปปฏิบัติมันก็คืนหน้าไปก้าวหนึ่งแล้วก็กลับมาฟังใหม่แล้วก็กลับไปปฏิบัติใหม่ลสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกลับมัรช ก, การขอบพระคุณได้จังเลื่อมเรื่ <มา S 1> องอ ก, กิจอย่างหนึ่งไปนะกิจไหนที่มันจําเป็นก็ตัดมันไปเลย เราภารกิจ ก, การศึกษาและการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดินของชีวิตเราดีกว่าเจ้าค่ะอันนี้เป็นกิจ <c oughs> ที่หนึ่งเจ้าค่ะอย <c oughs> ากขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอ่าสาธุคุณสพัฒนาจากวอร์เรนเชนกลับมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินได้ ออนนี้มาขอฟังคางเจ้าค่ะอาจารย์ฟังคำนะโอเคร <Okay. S 2> ะรังเ <Okay. S 2> ยู่จค่ ะ, ะปฏิบัติไปนะฟังแล้วต้องปฏิบัติด้วยนะแ น, น่จากมิโ อ, อนทา น, นีแน่การน้ำมาสกกักการเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้อันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคย้นไปที่กุญคิตอไม่กิด มันเกิบันดิตเป็นไรเนี่ยอย่ที่ไหนมาเก็บกรรัธรรมสการ์พอาจารย์ครับอยู่กรุงเทพครับอยู่แถวถนนเอกชัยครับคำ okay. ถา <c oughs> ก็ก็ดีว่าเมื่อตอนที่ฟังคําถามเมื่อสองพุทธที่แล้วครับ <c oughs> ที่มีคําถามจากที่ทางเฟซบุ๊กครับที่เรื่องมีลูกนลกและเรื่องการตียุงกับข้ามวันครับ อพอฟังแล้วก็รู้สึกนึกถึงตัวเองครับก็เลยไม่ไม่ตียุ่งครับปล่อยให้มันกัดไปครับออึก็ออรู้สึกว่าพอไม่ตีมันไม่ทําร้ายมันรู้สึกตอนนั่งสมาธิจะรู้สึกมันใจมันเบากว่าเดิมครับ<ม>เหมือนเรคบกันครับอาจารย์ไม่กังวลอย่างนี้ไม่ไมถ้าเราไปไปไปลังเกียจมันก็จะคอยกังวลมันอยู่มากัดมาเกาะหรือเปล่าทาให้เราไม่มีสติในการนั่งนะไอ้ครับผ <ขอ S 2> ครับมันเท่านั้นถ้ได้ยินเสียงที่ตียุงมันดังแป๊ะแป๊ะเราก็สึกใจมันแบบเหมือนมันมันกังเขก็แอบรู้สึกจิตตกนิดหนึ่งครับแต่พอเลิกทำของอาตีพ ท, ที่ผ่านมาก็รึกเบาขึ้นเยอะเลยครับกับ่อไปพัฒนาการมีเสีนี้ก็ช่วยสนับสนุนการนั่งสมาธิได้ครับ ม, มีคำถามอะไรมัอ้อ่าพอดีว่าอ่า แล้วเคยเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่บ้านครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณแม่หรือใครให้มาครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอาเป็นของอาจารย์ใช่ไหมเขียน okay, ว่าไหเข้ในในในเามาใกล้ๆนะอ่าอันนี้ครั บ, ารรบอาจารย์สมาทิฏิครับอาจารย์ตามเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องครับแล้วข้างล่างมีชื่อแล้วเป่ะมีข้างล่างไว้ครับอใช่ถ้าไม่ชื่อแล้วก็ใช่ใช่นี้ครับจะได้ เอามาอ่นานเลยับดีว่าเหมือ น, นอข้างในก็ข้างในเขียนว่าสิทธิ์เป็นคนพิมพ์ถวายครับเนื่องในวันเกิดวันศุกร์ที่สองพฤจิกาสองห้าหกหนึ่งครับทุกปีเวลาวันเกิดแล้วันบวช น, นี่เขจะมีพิรรมพ์หนังสือมาจากพญายงเป็นเขาก็ไปเอาจากพวกยู u ูบหรือพวกที่เราเทศแสดงไปขั้นเลือกเอาไปหนึ่งเอาไปเรื่องๆไป นี่ก็เรื่องสมาธิที่มารวกเป็นคมเห็นชอบพดีน้องงานดูได้ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับก็มีโอกาสจะไปตักบาตพระอาจารย์ครับได้เชิญกลับน้ำมาสการต้องพาพระอาจารย์มาเพราวพอดีว่าเสาร์ที่ผ่านมาค่ะไปที่เขาเชียค่ะแล้วก็วัน ไปได้แค่สองวันเอค่ะเสาร์กับอาทิตย์ดีดีดีก็ไม่ไปเอาเท่าเท่าไหร่ก็ไปเท่าไหร่ก็เอากก่่อนเไปตามไปด้วยใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปก็ลองไปฝึกนั่งแบบที่แพระอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับที่หกชั่วโมงอแบบไม่ต้องไปทําอะไรก็คืออยู่ห้องน้ำแต่ห้องนดีค่ะพระอาจารย์ ไมันความอยากงั้นความอยากมันจะให้เราไปนู่นมานี่ทํานู่นทํานี่นะใช่ค่ะแต่มันมันลุกหบ่อยเพราะว่าความที่เราอดอาหารนะคะมันก็เลยกินน<ช>้ําก็แค่นั้นนะคะไปเข้าหนะ้องน้ํเข้าห้องน้าอย่างเดียวไม่ทะเลาะอะไเสร็จแล้วกลับมานั่งต่อแล้วม่ยืนต่ออย่ทจุดเดียวก็ไม่แต่ไม่เดินจงกลมนะคะก็ลองอยู่แค่จุดย้ายนั่งอยู่จุดเดียวอยู่ที่จุดเดียวนั่งก็ได้ยืนก็ได้ถ้าเมื่อยก็ยืนก็สลับค่ะนั่ง แล้วก็ยืนพุโทโธบ้างแล้วรู้สึกว่ามีการต่อสู้ในใจไหมครับก็อาจจะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่รู้จักพระอาจารย์ปีหนึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ไม่เอาร่างกายไปหาความสุขอะค่ะาพระอาจารย์มันก็เลยเหมือนมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยมีแบบความตากมากเท่าไหร่ไปแล้วเราจะน่าไม่ท่องไปหาโน่นหานี这มาทําให้ยุ่งเสียเวลาแบบใช่ค่ะเสีงิก็เป็นสุมได้ อ่ะเพราะ อ, อีกเข้าใจเลยอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยแบบว่าเอาร่างกายเหมือนถ้าไม่เคยทํานิดปีหนึ่งที่ผ่านมาถ้าไม่ทําก็คงอยู่ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ mm. เป็นเรื่องแล้วก็จะถามเรื่องเวทนาค่ะพรอาจารย์หนูเคยได้ยินพรอาจารย์เคยบอกพี่ในซูมท่านนึง น, นว่าเออความเจ็บไม่เรียกเรียกมันว่าไม่เจ็บได้ไหมแล้วหนูก็เก็บคําดีไว้ในใจตลอดแบบ สงสัยว้าทาไมพระอาจารย์ถึงให้เรียกว่ามันไม่เจ็บแล้วหนูตั้งหนูก็เลยลองดูอะค่ะเวลามันเกิดเวทนานี่เป็นเป็นเป็นนามใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็เป็นสภาวพธรรมอย่นี้เรียกว่านามป่ะหรือ่มันไม่มีชื่อหรอกเราไปเรียกันเองว่าเป็นนามหรือเป็นรูปกถ้ามันลูกมันเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่อ๋อข้าหนูข้อสัาเกตไม่ได้อยู่ที่มันเป็นนามแล้วเป็นลูกข้อสังเัตอยู่ที่ตัวเราเราไป ไปรักไปเกลียดไปชังมันนื้ไปมันอปะอันนี้สังหาที่เราต้องเราต้องไม่ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงมันให้รู้ชี้แจว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องเพรามันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรไม่มีตัวตนมันไม่เดินมา มันไม่ได้เป็นร่างกายมันไม่ได้เป็นใจมันเป็นมันเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏให้ใจรับรู้อาจจะออกมาจากทางร่างกายแต่มันไม่ได้เป็นร่างกายใช่ไหมค่ะพระอาจารย์หรือว่าเวลาตีราคังนี่มันเสียงราคังมันไม่ได้มามันไม่ได้เป็นระฆันี่มันก็เป็นเสียงเป็นสภาวะธรรมต่อเกิดขึ้นจบแล้วมันก็เป็นเสียงแล้วอยู่ที่เราเวลาฟังนี่ จะยินดีก็ยินได้บางคนไม่อยากจะยินเสียงว่าด้ยินเสียงก็ทุกข์ขึ้นมาคนที่ชอบเสียงราฆังว่าได้ยินเสียงราคางก็ศก ข, ขึ้นมามันปัญหาอยู่ที่เราไปรับไปไปร่างไปชาเหมือนกันนี่ แ, แต่มันก็เป็นสภาวะานธรรมเมตนาก็เป็นเหมือนสภาวะธรรม<อ>มีมีทั้งแบบที่แบบที่มันทําให้เรารู้สึกสุกแบบที่ทําให้เรารู้สึกทุกข์ คือเกิเจ็บไม่เจ็บเนี้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ไปตั้งชื่อมาเลยว่ามันเจ็บแล้วไม่เจ็บจริงมันก็ไม่มีชื่อมันก็เป็นของมันอย่างเนี้กค่ะเพรหนูเห็นมั น, มนเป็น ส, สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือทีอ่ททีี่่เขาเรียกว่าความเจ็บแต่ดูลองคิดว่าอนึกถึงคาที่พระาอาจารย์บอกว่าเรียกว่าไม่เจ็บได้ไหมก็เลยไม่ยอมไม่มีนิยามให้เขาแล้วไม่มีนิยามมันมันไม่อยู่ในใจอะค่ะพระอาจารย์ไม่ได เราไม่ปลุกเจ็บเราไม้กันนิยามเพราะว่าเจ็บเราก็เกิดการต่อต้านทันทีใช่ค่ะพระอาจารย์มันมันรู้สึกเออมันเออเข้าใจในที่พระอาจารย์พูดว่าไม่ไม่ไม่มีนิยามอะไรแบบไม่ให้ไม่ให้อะไรกับเขาเลยอย่างเนี้ยค่ะแล้วมันก็แบบเขาเองเขาไม่มีสมมุติเหรือเไปสมมุติเขาว่าเขาดีเขาไม่ดีก็เลยเออเราหลงสมมุติใช่ไหพระอาจารย์ใช่การปัญญา เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นนั่งอยู่แล้ดับไปที่ใจเราสามารถรับรู้ได้ถ้าเราไม่ไปมีรากชันไม่กลัวหลงกับมันเราต้องฝึกสมาธิให้มีอุปเบกขาเยอะๆก็จะรับรู้เฉยๆได้ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะไปกับสัญญาไปกับสมมุติทันทีว่าเพราะเจ็บโอ้ทําไม่ไหวแนละ้ว okay. ค่ะเพราะว่าในสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ให้นิยามก็ไม่เจ็บไม่เจ็บรู้สึกเฮ้มันมันเป็นในสมาธิมันหยุดไงมันมันมันหยุดสัญญาหยุดสังขารมันไม่ไปปรุงแต่งแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันคือเจ็บอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็แลรวต้องฝึกจิตให้มันอย่าไปมีอารมณ์ประมาณอย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรารับรู้ให้รู้เฉยค่ะะรอาาจย์ เพราะว่าอย่างกลับมาก็ลองมานั่งแล้วก็ก็ทําแบบเดิมมาหาพระอาจารย์ก็ไม่ให้นิยามก็มันก็เหมือนเออมันก็ไม่ได้เข้ามาในใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เขาก็อยู่นะเกิดข<ม>ึ้นอยู่แบบเวทนานเขาก็เกิดแบบเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะนั่งชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะเริ่มมาแล้วอย่าเงี้ยค่ะก็รับเรว่เราเข้ามานะกล่อยเข้ามาเขาปก็อยู่ไปเราไว้อยู่สวยย่วนของเราเราผู้รู้เกลใ้ย่อมรู้ไปทำหน้าที่ขผู้รู้ไป อย่าไปเป็นจลาจรไปคอยจัดจลาจรเนอะแบบนี้มาได้แบบนี้มาไม่ได้ปล่อยก็มาตามธรรมชาติน้อเจ็บเจ็บมาก็ปล่อยเข้ามาเจ็บหายก็ปล่อยไปหายไปไม่ไปจัดการกับเขาอ่ะรู้เหมือนก็ดีดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ ม, มันเหมือนแบบมันต่างกับเมื่อก่อนมากเลยเมื่อก่อนต้องเหมือนเหมือน ฝืนเหมือนฝืนฝื น, น, นแต่ว่าก็พูด <c oughs> ว่อยากอยากให้เขาหายไง <c oughs> มันก็เลยรู้สึกทรมานใจถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็จะไม่ทรมานใจแล้วเรารสึกว่าเรายอมรับให้เขาแสดงมาเลยแสดงอะไรก็ได้ถ้าเขาอยากแสดงใช่ปล่อยเข้ามาเลยรู้สึกเออเป็นเขาคำพูดที่อาจารย์พูดแล้วมันมันเก็บเอาไว้ในใจแล้วมันมาไข้ควนดีเนี่ยค่ะแต่ แต่ว่าเวลาทํากับข้าวแล้วเวลากไปจับกระทะเหลือะค่ะเวลามันร้อนถึงใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันนี่สติใช่ไหมคะอย่างนั้นไปถึงคว<ม>ามร้อนของกระทะมันไปถึงใจใช่ค่ะเหมือนแบบว่าหนูว่าทํากับข้าวแ ล, ล้วหนูมือไปจับไปโดนกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็รับเสดสติแล้วเราคอยจดจ่อดูมันก็จะมันก็ไม่มันก็จะไม่ไปโดนสิ่งส่วนที่มันไม่ควรไปแตะ อหามแบบมันกระทบปุ๊บแบบปล่อยเลยหามแบบร้อนเข้ามาใช่อันนั้นเป็นสัญย า, าตยาของสัตยาตยาใช่ไหมคะสัตยาตยาถึงเข้าใจว่าถ้าสีเราก็ต้องสนใจในตื่นแก้นหรือเปล่าตกใจหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าโมโหหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องขอใจแต่รับรู้แล้วเฉยๆไปมันก็ผ่านไปแล้วเราเผลอไปเมื่อกี้เราไปแจมมันเข้า มันไม่เป็นสัญยาณด้วยใช่ไหมคะใช่มันเคยถูกเพิมสอนมาเป็นนานเวลาที่มากระทบที่เป็นภัยต่อร่างกายมันก็จะมันก็จะถอนทันทีใช่ค่ะอ๋อมันต่างกับวิทนาที่นั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อนัเจอตอ้เรามีสติดูอยู่เรามีสติด้วยแล้วมันไม่เกิดแบบุนทีเดียวป๊อบเดียวนี้ค่อยๆพผลขึ้นมา ชเราเขารู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็เฉยกับมันไปถ้าอย่างโดนชนเดินชนโตะจะจะเห็นเป็นเป็นสภาวธรรมอย่างที่อาจารย์บอกไม่เข้า<ช>ไปเป็นฟองอันนั้นเลยพออย่าไปโกดอย่าไปพ้อหัตัวเองอย่าไปโกดโตบางคนเดินไปชนโตไปเตะโตแล้วก็ไปโกดโตทำไมมันนั่งขวางทางเนี่ด้ค่ะันฝึกตรงนี้เราเห็น อ, อ, อึ้มันเกิดขึ้นนะ มองอยู่เฉยๆอย่างตัวเราเราไปแตะเขาเองเขาอยู่เฉยๆแต่เราเราไม่ชอบโทษตัวเองชอบโทษคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะบางทีมันก็เผลอโทษว่าเอาเลยใครยังมาวางเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองไม่มีสติคะแต่ยิ่งแต่มาปฏิบัติทํามันก็เหมือนค่อยๆขัดเก่าไปเรื่อยๆค่ะใช่ปรับไปเรื่อยๆปรับลดความระดับความทุกข์ให้ไปเรื่อยๆ เ็าผลิตความทุกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะก็พอมีสติรู้ทันแล้วก็ค่อยสั่งใครเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวรู้เฉยๆรู้ด้วยรู้ไปค่ะแต่ก็รู้ว่าเหมือนกําลังยังอ่อนจึงนั่งได้แค่แบบชั่วโมงครึ่งยงังพยายามนั่งต่อไปฝึกต่อไปมันไม่ได้อยู่ที่เวลาลวมันอยู่ที่สติ อยู่ที่สติวนานั่งแล้วมันสงบหรือไม่ถ้ามันสงบถึงไม่จะไม่นานมันก็ดีกว่านั่งนานแต่ไม่สงบคนต่างกันนั่งสงบจิตมันนิ่งมันเย็นมันสบายนะแล้วเราต้องการผลได้ถ้ายังไม่สติยังไม่พอมันนั่งนานเฝินได้แต่มันไม่สงบมันยังรู้สึกชักกระเยาะกันอยู่ยังเครียดๆยังตึงเครียด แต่ล้วจิตสงบแล้วอาการตึงเครียดมันจะามันจะเบาจะเยน็นจะสบายค่ะดีใจค่ะที่ได้เจอพระอาจารย์โอเคนะ่าธขอบคุณนะคะพระอาจารย์คุณอ้อมนี่เขาเพิ่งกลับมาจากเขาเปียยังไงหายกลัวแล้วเหรอไปฆ่าความกลัวแล้ว่ะเดี๋ยวไปฆ่าใหม่ค่ะพระอาจารย์ ต้องเพิ่มขึ้มาเลยคอนเฟิรม์มลคอนเฟิรมฟ์รมเราต้องไปหลายๆรอบอ่<ๆ>าดีจะได้มัน่นใจว่ามันตายจริงรึเปล่านะใช่ค่ะครั้งเดียวยังยืนยันไม่ได้ตอนนี้เรายืนยันได้แต่ว่าครั้งหน้าอาจจะมาใหม่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะทรารูปแบบใหม่ก็ได<ๆ>้นะอ่าใช่ค่ะไม่มีคำถามค่ ะ, อะโอเคไปที่คุณแมนต่อแมนอยู่กอท์ธมอยนะ แล้วเนอะดีอยู่ห้องแอห้องแอรก็่ทัครับอเอเเอครับก็เรื่อยๆครับก็บที่ไปกัาแนะนำอาทิตย์ที่แล้วที่มันสติไม่พอมันตกพวงบ้างก็ลองเปลี่ยนมาท่องอาการสามสองบ้างครับให้มันอยู่ตลอดครับใช่ใช<อ>ครับแต่ว่าพอท่องสามสองอ่ะรู้เลยว่าสติมันไม่พอเพราะว่าพอต่องไปสักระดับหนึ่งมันก็ มันกังวลกครับจิตมันจะแบบกัวลก歪ครับมันก็จะนั่นออกมาเขาเลยต้องสับมาเป็นบทโทรบ้างครับก็ได้ส่เรื่อยๆมีงานทำอะไรอย่างนั่งเฉยๆครับครับก็จะทำไปเรื่อยๆกับอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับโอเคบุญดีจากพัทยาบุญนีมีบุญนะพูดได้ รครับผมการนำบทการอาจารย์ครับอมีอะไรไหยตอนนี้เราภาวนาไปได้ปั้ทุกวันอยู่ครับรก่อนไปทางานอาจารย์เยออครทำให้มันนิสัยทําให้เป็นนิสัยอะไรครับทําให้มันเป็นนิสัยทําให้มันเป็นนิสัยถ้ามันติกเป็นนิสัยไปับประจำอย่าเวน้นอย่าเลิกถ้าไม่มีจําเป็นจริงจะเริ่มอ่าติดแล้วครับอาจารย์ต้องทุกวันอ่าดี ทำไปแล้วเพิ่มมันมากขึ้นไปนะพยายามตัดกิจกรรมอย่างอื่นลงให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มกิจกรรมทางสมาธิให้มากขึ้นไปดีกว่าครั<อ>บโอเคไม่มีคําถามนะไมนยังไม่มีมรครับผมวันนี้ยังปฏิบัติเหรอครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวเราไปที่อเมริกาหน่อยไปหาคุณสมชายเป็นสิเวเนีย อ, อยู่ที่นั่นกี่ปีน่ะอยู่อเมริกากี่ปีแล้วอ่าสาสิบหกปีครับส6กปีไปตั้งแต่หนุ่มแล้วนะไปตั้งแต่ตัวเล็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเนะอะครับเป็นไงมีคำถามอะไรไหมก็ขอขอบคุณคือแอดมินบอกว่าให้มารายงานว่าที่ทำพุโทโธ ก, ก่อนนอนนะ ตอนที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วตื่นแล้วหลับนี่ผมว่าช่วยผมได้มากที่สุดเลยไม่ต้องไปกินอะไรให้มากเกินครไปใช่แล้วกิดมากครับครับอันนี้ก็ใช่ครับก็เลยใายพุโทโธบางครั้งก็หลับไปไม่รู้ตัวนี่ก็ช่วยไปมากครับแล้วก็อ่าอ่าบ๊อบแซแล้วก็ที่ท่านให้สองข้อมาให้ปฏิบัตินั้นอ่า ผมอยากจะลองข้อที่สามดูซิว่าผมจะทำขึ้นได้นะการการที่ไม่ฆ่าสัตว์ผมไม่ผมไม่ทำต้องเรื่องกินเหล้านะท่านบอกข้ามที่สุดก็แค่สองสามปอร์เซ็นครับบางครั้งก็ไปครับก็ค่อยๆลดลงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็เลอกได้ครับแล้วก็ถ้าท่านให้มาสองข้อ เมื่อก่อนปฏิบัติเราแล้วข้อที่ว่าตอนนี้อยากจะถามว่าข้อที่ว่าโกหกหรือว่ามุกสาวาทาเนี่ยฮะคือบางครั้งเราบอกเราบอกการที่เพื่อนทํางานด้วยนี่ว่าอคุณก็กทําได้นะแต่ผมเห็นนะเขาว่าเขาจะพยายามอยู่แต่เราพูดแค่ให้กําลังใจเขานี่เราเราจะถือเป็นบาปเป็นความผิดของเรามากนะครับ ไม่หรอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราคล้ายๆบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะมันไม่ได้มันไม่ได้ไปขัดกับหลักความเป็นจริงอ๋อครับคือคือโกอหกนี่หมายถึงต้องโกหกใช่ครับคุณคุณไปไหนมาบอกปล่าผมไม่ได้ไปไหนนีแต่ไปไปโน่นบานี้่แต่ว่าแต่ถ้าเพื่อนแบบว่าอ่ามันกำลังใจก็ได้บอก เุณทำนี้เดี๋ยวคุณต้องทำสำเร็จนี้อ๋อครับผมคือผมก็สอนพว ก, พ, วกพูดในเชิงพูดในเชิงทฤษฎีพูดในเชิงว่าอครับเราก็อ่าถ้าจะให้แนะนําอะไรมากอีกครับขอขออีกสักข้อหนึ่งครับก็ฝึกสติเนี่ยทัางพุโทโธพุโทโธอยู่นี่แหละเวลาอยู่คนเดียว ถ้าทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันคิดนู้นคิดนี้กระท่องพุโทโธพุโทโธไปหรืรอไม่เช่นนั้นก็ให้บังคับให้มันอยู่กับงานที่เราทําโดยที่ไม่ให้มันไปคิดเรื่องนึ่นในขณะเดียวกันอย่าท test, ําล่กที่แทสเนี่ยทำวันแทสตลอดทำเรื่องเดียว Yes I always don't want to test all the time โอเครับโอเคครับแล้วก็ให้จดจ่ออยู่งานที่เราทำแล้วงานจะได้ไม่ผิดพลาด อ่าทําไปแล้วไปคิดเรื่งนั้นเรืงนีน้พางทีเราทำผ่านไปแ ล, แล้วเรายังสงสัยเรยาทําด้วยอย่างแสดงว่าไม่มีสตินะอะอยากจะถามแต่ก็จะเป็นการถามที่ยังไงไม่รู้นะฮะก็ลองถามดูถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบคอคนที่เกิดที่นี่น่ะจะต้องเป็น เป็นวิญญาณของอไอเมริกันที่เกิดที่นี่หรอไม่เราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเป็นจังหวะที่ไหนมีคนทำทำร่มเพ่กันตั้งคันเมื่อไหร่วิญญาณมันก็จะไปทันทีมันเสร์จไปเหมือนใน g ู o g l e เฮมมันก็เสร์จไปเรื่อยๆคำตอนมันจะมาจากประเทศสวีเดนหรือประเทศไหนมันก็แล้วแต่ผมคิดว่าไป เกิดที่โรงพยาบาลนี้ไอ้ที่วิญญาณที่อยู่ในวิญญาณของพระหลังอะไรทีมันเข้ามาในโลกเดี่ยแล้วผ ม, ผมคือวิญญาณไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันไม่ได้อยู่เมืองไทยมันไม่ได้อยู่อเมริกามันอยู่ในโลกทิศแล้วอมันเพียงแต่ส่งกระแสกระแสกระแสวิญญาณมาเกาะคือผมที่ผมถามก็เพราะว่าเขาบอกว่าแอปเปิลอะ มันไม่หล่นไกลต้นแต่ของผมทําไมมันหล่นไกลแล้วเกิดเขาก็เลยถามแค่นี้นะคะับอ๋อเป็นเพราะว่าเขาไมีนิสัยต่างจากเราไงคนที่มาเกิดนี่เขาอาจจะไม่มีนิสัยเหมือนเราพอเขามาเกิดเขาก็เลยไม่ทําตามเราเราเป็นในแค้นแต่เขาชอบไปเป็นหมออย่างงี้ยมันก็พขเคยเป็นหมอมาก่อนก็มาเกิดก็จะไปเป็นหมอต่อถ้าเขาเป็นนักเล่นไวโอลินมาก่อนก็อาจจะกลับมาเล่นเป็นนักวายลินต่อ ไอ้ที่เขาว่าแอปที่แอปเปไม่ไม่ตกกลายต้นกับพรอะบางทีมันมันเหมือนกันไงเพราะเป็นนักการเมืองรูปก็ชอบเป็นนักการเมืองไม่ไกันเขาเลยว่าเอาแอปเปิลผไม่ขายต้องแต่มีเยอะแยะใช่ไหมที่ครอบครัวพ่อกับลูกพ่อแม่กับลูกนี้ใครคนละทิศคนละทางครับไม่เหมือนจิตใจผมเลยเราะพ่อจะชอบทําแบบนี้แต่ลูกใช่เพราะเขาไม่ได้มาจากเราอจิตใจเขาไม่ได้มาจากเรา ปิตใจเข้ามาจากจากดวงวิญญาณของเขานั้นเขาเคยเขาเคยเขาเคยชอบอะไรเขาก็จะมาชอบต่อแล้วก็ชอบเล่นดนตรตีเขาก็จะมาเล่นดนตรตีต่อแล้วก็ชอบทำงานแเมเคชีนิกเขาก็จะมาชอบทํางานแมชชนิกต่อ oh. นั่นไม่แน่นอนแอปเปิลอาจจะตกไกลต้นก็ได้ใกลต้นก็ได้ แล้วแต่ว่ามันมามีความชอบเหมือนกันหรือเปล่าเธอเนี่ยกจายไนมครับครับครับครับแค่เท่านี้ก่อนครับยังคุณเมือคนตายไปหนูมีงานคุณไปเกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอแต่คุณไม่เป็นหมอทำยังไงคุณไม่ชอบหมอคุณชอบแค่นีอบไฟฟ้าเออชอบไฟฟ้า คุณก็ไปคุณกไปทางตามที่คุณชอบต่อไปเพราะเราไม่อยากจะฝืนใี่ไหมทำอะไรที่เราไม่ชอบแล้วมันู้สึกไปดันไหมเข้าใจนะโอเคเอเคเขาบอกว่ามีภาคภาษากีนต่อไอ้ทีมอนะคืนวางคอาคันเคืนเมื่อคืนนี้เวลาเดียวกันอ๋อเมื่อคืนนี้ เออเล่นเงินเดียวกันจะเก็บเล่นเงินนี้ไว้ก็ได้เแล้วบ้านังคารหน้าเรากดเล่นเวลานี้โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับเล่งที่เล่นที่จะเข้าสู่แต่เพจที่ต้องเป็นเพจภาษาอังกฤษถ้าถ้าอยากจะดูเพจก็เข้าไปเสิร์ชภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์สุชาติ A J A A N อาจารย์สุชาติเดี๋ยวลองเสิร์ชดูเข้าไปดูได้หน้าเพจโอเค ขอบคุณก็รบกวนท่านเท <ừ. S 2> ่านี้นะฮะถ้าอ่นนานภาษาอังกฤษเป็นก็มีธรรมะให้อ่นานเยอะๆภาษาอังกฤษดูดูยอดหลังก็ได้ดูซูมเมื่อคืนนี้ก็ได้โอเค okay <Okay. S 1> นะโอเคโอเคสวัสด okay. okay. so ีค่ะอาจารย์สายทิพย์วันนี้สารคามหรือขอนแก่นอะไรกับนวัตการพระอาจารย์ค่ะ วันนี้อยู่มหาสา ร, รคามค่ ะ, ะคะมีสอนถึงมหาสา ร, รคามแสดงก็ต้องสอนนช่วงนี้ช่วงนี้สอนเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ใกล้สอบ <laughs> ใกล้สอบด้วยค่ะแล้วก็มีมีงานเรื่อยๆเลยค่ะจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะที่เคยอ่าถามพระอาจารย์ว่าแวันจะไปปฏิบัติธรรมอะค่ะทีนี้ เ, นเจ อ, เจ อ, <laughs> เ อ, อวัดปิดค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลย ก็เลยนึกได้ว่าตัวเองเคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดปาดงมาไฟที่น้ำหนาวค่ะพระอาจารย์เป็นวัดสาขาของวัดไวยุวันแต่ว่าเขาให้คนที่เหมือนแบบอยากจะไปปริกวิเวกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งหนูเคยไปแล้วก็เขามีเหมือนมีกุฎให้ให้โยมไปแต่ว่ามีมีมีมีไม่เยอะค่ะแต่คิดว่าน่าจะติดต่อมีแม่ชีอยู่หนึ่งคนที่ที่นั่นค่ะน่าจะติดต่อได้ก็ลำดูขอลไปดู ค่ะทีนี้มีมีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งนั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วที่คอนโดเรามันก็เงียบเงียบแต่มันสบายเกินไปคอนโดมีตู้เย็นมีอะไรต่างๆแต่ไมคางแต่ถ้าไปไม่ได้ก็เอาที่คอนโดก็ได้แต่ว่าเราจิตใจต้องเข้มแข็งต้องต้องไม่เปิดตู้เย็นไม่ต้องเปิดอะไรนอกจากอ่ามันก็จะเป็นเหมือนถิ่นของเรามันก็จะอาจจะไม่ได้ อะไรตั้งใจใช่ไหมคะพระอาจารย์เดี๋ยวเผลอนอนเผลอนอนด้วยนะกันเดี๋ยวเราเผลอปิดตู้เย็นเดี๋ยวเผลปิดทีวีเราชนดหนะดูดูสักหน่อยนะไม่เป็นไรนะอะไรอ่าค่ะทีนี้ถ้าถ้าเผลอไปวัดเนี้ยค่ะพระอาจารย์เราควรที่จะแบบไปแต้งเขาเลยไหมคะว่าเราตั้งใจมาปฏิบัติอาจจะไม่ได้ไม่ได้ออกมาทําอะไรอื่นข้างนอกนอกกุด กนะ็ต้องคุยต้องคุยกับเจ้าวาดดงกับพระดูเพราะแต่และ ว, วัดเขาก็มีก่อนมีระเบียบไม่เหมือนกันบางวัดเขาก็ส่งเสริมไม่ต้องมายุ่งบวัดเขาบอกต้องมาไหว้พระสวดมนต์ทำวัดช้าวัดเย็นต้องไปช่วยกันทํางานในครอบครัวอันนี้ก็แล้วแต่แต่และ ว, วัดเราต้องคุยกับทาเจ้าวาดดูอ๋อค่ะก็คือเดี๋ยวเราโทรไปสอบถามเขาก่อนอแต่ว่าถ้าถ้าแบบ ถ้ามีกิจแบบที่ที่พระอาจารย์บอกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะพระอาจารย์เราก็มาทำหรือ<ก>ว่าองดูก็ลองไปดูลองไปดูลองไปดูก่อนถ้าถ้าไม่โอเคก็ขับร <laughs> ถกลับออรถกลับสักวัน2อวันดูถ้าไม่โอเคม่าก็กลับไา้อยู่ที่คอนโดได้ <laughs> ได้ปฏิบัติมากกว่าถ้าเอาที่คอนโ ด, ด <laughs> ที่คอนโดอาจจะวิเวไกว่าอ่าั้ <laughs> เดี๋ยวหนูจะลองประสานไปเพราะคิดว่าตรงนั้น ด้านความปลอดภัยก็ก็เพราะว่าเราเคยไปมาแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะน่าจะปลอดภัย ท, ที่ให้ไปนี้ก็เพื่อให้ไปฝึกความลําบากดย <c oughs> ไม่ไม่ให้อยู่กับความสุขสบายเกินไปค่ะท <c oughs> ่านมันอยู่แบบที่ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีเครื่องมือความสุขความสะดวกต่างค่ะ <c oughs> มันจินใจได้ต่อสู้จะได้สู้กับความทุกข์ยากลําลบากบ้างมัน ไ, มได้เกิดสติมันเกิดปัญญาขึ้นมา ไปไปเผชิญกับสิ่งที่อาจจะลําบากหน่อยใช่ไหมคะ<ช>พระใช่ค่ะพระอาจานค่ะงั้นมีเรื่องถามอีกครั้งหนึ่งที่หนูเคยไปปฏิบัติอีกอีกวัดนึงอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่เป็นหน้าผาแต่ก็ดูปลอดภัยหน่อยอะคะ่ะแต่ก็มีมีที่แม่ชีเข้าพาักหรือว่ากางเต็นท์อยู่ทีนี้พอเรากลัวเราก็เลยแก้ ว, วิธีการกลัวโดยนอนค่ะพระาอาจารย์เออไม่ใช่วิธีการแก้ หลับแล้วนะเะเดี๋ยตึงออกมาไม่ใช่อันนี้แบบว่าไม่ไหวละรีบชิงนอนอันนี้พิธีกลัวต้องใช้สติทำสมาธิพุทโธพุทโธมันจะกลบมันจะหายกลัวออืเรีบตรงมาแล้วจะเกิดก็เกิดนะสิ่งที่เรากลัวถ้ามันจะมาฆ่าเราก็ปล่อยให้มันฆ่าเราไปหนหนีนอนได้ค่ะพระอาจารย์นี่ไม่ควรวไม่ควรมันไม่หายแล้วมันหายชั่วงราวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตามมาใหม่โผล่ขึนมาใหม่ ค่ะอาจารย์ครับทีนี้ถ้าสมมติเราไปปฏิบัติจริงๆเราก็ควรที่จะทําให้ได้ได้นานหรือมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ก็เราไปปฏิบัติตแล้วก็ต้องถูกใจให้กับการปฏิบัติอย่างเดียวนอนให้น้อยแล้วก็สลับกันนั่งสมาธิเด้นโยนลมเดินโยนลมนั่งสมาธิเป็นหลักถ้าอยากจะอ่านหนังสือธรรมะบ้าง ก, ก, ก็ได้บางธรรมะบ้าง ก, ก, ก็ได้ บางทีฟังแล้วมันจะได้เกิดกำลังใจขึ้นมาค่ะได้ค่ะพาจ์ตานเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะประสานไปทางนู้นเลยว่าเขาเข า, เขาสะดวกหรือเปล่าค่ะแล้วก็ตัน<อ>เราสน<บ>ใจอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวไปอยู่ได้ไหมไม่อยากจะไปทํากิจกรรมร่วมของคนอื่อนอะไรมนที่ในที่แบบนั้นไม่ให้อยู่ไหค่ ะ, คะได้ค่ะพาร์ตานเดี๋ยวจะลองประสานไปดูค่ะแล้วก็จะลองไปดู ได้ตีไม่ดียังไงก็ค่อย<ช>ค่อยว่ากันต่อไปถ้าเราไม่ไปลองเราไม่รู้ใช่ไหมต้องร อ, อกถอยจะรู้ค่ะเพราะตอนนั้นที่ไปก็ไปกับมีมีเพื่อนไปด้วยแต่เขาเขาเอ า, าจารย์ที่นู่นท่านก็แบบให้ให้เหมือนเหมือนครูบาหรือหรือพระที่อายุไม่มากค่ะพามาฝึกนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ปล่อยตาม อัธยาศัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็ให้แม่ชีมานําเดินตรงกรมนั่งสมาธิค่ะที่เหลือก็ปล่อยเราตามตามอัธยาศัยเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจอะไรมากนักค่ะคดีน่าจะน่าจะได้ปฏิบัติเองได้ค่อนข้างมากอยู่ค่ะดีไปลองดูนะถึงจะดูว่าเป็นดีไม่ดีได้ค่ะพระอาจารย์ ค่ะ <Okay. S 1> วันนี้ไม่มีคําถามอะไรคร่ะเพราะว่าเวลาที่มีคําถามฟังยูทูบพระอาจารย์กระเด้งขึ้นมาก็ได้คําตอบพอดีแบบกําลังสงสัยเรื่องนี้แล้วก็จะมีแบบเรื่องนี้มาพอดีเลยค่ะพระอาจารย์หรือหรื อ, รอฟังไปกําลังคิดคําถามพระอาจารย์พูดต่อก็อได้คําตอบแล้วอะไรเงี้คยค่ะยิ่งฟังยิง่งยิ่งได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพรออาจารย์ดีมีประโยชน์นะค่ะสาธุค่ะเพียงแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะสาธุสธค่ะคนกายพิจะรารณาแผน ทําทำหมอนะห้ยไปหลายที่ในคุณใจพี่ไปทําอะไรมนาะไปขี่กัญญาเนี่ยี่ยยกัญญานะ่เป่าครับอยูข้างนอกครับพระอาจารย์ครับไม่ไมครับวันวันนี้วันนี้มีคําถามครับพระอาจารย์ครับเอเราเราเห็นพระอาจารย์เคยเคยบอกว่าพุโทโธพุธโทโธนี่ใช้ดันใช้ดันจิตเราให้เข้าสมาธิลึก อะไรเงี้ยนะครับผมองใช้ดูก็ก็ได้ผลได้ผลพอสมควรครับแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ดูด้วยเอ่อในตาเรื่องนี้นิดหนึ่ะครับว่าว่าหลักการตรงนี้มันทำยังไงครับหลักการคือจิตของเราเนี่ยมันชอบคิดปรุงแต่งแต่มันจะคิดปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆฮคิดถึงว่าคิดถึงอาหารคิดถึงเครื่องดืง่มคิดถึง ละครคิดถึงที่เที่ยวที่เล่นอะไรต่างมันคิดอยู่นี้นี่เลยเพราะจิตมันมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เลยสั่งให้ความคิดปูแต้มมันคิดไปในทาง น, นั้นนี้เวลาเราม า, น, า, ม า, ม า, านั่งสมาธิเวลาทําพุทโธนี้เราก็หยุดพยายามที่เอาความคิดนี้มาคิดเป็นคากลางๆคือพุทธโธถ้าอยู่พุทธโธไปทำงานมันก็ลืมเรื่องที่อยากจะไปเที่ยวไปกินไปเดินไปดนไปฟังขึ้นมา มันก็เข้าทางในมันก็เข้ า, ขางนั้นมั น, ก, ม น, ก, นก็มันก็สงบมันก็พอมาเน่งมันก็สงบมันก็เย็นสบายมีความสงบกลับเข้าทางในไม่ออกไปข้างนอกตามกระแสของความอยากอยากในรูปเสียง ก, กิน่นแล้วเั้านั้นแหที่เราใช้พุทธโธไม่ใช้กรรมฐานสี่สิมในอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพื่อที่จะบังคับให้ความคิดมันหยุดคิดในทางทางกระแสของความอยาก แล้วแล้วก็เวลาผมสังเกตเวลาเราเราอยู่เหมือนสมาธิมันตื้นตื้นแล้วก็เวลาเราเวรกรรมเข้าไปหยุดแล้วถ้าเวอร์มันมีพลังมันก็จะดันเข้าดันเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าแบบนี้ไหมครับใช่ทีนี้ถ้าเราไม่ไม่เรานั่งเฉยเมันก็เหมือนกับไม่ไม่ดับมันก็เข้าได้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็หยุดมันก็แช่ตรงนั้นแต่ถ้ามนเข้าเรื่องกัแล้วเราก็ต้องดันเข้าไปพดทโธพุทโธพโธ ครับแล้วแล้วเวลาคือคือช่วงนี้เวลาทําบ่อยๆรู้สึกรู้สึกมันจะมีความชํานาญก็เข้าได้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ถูกต้องยิ่งทําก็ยิ่งชํานาญเหมือนกับขี่จักรยานเวลาหัดขี่ใหม่ๆมันก็ยังไม่ชํานาญขี่แล้วก็เราไปชํานาญก็ปล่อยมือก็ได้นอนก็ได้ขี่แบบนอนก็ได้แล้วแล้วรู้สึกสภาวะมันเหมือนเป็นไซเวสไหมครับอาจารย์ผมผมเป็นอย่างนี้ก็คือ คือมันมันจะคล้ายๆกับมันเข้าตื้นแล้วมันก็ไปลึกแล้วมันก็ค่อยๆหลุดออกมาอะไรอย่งนี้ยครับแล้วเราก็กลับเข้าไปใหม่ก็วนไปวนมาอะไรยเงี้ยใชครับก็สติเรามันยังมีกำลังน้อยไงมันเข้าไปได้ตั้งอย่างนี้นมัน ค, ความอยากความคิดนในทังความอยากดันออกมาแล้วเร า, <S <S าใช้สติสร้าง ส, สร้างสติขึ้นมาใหม่แล้วก็ดันมันกลับเข้ามาใหม่ ไอ้ตัวนี้ก็คือถ้าถ้าเราเหมือนเดินจงกรมมากขึ้นเพื่อฝึกสติมันก็เป็นการช่วยเสริมกันได้ใช่ไหมใช่นอกจากเดินจงกรมแล้วไม่ว่าเราทำอะไรแล้วก็สามารถฝึกสติได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกดสุดโทได้หรือดูว่าเรากำลังทำอะไรอย่าปล่อยให้มันไปคิดนะผง อืมก็ก็เป็นการเหมือนค่อยๆสะสมพลังสะสมแต้มไปเรื่อยๆใช่สร้างสเปขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอนั่งสมาธิมันก็จะมีกําลังเยอะขึ้นมันก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นได้นานขึ้นอืมมันต้องฝึกสติใมากๆไม่ใช่มาฝึกแตเฉพาะตอนที่เราเริ่มนั่งเนีย่ยมันไม่กําลังไม่พอครับผมขอบคุณครับ อาจารย์ครับคุณหมอวีเชิญหมอวีรพัน์อาจารย์คะับกลับมาสัการครับเ่วานที่เข้าไปดีครับเมื่อวานที่เข้าไปฟั่งสาอังกฤษครับเอแล้วเป็นไงลองเู่เรื่องรำลามั้ยเป็นยังไงก็ลองดูแล้วครับอาจารย์ก็มีมีแบบไม่สนใจอยู่ได้เป็นพักใหญ่แต่ก็มันก็มีเผลอมาสนใจอีกครับอาจารย์ มันก็จะยังดึงไปดึงมาอยู่ครับผมใช่สติเรายังกําลังไม่มากพอครับฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันก็ไม่สนใจครับครับผมแต่มันก็เป็นปกติใช่ไหมครับอาจารย์คือบางทีมันก็ไม่สนใจได้แต่บางทีมันก็กลับมาอีกมันก็จะดึงไปดึงมา้าไม่มีสติมันกกลับไปถ้ามีสติมันก็ไม่กลับไปถ้าอยู่บนพุทโธุทโธุมันก็กลับไปไม่ได้ครับตอนที่แบบเพ่งแบบเห็นชัดๆอยู่ที่เหนือเหนือ ตรงเดือนเหนือปากขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยจะจะลืมจะลืมเรื่องนี้ไปครับอาจารย์แต่เดี๋ยวแปบ๊บเดียวมันก็กลับมาแต่หลายได้ได้ด้านพอสมควรนะครับก็กลับไปดูรวมต่อกลับไปดูรวมต่อมันจะกลับมาดูน้ำลายก็กลับไปดูลมต่อครับอาจารย์ครับเมื่อวานผมฟังเรื่องที่อาจารย์เทศเรื่องฮัมเบกับกูดวิลอะครับดีดีมากๆเลยครับอาจารย์ แต่ผมเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงคือเรื่อง humble นะครับคือคือเมื่อวานพอฟังพระอาจารย์พูดแล้วก็ก็รู้สึกฟังแล้วตอนนั้นรู้สึกผ่อนคลายเลยนะครับพระอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วผมจะรู้สึกว่าเวลาผมเจออะไรแล้วผมจะรู้สึกว่าผมจะพูดให้คนดูครับเออเออเอมันจะเหมือน เ, เออเดี๋ยวทําให้ดูแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นกุศล น, นะครับอาจารย์แต่ถ้ามีใครที่มามามาม า, มาพูดไม่ดีอะไรเงี้ยผมจะมเดี๋ยวพูดให้ดูแต่เราคิดในใจนะครับพระอาจารย์ และจริงอันนั้นมันก็ทําให้เราสังสงสําเร็จมาจนถึงวันนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์แต่พอได้ฟังพระอาจารย์เมื่อคืนแลก็รู้สึกเออต่อไปนี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วยิ่งสบายไปเลยครับอาจารย์ใช่ก <iek> ็จะเห็นยังไงก็เรื่องของเขาไปไม่ใช่เรื่องเมืองครับผมครับอาจารย์ครับพระอาจารย์แล้วคำว่ากุดนะกุดวิวกุดวเมตตาเมตต า, ตาอ๋อกุดวิวเมตตาครับรมผม อันนี้ฝติ อ, อยู่อยู่แล้วครับอาจารยใ์ให้มีให้มีความเมตตาต่อทุกาาทุกคนทุกเวลล์ครัแลวคำว่าสัมมาทิฏฐินะครับอาจารย์ก็คือเรียนยังไม่เข้าใจบางคำ by understanding อ๋ออาจารย์ใช้คำนี้ใช่ครับเข้าใจที่ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ เ, เป็นสัมมาทิฏฐิ<อ>เข้าใจว่าวิธีหาความสุขที่ถูกต้องก็คือต้องทำบุญร้อมนาสีน้อมภาวนา อันนี่เป็นวิธีครับความสุขที่ถึงต้องคนส่วนใหญ่ยังมีวิจฉาทีท่ติอย่างนี้คิดว่าความสุขอยู่ที่า ล, าลาบมิสนรเสเสรแต่นะครับแล้วกหาราบมิสนรเสเสรที่มันจะสุกก็สุกครั้เดียวสุกตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจพอสูญเสียมันไปก็เศร้าสุขเสียใจคครรัับบ อาจารย์ครับแล้วระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้เราไม่ได้ไปปิดเว่ยเวงเงี้ยนะครับแล้วอย่างผมเองในตอนเช้านั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงตอนเย็นนั่งครึ่งชั่วโมงตอนระหว่างเดินระหว่างวันผมก็ผมก็พยายามรู้สติอยู่อย่างเงี้ยไอ้การนั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยแม้ว่ามันไม่เข้าไปถึงฌานเนี่ยมันก็ยังได้ประโยชน์ไหมครับอาจารย์ครับมันก็ได้ฝึกสติมันก็ได้จริ ส, สติอย่างน้อยก็คอยอยุดกระแสะของความอยากความคิดได้ด้วยได้ได้ครึ่งชั่วโมง ก็ลองเพิ่มนั่งเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่คึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงคอยตัดกระแสของทรามเนี่ยสร้างสร้างกระแสของธรรมเมื่สติพังในการสสติเนี่ยแม้ไม่ถึงความสงบก็ยังดีใช่ไหมครับก็ก็ต้องอาศัยการสร้างสตินี้ก่อนแล้วพอมันเป็มปกำลังมากขึ้นเดี๋ยวนั่นครึ่งชั่วโมงมันก็สงบได้สิบนาทีมันก็สงบได้พอครับผม ที่มันนั่งแล้วมันไม่สงบเพรากําลังของสติยังสู้กําลังของกิเลสไม่ได้ครับกิเลสมันยังคอยคอยดนอันออกมาอย่นั้นได้ถึงกมมึ่ที่มองว่ารู้สึกนั่นอึดอัดนะไม่มีกําลังที่จะนั่งต่ออยากจะลุกนะตามอยากจะลุกนี่ก็เป็นกิเลสนะอยากจะไปทำนู่นทานี่อยากไปอยู่ที่เฉยๆแล้วมันได้ขครับบางทีก่อนเข้ามาก็นั่งไปชั่วโมงหนึ่งกับอาจารย์ครับเ พยายามนั่งไปเรื่อยๆแล้วโชคดีไม่นั่งก็ยงพยายามควบคุมความคิดอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับสิ่งที่เรากาลังทำอยู่ครับครนะับขอบคุณอาจารย์ครับผมจะเจอกันวันอาทิตย์ต่อนะนะไปที่คุณเจริญคุณจะเจอเจรอ ผ่านประชาราชกิจไม่คยได้ชื่ออะไรนัร ก, การค่ะคือจุาลารักษ์เจริญทองค่ะประชค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมอ่าวันนี้จะมาขอพรขอกําลังใจจากพระอาจารย์ค่ะพอดีวันนี้คุณแม่ติดโควิดอะคะ่ะก็กักตัวอยู่ที่บ้านทํำโฮมไอโซเลชันค่ะเดี๋ยจะมาขอพรพระอาจารย์ค่ะก็ขอให้เจ้าค่าปลอดภัยนะะนะ สายไปใน5วัน4 5วันตามกำหนดเวลาขอบคุณค่ะค่ะพระอาจแล้วก็มีมีคำถามอ่ะค่ะ เ, เวลานั่งสมาธิถ้านั่งนั่งไปจนจนความรู้สึกลมหายใจมันละเอียดขึ้นแล้วก็ <c oughs> ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคือต้องเข้าให้ให้ใ ห, ให้ให้จิตให้จิตมันว่างให้ได้ใช่ไหมคะใช่ให้มันให้มันว่างให้มันเน่งให้มันสบายถ้า<ล>อย่างไที่จะเกิดปิตินี่คือจะเกิดขึ้นช่วงไหนล่ะคะพระอาจารย์ก็ช่วงก่อนที่มันจะว่างนั่งไปแรกแรกมันก็จะเจอปิติก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเราทําต่อไปมันก็จะผ่านปิติแล้วเข้าไปสู่ความว่างความเน่งต่อไป ค่ะแล้วก็เคยนั่งแล้วมันรู้สึกว่ามีแสงจ้าแบบว่าเหมือนแบบแสงจากหลอดไฟแต่ว่าเออปกติแล้วแสงมันก็ไม่ได้จ้าขนาดนะคะคือมันเป็นจิตปรุงแต่งของเราหรือเปล่าคะรู้สึกว่าแสงจ้ามังนนอนมากอะไรเงี้ยมันเป็นความปรุงแต่งของจิตเ้าไม่ต้องไปสนใจค่ะขอบคุณค่ะแม่แจ่มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับถ้าเราถ้าเราภาวนาต่อไปเนี่ยเราก็ผ่านเข้าไปสู่ความว่า ง, วางความสงบ ขอบคุณค่ะคุณนอ ร, ร์สักเชิญอยู่ที่ไหนคุณนอรศรักนมัสการอาจารย์ครับว่าว่าภาษ า, า, าลาวได้บอกรึไงได้หรอกครัคนหนึ่งต้องทำหมกู่ <laughs> โอเค uh, ผมอยู่เวอร์จิเนียครับเวอร์จ <Virginia. Okay. S 3> ิเนียคท่นี้อม ที่สาวผมแนะนาให้มารับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ครับแล้วก็ผมก็ได้มาฟังพระอาจารย์สอนธรรมะได้ประมาณสองสามเดือนแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าผมเป็นชาวพุทธประมาณหกสิบสามปีแล้วครับตั้งแต่เกิดเดีย๋ยวนี้ก็หกสิบสามปีแล้วก็เพิ่งมาได้เรียนรู้ พรธรรมขึ้นเยอะแปลว่าเรียนรู้ธรรมะนี้ตอนแก่ครับยังไม่สายเงไปลยนะอาจารยได้ยังมีลอายใจอยู่ยังคราบยังเรียนได้คราวนี้ผมก็ได้สวดมนต์เช้าเย็นกับภรรยาภรรยาผมนี่เข้าสวด ช้าสวดแรงสวดธรรมะครับอานนี้ผมก็เริ่มเริ่มหลังจากเรียนรู้ธรรมะจากพระอาจารย์ก็เริ่มเข้าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็รับสินห้าครับและทุกทุกวันพระก็พยายามรับสินแปดรับได้แต่ วันเดียวก่อนดีดีทำจากน้อยไปหามากต่อไปครับ<อ>เพื่อนสองวันสามวันนะครับเอ่อเอ่จิเอ่ อ, อเดือนก่อนนี่ก็พยายามถือแสนแปดได้เจ็ดวันรู้สึกว่าน้ำหนักลดเยอะเลยก็พยายามทำช้าๆไปก่อ น, นจริงน้าหนักลดก็ดีนะนอกไปไม่ได้น้อยลง เบาวานคำดันอะไรมันจะลดน้อยครับแปลว่าไดเอททางล้อมแต่รู้สึกว่า <c oughs> นั่งสมาธิรู้สึกว่าถึงจะไม่นานแต่ว่ารู้สึกว่าเราจิตใจเรารู้สึกมีความปิติอ่าและก็ไม่มีความเครียด รู้สึกว่าผมโปร่งไปเยอะเลยอย่างนี้ใช่นั่นแหละประโยชน์ที่เราได้รับจากการฝึกสมาธิครับถึงถึงว่าจะไม่นานห้านาทีสินาทีครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าดีใจมากครับแล้วก็ข อ, อขอบคุณพระอาจารย์ที่ว่าผมได้ผ่านมาและได้เรรู้จักพระอาจารย์ครับ้ถึง ถ้พยายามปฏิบัติไปต่อไปนันชาง่าจะหมดลมหายใจเลยนะอย่าทิ้งเนของดีเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ครับครับนมาสการครับอะรับเชิญคุณชุทัศนีก่อนจะปรทุมดานนี้น้องนรมสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคไม่มียงนี้เป็นที่พยรอยิงต่อ เราหญิงอยู่ที่ไหนข้างหลังภาพเป็นภาพหรือว่าเป็นบ้านหรือเป็นอะไรที่ไหนคะภาพข้างหลังเนี่ยตัละนาดค่ะพระอาจารย์อ๋อไม่ได้ไปที่นั่นจริงนะเป็นหนูหนูไปมาหนูไปมาคบค่ะอหนูไปสีลังกามาด้วยพระอาจารย์เนี่ดีได้มากเลยว่าไปก็เท่านั้นทั้งไม่รูทําไม่ปฏิบัติไปก็ไปไม่ถึงไหนใช่ใช่เจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าคะอ่าหญิงเข้ามาเออ่คิดถึงค่ะแล้วก็จะขอออ่ร่วมบุญกับพระอาจารย์ค่ะคดีมีเรื่องยินหน่ายินดีค่ะมีหนูให้เงินเพื่อนไปหนูกะให้ไปเลยแต่เพื่อนคืนเงินหนูหนูก็เลยคิดว่าถ้าเขาคืนหนูจะทําบุญร่วมกับพระอาจารย์เจ้าค่ะได้รู้จักวิธีแล้วใช่ไหมไม่หนูหนูจะเข้ามาขอค่ะเพราะว่าหนูเขียนในไลน์ในอินบ็อกซ์ไม่มีใครอ่านหนูเลยค่ะเดี๋ยวคุณล้ะจะส่งค่ชื่นมาให้ เราแชทที่อยู่ในห้องซูงนี้ก็ว่ามันจะมีแชทอยู่ค่ะแเดี๋ยวมันจะโทร ก, กันมาแล้วก็คุณลาที่อยู่ติดกับคุณนี้ยก<พ>็จะส่งวาลีให้คุณ p a t t e r นสบายดีเหมดเดืนอมนเดิมนะครก็อะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ดีไม่เร็วธรรมการเฉยๆค่ห ะ, ห, ะหนูสบายดีเจ้าค่ะหนูเรียนวาลีเจ้าค่ะโอเคนะเรียนสาทุเจ้าค่ะอคุณมาเลยเชิญ มาเลยอยู่กรุงเทพฮัลโหลกล่าหลวงพออ่อค่ะอตั้งใจได้ยินนะค่ะหลวงพ่ออาทิตย์วันอาทิตย์หลังจากที่ฟังหลวงพอ่อรายการหมอวีเสร็จแล้วอะหนูก็ไปปฏิบัติตั้งแต่ตั้งแต่เจอหลวงพ่อมาหนูว่าอาทิตย์เนี้ยหนูหนูว่าดีที่สุดเลยค่ะคือปฏิบัติแล้วเออตอนแรกอะมันยังมีความคิดอยู่ค่ะหลวงพอ่อ มันรู้สึกว่าความคิดเราตอนที่มันยังไม่สงบอ่ะมีความสุว่ามันคิดมันออกมาจากที่สมองเราแต่พอเราย้อนกลับมาดูดูจิตดูใจเราเนี่ยมันมันมันหยุดความคิดได้ค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็มันเหมือนมันมาจับอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยค่ะตรงตรงอกเราเนี่ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ค่อยๆสงบความคิดมันก็จะไม่ไม่ฟุ้งออกไปแล้วก็สงบแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ย มันมันนิ่งนิ่งแบบว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเออ่เจ็บปวดอะไรมันรู้สึกร่างกายเราเหมือนปกติทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ขยับไม่ได้เคยยือนแล้วก็เรามีสติตลอดตลอ ด, ตลอดที่เรานั่งปฏิบัตินะคะหลวงพ่อแล้วพอเออ่มันจะมีความคิดรเข้ามาเนี่ยมันเหมือนมันจะมีอะไรที่ ตัดออกไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อไอความคิดที่มันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลับมามาอยู่อยู่แบบกับคําภาวนาที่เราคิดอยู่ในนึกนึกอยู่ที่เราผูกเอาไว้เิยแล้วคุมมันไม่อยู่มีเฉยแล้ว ค, คุมไมอยแล้วทีเนี้ยช่วงที่หนูนิ่งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้รู้สึกทุกข์รู้สึกอะไรแต่มันรู้สึกว่าเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในอะไรสักที่หนึงห่งเงี้ยค่ะอยู่ในโลกคิดเนี่ยเข้าไปในโลกคิด แล้วมันมันนานนานจนหนูไม่รู้ว่ายังไงพอพอเสร็จแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยตอนเที่ยงคืนกว่าเลยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. ใจมันอยากจะเหมือนอยากจะเข้าไปนั่งอีกอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แต่ว่าพอดีตอนเช้าตีสีหนูต้องขับรถจากออที่นครนายกอะค่ะกลับมาทำงานที่กรุงเทพก็เลยออกมาตอนประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วทีเนี้ยเออ พอตอนช่วงที่ออกออกมาจากสมาธิแล้วอะค่ะมันสิ่งที่หนูจะเห็นก็คือว่าไอ้ความรู้สึกที่มันดีตรงนั้นน่ยมันมันก็หมดไปแล้วมันเหมือนเกิดขึ้นแล้วมันก็วางไปแล้วอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันเป็นทำใหม่ได้ครับทำใหม่ได้ทาเดี๋ยวเรามีโอกาสแล้วก็ปฏิบัติต่อมันก็กลับมาใหม่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วทีเนี้ยเราแล้วเราจะทา ยังไงว่าเราอยากให้เรามองทุกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยด้วยปัญญาแต่ว่าเป็นความที่เราเข้าใจอยู่ในในจิตในใจเราจริงๆโดยที่ว่าไม่ได้เป็นปัญญาจากการจำหรือการคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วไอ้ปัญญาตรงเนี้ยมันมันต้องทำตลอดเวลาไหมคะหลวงพ่อหลังจากที่เราออกมาแล้วอะค่ะก็ควรจะทำตลอดเวลาเช่นทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยให้มันจาไปตลอดเวลา เวลาคนที่เคยชอบเราด่าเราขึ้นมาเราจะอ๋อมันไม่เที่ยงอย่างงี้ให้แล้วแล้วถ้าเกิดเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่มีอะไรมันเป็นแบบเดี๋ยวมันมันมาแล้วมันก็ไปอย่างเงี้ยมันมันถือได้ก็ได้ก็ได้น้าแต่นะน่าแต่ว่าเขามันเขาชอบเราก็อย่างนึงเดี๋ยวเขาใครอยากทำอะไรก็เฉยห้หมดเนี่ยก็ไม่ต้องทํา้ายังไม่เฉยก็บอกว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้ว แล้วแล้วอย่างท่านที่ที่เห็นเห็นทำแล้วนี่คือจะเป็นแบบนี้ไหมคะหมายถึงว่าต้องเห็นอะไรที่เป็นเป็นปัญญาตลอดเวลาไหมคะหรือว่าก็มันอยเห็นไปทีละเรื่องเช่นเดี๋ยวเกิดวันดีกรณีคนทีคน่คนลัาตายไปนี่มันก็จะเห็นอ๋อเขาไม่เที่ยงนอนาะอ่อแล้ แถ้าเห็นเลือมใจเราไม่ร้องโหม่องไห้ใจเราไม่ทุกขรกแสดงว่าเห็นธรรมถ้าเขาเป็นอะไรยังร้องไห้โอยังอยากให้เขากลับมาอันนี้แสดงว่ายังไม่มาเขาไม่เที่ยงค่ะหลวงพ่อดังนัตอนที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดล้วยังยังไม่เห็นธรรมต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันถึงจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนพ่าเราเห็นจริงเราเห็นไม่จริง อเนจริงเราใจเราจะเฉยว่าอ๋อมันไม่เทียมเพรมันเกิดแล้วดับมันมาแล้วไปมันคือคือยังไม่ยังไม่เห็นถึงตอนอย่างอย่างยังอย่างเหมือนคนที่อยู่กับเราแล้วต้องจากไปเนี้ยยังยังไม่เห็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าสมมุติเรากลับมาทํางานในชีวิตประจําวันแต่ว่าเราเราโดนคนเหมือนคอยแทงเราข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกัน เราห้ามเขาไม่ได้ลรวห้ามเขาไม่ได้หมอเขาก็เป็นเรื่องที่เขาจะเกิดก็เกิดแต่เราไม่ได้ไปตอบโต้เขาอย่างนี้เราถือว่าใช่ใช่ถือว่าเริ่มเริ่มที่จะเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ราะมันเป็นธรรมชาติเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันจะเหมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะแล้ว เ อ, อหนูพยายามทําที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราทํางานทําอะไรชีวิตประจำวันเนี่ยให้ให้เรามีสติคืคอเหมือนภาวนาพุโทโธอยู่ในใจตลอดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาเรากลับมานั่งหรือมาปฏิบัติเนี้ยมันมันเหมือนไวไวขึ้นแต่ว่าค่ะและทีนี้ไอไอความไวเนี่ยถ้าถ้าไม่รู้หนูเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาว่า คือความไวประมาณไหนสมมติกับพิบตาเนี่ยเราก็สามารถกลับเข้ามาคุมจิตเราได้ปกติอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ได้ถ้ามันไวจริงๆมันก็สามารถคุมได้ตลอดเวลาลออมันไม่ทิ้งเลยมันมันคุมแจอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้ว แล้วการที่เราปฏิบัติแล้วเรามาอยู่ในอารมณ์ที่มันนิ่งสงบเป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยเราเราควรจะทําให้มันเกิดบ่อยไหมคะหรือว่ายังไงคะใช่มันตลอดเวลาแต่24โ่นจนหลับมัมันคงไม่ยังไม่ได้ขนาดนั้นต้องได้ถ้าปฏิบัติไปต่อไปมันก็ได้อ๋อค่ะหลงะวงพ่อเป้าหมายของการปฏิบัติก็ให้จิตตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในอุเบกขาตลอดเวลา ไม่เดือนร้านกับอะไรทั้งสิ้นกายนาดากายนะชมกายยะเป็นกายยัตายมเฉยๆไปหมดเนี่ยก็มีอะไรเราก็ทําไปตามหน้าที่ตามอะไรของเราได้งานนี้ก็ต้องทําถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนไรค่ะหลวงพ่อแต่ไม่เดือนร้านถ้าไม่ได้กินไม่เดือนร้านก็ไม่ถ้าไม่ได้กินก็ไม่เดือนร้านไม่ได้นอนก็ไม่เดือนรอนค่ะหลวงพ่ออยู่กับทุกสภาพให้ไดุ้กทุกดีช่วย อะไรก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหมดลมหายใจหมดลมหายใจก็ <c oughs> ก็เฉยไปใช้กับการหมดลมหายใจไปเฉ ท, ท, ทุ ก, กทุกเกิดทุกเรื่องทุกกรณีเกิดแก่เจ็บตายเฉย ห, หมดหลวงห่อคะแล้วช่วงก่อนหน้าเนี้ยหนูหนูปวดที่หน้าปวดที่หน้าค่ะมันมันหนักไปข้างหนึ่งนยคะ่ะหนูก็ทนมาประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยหนูก็เหมือนแบบ ก็อยากปวดอยากเจ็บก็ปล่อยไปอะไรงะไเงี้ยค่ะแลยวมันก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปแล้วหนูก็มา น, นึกถึงว่าอ่ะถ้าถ้าดูเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าถ้ารักษาได้อ่ะดูแลก็ดูแลไปหนูก็เออไปไปตามสภาพที่ว่าเออถ้าเราเรารู้สึกมันไม่ไหวก็อ่ะไปก็ไปหาหมอมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ก็กินยาไปตามสภาพแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดิ้นรนขนาดแบบเอออยู่ไม่ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยคือหนูก็ปล่อยปล่อยมาจนนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อจนจนรู้สึกว่ามันกระทบเราก็คิดถึงสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีหมอท่านก็อยู่กับท่านได้ไม่มีหมอก็อยู่กับมันไปรักษ <Atlas> า, าได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปค่ะหลวงพ่อหนูหนูก็เอ้ถ้าเกิดจะเป็นคือพ่อหนูเสียแล้วเขาเป็นมะเร็งอ่ะค่ะ สมวพอเขาเป็นที่ข้างหน้าเนี่ยคะ่ะหนูก็นึกว่ามันจะเป็นกรรมพันธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เออไม่ได้ไม่ได้ไปดิ้นรนอะไรกับมันมากก็เลยปล่อยมันมานานแล้วแต่ทีเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันจะอ้ะปาปากไม่ได้เงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อ ก, ก็เลยอ่ะไปลองลองดูว่ายังไงถ้ารักษาได้ก็รักษาไปอะไรเงี <K> ้ยค่ะก <K> ็ได้ตามตสบายดูที่ใจแล้วว่าไม่ไม่วุ่นวายก็แล้วแา่ไม่เดือดร้อน รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปค่ะพ่อได้ค่ะพ่อให้มันถ้ามันใช้กับทุกเรื่องทุกอย่างนะนะความหมายของการปฏิบัติคือไม่ได้รีบตื่นเต้นว่าจะต้องไปออะไรอย่างเงี้ยคถึงเวลาถะดกไปก็ไปหมอหน้ามีเวลาต้องรอคิวก็รอไปค่ะแลพ่อคือคือก็ทําไปตามสภาพ ตามเหตุตามปัจจัยนั่เรียกว่าค่ะหลวงพ่อคือมันมันเหมือนใจก็ได้วางลงได้ใจไม่วุ่นวายใจไม่เครียดจะไม่เดือดร้อนใช่ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อวันวันนี้หนูก็มารายงานหลวงพ่อประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อพยายามทําใจแบบนี้ให้ได้ตลอดนะค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกดีใจที่มันเหมือนไม่เหมือนเหมือนก้าวหน้ามันเหมือนดีดีขึ้นนะค่ะหลวงพ่อพยายาม มันจะมีกำลังใจเนี่ยพอมันเจ้าลาไปแต่ละคั้นเนี่ยมันก็มีกำลังใจมีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้ได้เหมือนคืนวันอาทิตย์นั้นมันเหมือนมันมันมีแรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่เหนื่อยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นอยากจะกลับเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็พยายามจะวางใจเวลาเรามองอะไรหลายๆอย่างให้มันเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็จบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ พยายามพยายามที่จะทำตลอดนะคะหลวงพอ่อ okay. ดีทักต่อไปนะค่ะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ ะ, ะกิจการเชิญกิจการกลับบ้าน้วเลอพาลูกสาวมาครับนรมัตการครับไปตามคุณแม่มาเลยครับก็ขึ้นไปขึ้นเขามาครับหลวงพออ่ออเป็นยังไงก็คืนแรกก็ ลงลงมาเดินเดินลงมาครับเดินลงมาจากเขาวันแรกครับเดิกับเดิกับพระเดินคนเดียวครับอก็ก็ได้ต่อสู้กับความกลัวครับแต่ก็รับไปได้ครัได้ฝึกสติครับอแล้วก็ได้ปิดมือถือทั้งหมดสี่วันครับผมพ้ออครับก็พอดีวันอาทิตย์เนี้ยครับผมพ่อ ลูกสาวจะสอบเข้าม อ, อนหนึ่งครับก็เลยมาขอพรครับก็อยู่ที่ตัวเขาเนะี่ยถ้าเขาพยอยามเขาไม่ได้เขาที่เกลียดเขาก็ไม่ได้ครับเราไ ม, ม่เราไม่เกี่ยวเราก็พูดได้ขอให้ได้มันก็เป็นแค่คําพูดนะไรใช่ไหมครับมาขอกําลังใจส่วนจะได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาตั้งใจเรียนหรือเปล่าตั้งใจเรนหนังสือหรือเปล่านะหนูอยากจะได้หนูต้องดูเยอะๆใช่งนี้นะ ไม่ดูอย่างอื่นเลยดูแต่นังสืออย่างเดียวเดี๋ยวก็<ช>ได้เขาก็จะทดสอบความรู้ความจําของเราว่าเรารู้ไหมจําได้ไหมสิ่งที่เราเรียนมาก็เตรียมตัวมาพอสมควรแล้วลูกทำให้เต็มที่นะอะจแม่อยู่ข้างหลังเลยคแม่สนใจทำมากมากกว่ายังยังไม่ได้ค่อยได้ศึกษาค่ะแต่ก็ฟังเวลา เวลาพี่เปิดอะไรเงี้ยค่ะเอ อ, อก็ลองติดตามดูนะเอาเท่าเล็กเท่าน้อยให้มันค่อยซึมเข้าไปในใจเป็นของมีค่ามากนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเงินทองนี่พึ่งไม่ได้นะธรรมะนี่พึ่งได้เงินทองวันใดวันหนึ่งนั้นอาจจะหมดได้นะหมดแล้วก็จะเสียใจจะเศร้าใจธรรมะนี่ถ้ามันเรามีแล้วมันจะไม่จากออกไปมันจะอยู่ เป็นที่พึ่งมาเราไปตลอดพยา <Yeah. S 2> ยาม <Yeah. S 2> เห็นคุณค่าของธรรมะแล้วพยายามปฏิบัติเอาเข้ามาเป็นสมบัติของเราให้ได้ <Yeah. S 2> แล้วเราจะมีแต่ความสุข <Yeah. S 2> ทางโน้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นได้ถ้ามีธรรมะตั้งใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนได้กับดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างโน้นเนี่ยสอบเข้าได้ก็เข้าสอบเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ไม่ได้เข้าไม่เดือดร้อไม่แช่นะนะฮะเราก็อยู่เรียนที่อื่นก็ได้ไม่ได้ไปอยู่ที่เดียวในโรงเรียน่งที่ น, นีใช่ไหเนี่ยคือทำนะสานให้เราอย่าไปยึดติดกับอะไรมากเกันไปเดี๋ยวไม่น่าเราจะเสียใจเองมองให้กว้างว่า ม, ามนันไม่ใช่มีโรงเรียนเดียวะช่ไหมครับ <c oughs> แล้ววันนี้เด็กเข้ามาเยอะเลยนะครับผมก็ ใช่นี่เด็ก็ชวนกันเข้ามาเปนเพื่อนเดือนเดียวผมเข้าซูมครั้งแรกก็เห็นน้องที่อายุสิบเอ็ดอ่ะเด็กผู้ชายก่อนหน้านั้นอ่ะพัฒระอะไรนั่นอ่ะพัฒระด้านก็เลยเข้ามาครั้งแรกแล้วก็เข้ามาตลอดครับก็เนี่นชวนนุ่มๆเข้ามาฟังเขาเก็บได้าสมน้อยไปบางทีคาว่าเป็นของไม่ยากเหมือนวิชาต่างๆที่ยเรียนเอาเรียนเนี่ยครับ ก็ให้นั่งสมาธิอยู่รับก่อนนอนครับ อ, อ่เดีครับโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไ้ยครับไม่มีครับสาธุโอเคอห็นไป <c oughs> ที่คุณฟังเมไรต่ะฟังอะไรเช่นนมาสการเจ้าค่ะเอมเมื่อวันอาทิตย์เจ้าค่ะได้มีโอกาสถามพระอาจารย์ในภาพภาษาอังกฤษเรื่องของการถือสินแปดแล้วก็หนูค่อนข้างมีความกังวลเรื่องของการการทาผมเลยค่ะทาแป้ง ทีนี้หนูก็เลยเอามานั่งนึกถึงว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเน่ยเราก็ถ้าเรามีความกังวลตรงนี้เยอะวัดถ้าต้องมาทํางานหนูก็จะเปลี่ยนวันถือศีลแปดไปเป็นทุกวันอาทิตย์เจ้าค่ะเออเพราะการถือศีลแปดเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ไปทํางานไม่ไปเกี่ยวข้องกับชานโลกค่ะอย่างวันเนี้ยค่ะก็เป็นวันวันพระหนูถือศีลแปดหนูหนูหนูก็มานั่งเพิ่งจะมานั่งคิดจริงๆว่ามัน มาทํางานด้วยเราก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรหรือโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวสิ น, น่าก็พอถ้าทํางานค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจอย่างเช่นวันพาตั้งใจแล้วเนี่ยอย่างเช่นสินแปะแต่ว่าอาจจะไม่ครบเนี่ยเจนะคะ่ะก็ได้ก็ถือว่าสินถือสินหกสินเจ็ดไปก็ได้ค่ะนี่เราไม่ถือค่ะเหมือนเหมือนมันติดแล้วจ้ะคะ่ะ อดีกถือให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้ข้อนายที่มันยังมีอยู่ประสาทว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการงานการอะไรแล้วก็แล้วก็ยกเว้นไว้ก่อนค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเออเมื่อวันศุกร์พอดีเจ้านายหนูเขาเขาย้ายงานแล้วก็ไปทานเลี้ยงกันก็ไปตามมารยาทเนาค่ะทีนี้มีการาดื่มวายหนูหนูก็ เคยถามพระอาจารย์ไปนานแล้วเป็นภาคภาษาอังกฤษว่าเมื่อก่อนหนูก็ใช้วิธีที่เขาบังคับให้หนูดื่มหนูก็จะใช้เป็นปากนะไปโดนเพื่อให้เพื่อแก้งแก้งทำว่าดื่มไงค่ะแต่ตอนหลังพอมีการคุยกับกับเจ้านายว่าหนูค่อนข้างซีเรียนเรื่องนีค่ะเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยเขาก็เลยไม่บังคับพอเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เป็นการการทานวาที่เขาลินวายให้แล้วหนูก็ไปชนไปชนตามมารยาทเสร็จปุ๊บหนูก็เอาวายไปยืน่นให้เพื่อนร่วมงานแล้วหนูก็บอกว่า พี่กินให้หนูหน่อยทีเนี้ยหนูก็เลย ม, มานั่งคิดว่าเออหนูเป็นการโยนเอาบาไปให้เขาไหมเจ้าค่ะแต่ก็ยินดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะเขาก็กินของเาอยู่แล้วแค่โอ้แต่ <laughs> เขาไม่กินแล้วย่เราไปไปโยนน ะ, ะ <c oughs> ไปบางท่านเขากินทานเรามันก็ไม่ถูกแต่ล้าเขาดื่มอยู่แล้วแล้วก็เราให้เขาเพิ่มก็กลับดีใจเขาถ <c oughs> <พอ S 2> ้าก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเลย แต่ถ้าคิดว่าเป็นการโยนแบบก็เทจริงก็จะวางไ่้ชี<ม>้เฉยก็ได้วาไว้ชีช้เฉยค่ะได้ค่ะแต่อันนี้ก็ก็เหมือนกับเป็นการโยนให้เขาผิดสินหใช่ไหมการไปชื้เสีอรายก็เดื่มก็ไ ม, ไม่ไม่ควรอ๋อได้คะ่ะทีนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งคือเวลาเป็นช่วงซีซันกรีตติ้งอะคะ่ะต้องต้องถือกระเช้ า, ชาไปให้พวกข้าราชการยังยังคงมีประเพณีที่ต้อง เตรียมไว้ไปให้อยู่ไงเจ้าคะ่ะแต่ว่า<ต>เราอะ่ะ เ, เแต่ ม, มันเป็นงานจ้าเราหน้าที่ของบริษัทเนี่ยวไม่เกี่ยวกับเราอแต่ถ้าเป็นของเราเองเราเรล่อกไเราก็เลือกไม่ต้องซื้อของที่มันเป็นโซลาร์เป็นไปให้เขาก็ได้ค่ะไช่เจ้าค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะเจ้าค่ะเออจะนึกถึงเรื่องของไตหลักค่อนข้างเยอะเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนเนะ่ยเออหนูก็นอนฝันว่าหนูเห็น ดาราคนหนึ่งแล้วหนูก็ไปเห็นขอโทษนะเจ้าคะ่ะเห็นอวัยว ะ, วะเพศของนาราผู้หญิงนะคะของเขาแล้วหนูก็มองหน้าสอบกันไปเอ่อในฝันคือมองว่ามันหน้ารังเกียจไงเจ้าคะ่ะแล้วก็เหมือนไปเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเช็คอเอาท์ปรากฏว่าสิ่งที่ที่เราหันมาคือมันเป็นพื้นที่โล่งๆเหมือนลานจอดรถไงคะ่ะทุกอย่างมันคิดเป็นไตหลักหมดรวมทั้งตอนทํา ง, งานด้วยนะเจ้าคะ่ะมองพนักงานมองทุกอย่างมองอาหารทุกอย่างเป็น ของไม่เที่ยงหมดอันนี้ก็คือเหมือนกับที่ที่มารีบอกไว้ก็คือมันเริ่มมีการเริ่มใช้ปัญญามาคิดแล้วใช่ไหมทระใช่คิดว่าไม่เที่ยงคีดว่าไม่มีตัวตนอะไรแนี้ับไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างเป็นปัญญาค่ะก็ยงคิดว่ามาคิดว่าทุกอย่างนี่มันเป็นทุกข์ก็เป็นปัญญาเป็นเห็นเงินก็เป็นทุกข์เห็นเห็นอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดก็เป็นปัญญา ช่ค่ะเจ้าคาะหนูหนูมาทํางานแล้วหนูคิดว่าหนูมันเป็นทุกข์มากหนูไม่อยากจะทํางานอันนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันนี้อ<ม>าจจะเป็นกิเ<ห>ลสก<อ>ไดนะ้เพราะว่าการทํางานนี่บางทีมันมันจําเป็นต้องทำถ้าไม่จะทุกข์ก็ต้องทำถ้าถ้าคิดว่ามันไม่เป็นทุกข์จริงๆก็ออกจากงานแล้วก็ไปไปบวชแทนนี่ก็ก็เป็นปัญญามันค่ะเดี๋ยวขอขอสักประมาณสี่ห้าปีเถค่ะ เออค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะถึงมัชีนับภาชเชอร์วัลโสกาลามได้ไหมากำหุดเวลาเปิดไม้หรือยังพูดได้ยังอ่พูดได้เลยเชิญไม่ไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะถ้าวามาพาร่วมฟังนะเจ้าค่ะโอเคเอางั้นก็ไปที่คุณคัชยสบายดีใช่ไหมเจ้าคะ่ะสบายดีจ่ะยังหายใจได้ คุณคันจิตเชนคันจิตอยูที่ไหนองกราบน้ำพสการนะครับอยู่ใต้ใตวั น, วนครับใต้วันครับอัหายได้เข้าเข้ามากราบป้าจารย์ครับได้เข้ามาหลายอาทิตย์แล้วครับปกีิโอทมโอครับเป็นไงช่วงนี้หนาวไหมนึนไม่หนาวแล้วก็หนาวครั บ, รบสองสาวันวันนี้ร้นครับ วันนี้อุ่นขึ้นมาครับมีอะไรไหมอยากจะถามอะไรป่าไม่มีครับเข้ามาร่วมฟังทางกับพระอาจารย์ครับเันไปที่ท่านต่อบไปเลยนะคนประวิทย์จากสท็กสาธุสาธุครับพระอาจารย์กาบน้ากาครพาพจารย์มาจะมาทวงครับไอไอแอปเปลมันใสให้ใสไอปรับเครื่องอะไรครับเนี่ยไอ คำถามคำตอบของพระอาจาย์หายหมดเลยแล้วก็เมื่อวานอาทิตย์ก็เลยอดฟังคุณหมอถามคำตอบ uh. นี่อยากจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาเพราะที่นี่หรือว่าเป็นปัญหาที่เมืองไทยครับความเป็นที่นัน่นเพราะที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรนเข้าได้ครับ เ, เพราะมันถูกตัดออกหมดเลยปัญหาของของพ่อที่ว่าประมะบนเขาเอ่ยแล้ววันอาทิตย์เอ่ยหายหมดเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปใหมห่เลยมั น, นอาจจะเป็น เพราะมันทุกที่มันจะขึ้นมาเป็นเป็นเป็นไลน์ขึ้นมาให้เราเห็นว่าพระอาจารย์ออกมาแล้วอะไรเงี้ยนี่มันถูกรอย Apple มันสร้างไอ้ปะเทคป้องกันใหม่เนี่ยมันเข้ามาปุ๊บอาทิตย์นี้เลยหายหมดเลยไม่ได้ฟังอะไรพระอาจารย์เลยทักอ่นคือรับเินไม่ได้เหราเห็นเข้าไปในเฟซบุ๊กไม่ได้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาเขาปรับของเขาเองไม่ใช่ผมเนะยของไอ้แ p ปเปมันปรับไปในสิบสิบจุดสอะไร protection ทีนี่ปุ๊บ ตัดของพระอาจารย์หายหมดเลยก็ต้องก็ต okay. like. yeah. yes. okay. ้องล้องยินใหม่ร้องยินใหม่แล้วก็ใช้แล้วก็ออกเทนติเคชั่นใช่ไหมมีตัวโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมอ๋อเลยอดฟังธรรมะวันวันอาทิตย์เลยก็ล้องยินใหม่แล้วต่อไปก็เข้าได้พอใส่พาร์หน่วยเข้าไปแล้วมันให้ออเทนติเกตแล้วก็แล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราเข้าไปเฮ้เบอร์ที่ค้ณเขาส่งมาที่มือถือเรา โอเคครับเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะทำ เ, เข้าไปใหม่ครับมาอะไรอดฟังทั้งอาทิตย์เลยทอทํามวันนี้เข้ามาได้อันนี้ก็นี่นี่นี่เอาเอาเบอ ร, ร์เก่าเข้ามาครับผมก็เอาใช้เบอร์ของคุณพ่อได้หมายถึงเบอร์เบอร์เก่าหมายถึงอะไรหมเบอร์เบอร์ที่สมัครเข้าที่จะเข้าไปรับฟังทางซูมครับอ่อใช้ทางซูมเข้ามาทางซูมได้แต่ทางเพซบุเข้าไม่ได้ ครับหายหมดเลยครับไ อ, อไอแอปเปิปรับไอวิธีป้องกันอะไรของมันปุ๊บอาทิตย์นี้เลยอดอดฟังเลยมันจะป้องกันไม่ให้คนอื่นนักรอบเข้าขมาใช้บัญชีเราเลยใช่ครับเ ข, เขาเขาเข้ามาเมื่อเมืวันเสาร์เมื่อวันที่เลยอดฟังธรรมะบนเขาหมดเลยก็ันวันนี้เขาเปิดฟั ง, าางนานนะขอบคุณพระอาจารย์ที่ช่วยเหลือคนทั่วโลกน้อยคนที่ทํามากครับขอบคุณพระอาจารย์ที่เอาเวลามา ช่วยเหลือมูนชาติครับครัี่วจาร์ยินดีลองดูนะงานอาทิตย์หน้าใคยมาไลายฟังเข้าได้ป่าครับผมครับผมไปที่คุณเกติพจน์เนี่ยคุณติพจน์อยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับพรอาจารย์นี่เป็นครั้งแรกครับผมอยู่กรุงเทพครับรเป็ น, น, น ท, ที่ที่มาฟังก็คือจะมา รายงานมีสองเรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องฝึกสติว่าจะมาให้พระอาจแนะนำว่าที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องไหมกับเรื่องที่สองเป็นเรื่องสมาธิครับเอาเรื่องแรกก่อนครับเรื่องสติครับก็คือว่าผมเนี่ยเอฝึกสติอนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกพยายามฝึกสติไปปุ๊บทีเนี้ยระหว่างวันนะครับมันจะไปเห็นว่าเอสติอ่ะมันจะเกิดขึ้นเองเวลาที่มีอารมณ์แรงๆเกิดขึ้นเช่นตาไปกระทบลูกที่ไม่ถูกใจแล้วเกิดความโกรธเกิดขึ้น สติมันก็รู้ไปเลยว่าเกิดความโกรธแล้วแล้วมันก็มีเหมือนมีอีกอันหนึ่งอ่ะขึ้นมารู้ว่าเออ่เมืม่อกี้นายโกรธไปแล้วนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งขึ้นมารู้ว่าไม่ชอบไอ้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นว่าเราอ่ะไปโกรธเขาใจเหมือนมันมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบความความโกรธที่เราไปโกรธขึ้นเราไม่ควรจะไปโกรธเขาอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเห็นว่าเออ ไอ้อความไอ้ความที่เราไม่พอใจเมื่อสักครู่เนี้ยมันหายไปแล้วนะแล้วก็เกิดเป็นความพอใจว่าเออเนี่ยพอเราพอเรารู้ทันปุ๊บเราก็ไม่ไปดับไม่ไม่ได้ไประบาดความลายกาดให้ให้กับข้างนอกครับอันนี้อันนี้คือเรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นในในประจําวันครับส่วนใหญ่จะเห็นอารมณ์ที่มันร้ายมากกว่าอารมณ์ที่มันดีครับอารมณ์ที่มันดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ดีใจมากๆเรียงเช่นเออพี่ๆคนอื่นเขาส่งกันบ้าน พระอาจารย์แล้วก็มีการาถามพระอาจารย์ภาษาทุกขสุขหรือว่าพระอาจารย์เนี่ยสบายดีไหมไงครับมันก็เห็นว่าเออใจเรามีความสุขเพราะว่าเร า, เรายุดร่วมยินดีกับเหตุการณ์ที่มันมากระทบทางตาครับที่มันเหตุการณ์ทุกอย่างมันกระทบเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็มีส ต, ติตามขึ้นมาไปเรื่อยๆกับสภาวะที่มันเข้ามากระทบอะครับพระอาจารย์คื อ, อให้มันให้มันมีสติและให้มันเฉย เสมออะไรมากระทบใจแล้วเราก็ต้องเฉยให้ได้ครับถ้ายังไม่เฉยสแสดงสติเรายังไม่ทันนะครับเอ่ามีแล้วก็เป็นเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องสมาธิครับก็คือว่าเวลาทําสมาธิอะครับอาจารย์เอ่อก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆปุ๊บสักพักหนึ่งพุทโธก็หายไปแล้วก็มีแสงแสงก็หายไปแล้วก็ทีนี้หายไปหมดเลยครับ แล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะวุบเหมือนตื่นขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันแบบมันเหมือนจะมองเห็นว่าร่างกายเนี่ยครับนั่เขานั่งอยู่แต่ว่าเราจะอยู่อีกอันหนึ่งที่มองดูร่างกายอยู่นะครับพระจะก็ไม่ควรที่จะไปสนใจเรื่องราวเหล่านี้อยู่กับพุโทโธไปจะดีกว่าครับก็กลับมาพุโทโธนะครับพุโทโธไปอย่าให้พุโทโธหายเพราะพุโทโธจะพาให้จิตเราเดินเข้าสูาส่ความสงบได้ ครับก็วันนี้ก็มารายงานผลที่ไปทํามาประมาณนี้ครับเออก็เด็กก็ฝึกสติไปเรื่อยๆนะพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งขณะที่นั่งก็ไม่ได้นั่งก็มีพุโทโธไปเรื่อยๆเรื่อสติเราจะมีความวขึ้นหน้าอะไรมากระทบก็จะเฉยไดค้ครับขอบคุณครับอาจารย์คุณมเณ ม, เณมเล็ดเชนเมล็ดกอธรรมกาวนมันสการครับหลวงพ่อ ก็วันนี้ก็มาฟังเฉยครับหลวงพ่อีดวัคซี้ันเสร็จหรือยังครับีแล้วีดแล้วเสร็จแล้วก็ฟังธรรมก็มาฟังธรรมก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านแค่แค่นี้เขาขอหลวงพ่อแข่งแตงโอเคสาธุเ็นกุณฑนนะัทวุธต่อล้ก็ธรรมอ ร้างแบบธรรมสถารครับท่าเข้ามาฟังธรรมเช่นกันครับอ่าไม่มีอะไรนะคุณรอสบายดีนะแบบนี้ยังไม่มีคําถามผมสบายดีครับเราพยายามไปยังจะเรียนยังสติอยู่นะฝึกสติไปเรื่อยๆใช้ชีวิตประจําวันครับพยายามอยู่กับการนี้เป็นการท้าทายการฝึกสติในชีวิตประจำวันนี้ก็เป็นการท้าทายพอสมควรเราสามารถทาได้ใช้กิจให้มันไม่ไปไปติดไปไปมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆได้นี่ปะ ใช่ครับพราะมันมีเรื่องที่อะไรเข้ามาอะไรเต็ไมไปหมดเลเราต้อง <us it> พยายามก็ครบใช่ค <us it> รับที่มากก็เลยคุมมันไม่ค่อยอยู่ <us it> ใช่ครับใช่ครับแต่พอในใต้ก็จะพยายามกลับมาพูดถ่หรือว่าถ้ารู้รู้ตัวอารมณ์มันเริไม่ดีก็จะไปรัผษาพยายามพยายามจะมีอยู่เท่าั้นได้อย่างนั้นก็คงได้มันอยู่ในระดับที่เป็นปกตินะ แต่อตอนเช้าไปผมก็จะพยายามทับขาบางก็ต้องมุ่งเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่วววพวาพอไปคุยคุยก็เอาโทรศัพท์มาสักพักมันก็เริ่มหายแล้วก็เริ่มอัไม่ได้แล้วก็จะพุตัวก็มาเริ่มไปอยู่กับเรื่อง น, น, นี้แล้วจิตโอเคไม่มีคําถาอะไรนะคุณบมอตามไม่ไม่มีนะโ okay. อเคไปที่ทค <น S 2> ุณสภาจจาระ ดัลลัสเท็กซัสไหมขบกลับนรรมการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อแล้วลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะเฉยๆไม่มีอะไรมาเล่าไ ม, ไ, มไม่มีอะไรสนุกสนกให้เล่าฟัง <laughs> ช่วงช่วงนี้ลูกอ่าลูกรู้สึกหนักสงใสัดูข่าวเยอะไปทุกค่ะห่วงเรื่องยูเครน UK นะ <laughs> เชื่อค่ะก็ะเลยรู้สึกรู้สึกความแตกต่างเลยว่าเออพอเรารับข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยมันมันหนกักมันหนกักแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เอาไม่อยากรับแล้วมันหนกักอยู่แบบที่พระจารย์สอนดีกว่าจะคําเบากว่าเยอะใช้ปัญญาเสรยเวลามันไปห่าเนี่ยโลกนี้มันทุกข์อย่างเงี้ยกกิบมาแล้วมันต้องทุกขเนาะค่ะไม่เที่ยงจริงจริ อ, อยู่มาวันใดวันหนึงก็ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ชัดเจนเลยเจ้าค่ะเห็นแล้วแบบมันเป็นข้อทดสอบแล้วเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเราถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราจะรู้สึกยังไงเราเฉยได้มเราปรับตัวให้อยู่ในสภาพนั้นได้ใช่เจ้าใช่เจ้าค่ะก็ก็ก็คิดทํานองประมาณนี้เหมือนกันเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็รู้สึกหนักรู้สึกใจมันขุ่นมัวแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งใจมันเหมือนแบบมันหงุดหงิดแล้วมันอยากจะระเบิดออกมาเจ้าค่ะมัน มันมีความระเบิดแบบข้างในว่ามันอยากจะระเบิดแต่ใช่เจ้าค่ะแต่ลูกก็แต่ลูกก็แบบดูกาแบบคือคือรับรู้ความรู้สึกนั้นแต่ก็ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เจ้าค่ะก็ใช่ใช่เจ้าเจ้าค่ะก็ก็อย่างเลยเจ้าค่ะก็ก็บอกเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ถ้ามันจะระเบิดก็ให้มันระเบิดแค่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เห็นทั้งความสุขแล้วก็ความ ทุกที่มันจะระเบิดออกมาอยู่ที่อยู่ที่ทำกับที่เหล็ว่าตัวไหนมันมั น, ม, นมันแรงกว่ากันเจ้าค่ะแล้วก็จำคำที่พระอาจารย์สอนเสมอเจ้ค่ะว่าถ้าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าอย่าไปโทษใครให้โทษตัวเองแปลว่าเราสติน้อยแล้วให้รีบฝึกสติถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือให้โทษตัวเองว่าสติเราน้อยแล้วเจ้าค่ะลูกก็พยายาม กลับมายึดสติต่อแล้วก็เนี่ยเจ้าคะ่ะก็เห็นความทุกข์เห็นความหนกักเห็นความอะไรหลายหลายอย่างเจ้าคะ่ะในใจมันทํางานของมั น, นเจ้าค่ะเห็นตายร่างเห็นทุกข์เห็นนันทิจังเห็นนาฬตาแล้วใจก็จะสงบเจ้าค่ ะ, ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณเทคุณเทไอโฟนสองพีสองหนึ่งตาขึ้นแล้วที่อยู่นาเกลือเนี่ยชื่อพรชัยร้านพรชยัย ใส่ชื่อใครเข้าไปมันเทไอโฟนอาหนไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรอคะพอาจารย์มันมันเขียนว่าเทไอโฟนแล้วค่ะวันนี้ก็เข้ามาฟังพระอาจารย์นะคะแล้วก็พยายามฝึกสติแต่ก็ยังมีไม่มากค่ะพระอาจารย์ฝึกไว้นี่เด้เดี๋ยวมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูทําถงนะคะหนูนั่งฟังพระอาจารย์แล้วก็ทําสมาธิแล้วก็ใจจดใจอยู่กับ การฟังผ่าอาจารย์หนึ่งเนยค่ะใช่เอาการฟงังนี้เป็นอารมณ์แทนดูลมไม่ต้องดูลมถ้าฟังเทศก็เอาเสียงฟังเอาเสียงเทศเป็นอารมณ์แทนค่ะแต่มันก็ยังได้กระท่อนกระแท่นแล้วก็วันนี้ก็มีหลุดไปเหมือนกันพ่าอาจารย์ไปติดตามข่าวสารบ้านเามืองเยอะอไปไหนก็เหมือนเด็กเด็กน่อม ล, ลูกคู่คาสติใหม่ๆก็เหมือนเหมือนเด็กอ่ะน่ม ล, ลูกคู่คาเหน๋ยวเผอเหน๋ยวตั้งเหน๋ยวเผอ อะไรปกติก็เดินกลับเข้ามาค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพระอาจารย์ก็เข้ามาฟังค่ะโอเคเนี่ยไปที่คุณกิติศักดิ์ต่อคุกิติศักดิ์ที่กอทมอยกิติศักดิ์นมัสทานครับพระอาจารย์ถราบอยู่พอทมครับอมีอะไรไหมทราบขออนุญาตถามพระอาจารย์ข้อสองข้อคอรับเรื่ โน่นก่อนได้นั่งสมาธิเหมือนประจำทุกครั้งแล้วก็พอมอีจิตสงบลงนะครับแล้วพ็สักพัเราก็อยู่กับความสงบแล้วหลังจากนั้นพอเราออกจากสมาธิก็เลยนั่งอยู่กับที่เอไม่ได้เปลี่ยนท่าทางก็คิดว่ามันสงบแล้วก็เลยคิดถึงเรื่องอร่างกายขันท่าก็เป็นร่างกายกับทางเจิต นี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับก็คิดทีนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะทราบด้วยอะไรว่าเร า, เาละสักกายทิฏฐิได้แล้วจริงๆหรือว่าเราใช้แต่เพียงความเข้าใจอยู่ในขณะนี้นครับเราเราก็ต่อเราไม่ทุกกับขันธ์ห้าว่าเราไม่ทุกกับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายจะ ตกอยู่ในสภาพนะเช่นเป็นอยู่ที่ยูเครนตอนนี้ก็ไม่ทุกกับเร่เครนบเรียกว่าปล่อยคือเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เรามาอาศัยมันเป็นเครื่องมือพาเราไปดูไปฟังไปกินไปเดิงไปเล่นอะไรต่างๆนีนต่ตอนที่พิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วนะครับก็เห็นว่า มันมีสองส่วนคือตัวกายกับตัวจิตตัวกายก็มันจะไล่ไปตามที่อาจารย์เคยสอนเลยครับ mm hmm. กายก็เป็นนินน้ําลมไปมีธาตุอ๋อแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณหมุนว น, นอะไรคือคล้ายๆแบบมันจะแยกเป็นส่วนๆแต่ผมอาจจะไม่ไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นการพิจารณาด้วยสัญญาหรือว่าเราเข้าใจถึงการลักละสักกาย ท, ที่จริงๆนะครับ อ๋อยังไม่แน่นแล้วคริสต์แต่เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจให้ดูว่าร่างกายเป็นอย่างไรนามขันคือเวทนาสัญญาสังการเป็นอย่างไรค่ะการที่เราจะละหน้านเราต้องดูต้องเข้าใจว่าถานตัวเองว่าร่างกายนี่มันเป็นตัวเราตรงไหนเป็นมาเมื่อไหรนี่อยู่ดีๆเราไปตู่มันขึ้นมาว่ามันเป็นตัวเรา มันร่างกายมันเริ่นมาจากที่ไหนอ่ะอมจากธาตุของแม่กับธาตุาตของพ่อมาผสมกันใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนเเราอยู่ที่พ่อแล้วอยู่ที่แม่หือยังไม่มีอะไรเรามาโผล่ตอนที่มีร่างกายหยือว่าเรามีเรามีเรามาตั้งแต่ก่อนที่จะมีร่างกายอืมเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจเนี่ยอยู่ที่ความคิดไม่ใช่ ใช่ไหมนี่เราก็ไม่ใช่ร่างกายใ่เวลาที่ร่างกายตายไปเราก็ยังอยู่ต่อไม่ใช่ไหมเราคิดู้รู้ก็คิดก็อยู่ต่อเป็นดวงวิญญาณไปก็มันเห็นตัวรู้เด่นชัดแล้วพอพอเราออกมาเราก็เลยพิจารณาเรื่องนี้ครับทีนี้ผมยังไม่มั่นใจว่า ในการที่เราพิจารณาแบบนี้มันเป็นพิจารณาที่เป็นการทําการบ้านยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้ยังไม่ได้ชกจิ ง, จงซ้อมอยู่ชกจิงก็ต้องาพาไปอยู่ในป่านที่มันน่ากลัวเราดูที่ว่าจะเดือดร้อนกับมันไหมถ้ามีอะไรจะมาทําร้ายมั น, นใจจะเดือดร้อนหรือปล่าใจจะกลัวหรือเปล่า ร่วมร่วร่วมไม่ใช่เราถ้ามันต้องตายเรายังไปกลัวมันทำไมนะใช่ไหมอาไรอยังกลัวมันอยู่มันแสดงว่าเรายังคิดว่าเป็นเราอยก็คือต้องต้องอาศัยการไปเจอสถานการณ์จริงๆเพื่อพิสูจน์ว่าเราได้ละตรงนี้เลยไม่เอาไอยาขาดไปอดข้าวสักสีห้าวันเปไปทุกข์กับมันรืองแบบไม่ไม่ใช่แค่เพียงพิจารณาแบบนี้ ใช่วิจารณ์เป็นเพียงการทาักกานบ้านทําเตรียมข้อสอบก็จะต้องไปสอบต้องเข้าห้องสอบอ๋คอครับเราเจอของจริงการไปปิดีิเว้งอย่างนี้ก็เป็นการทดสอบอย่างนึ่งใช่อย่างหนึ่งเพราะเป็นที่ที่มันเปลี่ยวที่น่ากลัวมันก็จะเริ่มนด่คิดว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงจริงๆนะมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะเราปล่อยให้มันไม่เที่ยงได้ปแต่เรายัางอยากให้มันเที่ยง มันต้องทําไปทําข้อสอบด้วยถึงจะมั่นใจต้องทําข้อสอบเหลายๆครั้งด้วยเพออื่ารอให้มัน่นใจว่ามันะละได้จริงๆอส่วนความความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่อความตายก็เป็นข้อสอบข้ออนึปล่อยให้ร่างกายเจ็บได้ไหมเวลาจะเจ็บจะปว่วนจะเป็นยังไงก็มันไม่ใช่เรา อาจารย์อย่างนี้การที่เราออกกําลังกายเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงแข็งแรงเราวิ่งทุกเช้าอะไรนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราอยากจะให้ร่างกายมันไม่ไ ม, ไม่ป่วยไม่อะไรนี้ไหมครับมันจะเป็นเพรมันก็มันยังป่วยไม่ป่วยมันออกกําลังกายดียังไงมันก็ต้องป่วยอยู่ดีใช่ไหมไม่มีใารไม่ป่วยหรอกนี่เราจะป่วยมากป่วยน้อย ตายเร็วตายช้าถ้าเราดูแลร่างกายดีมันก็ป่วยน้อยตายช้าถ้าดูแลไม่ดีมันก็ป่วยมากตายเร็วด้วยนี่อันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของของเราที่เราต้องดูแลร่างกายไปอืม mm hmm. แต่ความแต่เราต้องรู้ความจริงเสมอว่าต่อให้เราดูแลมันดีอย่างไงย่างมากก็คืออยู่ได้นานหน่อยเจ็บน้อยหน่อยแใ น, นที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายอย่างดี ทำได้ออกกําลังกายได้ต้องกินข้าวผ้าผ้าก็ต้องกีนข้าวผ้าก็ต้องเดินโยกม<ฆ>ังค์ออ ก, กําลังกายพเวลาผ้าจะออกกําลังกายก็ออกกํากายด้วยการเดินโยงค์เครื่องบินทบายนี่เป็นการออกกํากลังกายอยู่ที่ว่าตอนที่เราป่วยแล้วเราปล่อยวางตรงนั้นได้ก็ปล่อยได้แล้วเปล่าไม่เครียดไม่ทุกข์กับมัน<ฆ>ใช่เหมือนกันตอนที่ยังไม่ป่วยเหมือนกับตอนเนี้ยอันนี้คนรู้สึกยังไงแล้วตอนที่คนป่วยก็ต้องรู้สึกแบบนี้แต่นเราปล่อยได อาจารย์แล้วอีกข้อหนึ่งครับเกี่ศิลปะตัดปา마เนี่ยครับมีขั้นต่ํำไหมครับว่าจะต้องรักษาศีลในระดับไหนศีลห้าศีลแปดศีลศีลห้าของแค่ศีลห้าถ้าเราไม่ละเมิดศีลห้าเราก็ถือว่าเราไม่ขาดจากข้อนี้แล้วใช่ไหมใช่เราไม่เราจะเราจะไม่ใช้วิธีอื่นมามาป้องกันความทุกข์ของเราเราเห็นว่าความทุกข์ของเรามันเกิดจากการกระทําผิดศีลห้า ไ ม, มไม่ไปขอพอรพระไม่ว่าพระองนี้ว่าผมตายไปแล้วอยาให้ผมไปนรกอะไรนี้รู้ว่าการไปนรกนี่มันเกิดจากการทำบาปของเราเอง mm hmm. ถ้าไม่อยากจะไปเกิดในาบากก็ยังไม่ไม่ทำบาปดยู่เดคคับรักษาสีนห้าข้อนี้ได้เข้าใจนะครับะอาจารย์นะ อเคนะสามขอบพคุณค ร, ร, รับอาจารย์นิ้งต่อ่าวางง่ายสมบูไม่เปลี่ยนชื่อรลอนิ้งอ้าวลนวัสการเจ้าค่ะอาจารย์เออได้ยินม า, นาเลยได้ยินได้ยินอ๋อเจ้าค่ะมันเป็นชื่ออะไรแล้วเจ้าคะโยไม่ได้ดูใช่ไชื่อน้ชื่อนิ้ ง, งอ๋อเจ้าค่ะ ก็ตามมันวางได้ต้องสงบไม่ใช่ไหมฮวางได้จึงเบาเจ้าค่ะค่ะวางได้จึงเบาเจ้าค่ะไม่เจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็นั่งดูจิตมันลงปิติเจ้าค่ะมันบุบบุบลงอย่างนี้ยเจ้าค่ะให้มันอยู่ในฝ่ายสุขปิติเอให้มันสงบมีความสุขไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งอื่นหาความสุขจากการ การทำใจให้สงบให้มีปิติก็พเจ้าค่ะแล้วยมเหมือนกับอดนอนแล้วมันจะมันเหมือนจะสงบดีมากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์แต่มันเป็นเองนะเจ้าค่ะคือเจ้าค่ะช่วงนี้โยมจะตื่นประมาณตีสามเจ้าค่ะก็มาปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิดินจงกรมอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะมันก็ลงเร็วดีเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะทำไปได้เลยนะเจ้าค่ะ ม, มีอะไรนะไม่มีอะไรเจ้าค่ะแต่แฟนโยมชอบถามว่าเธอปฏิบัติเป็นอะไรเนี่ยถ้าถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเจคะโยมก็บอกว่าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยด้วยเจ้าค่ะไม่ไม่ไ ม, มีเราก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งนั้นเจ้าค่ะเรปฏิบัติแล้ว อยู่ก <Jub ilee> ับเธอได้ก็ถือว่าเราตอนดีแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่อยู่ได้เจ้ค่ะฉันไม่ทุกกับเธอแล้วละกันฉันปฏิบัติเหมือนกันฉันไม่ฉันไม่ทุกกับเธอแล้วละกันเจ้าค่ะก็ปล่อยเขาทุกไปเจ้าค่ะไม่ใช่หรอกเราโยมก็แบบเมสตาเขาอยู่ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วค่ะมันมันได้ไม่หมดนะคะตอนนี้กําลังหาที่ปีกวิเวกเจ้าค่ะครัอาจารย์ เองไปเปิดดูนะดูว่าม <Okay. S 2> ันเปิดวิ่งๆนี่เปนเหือนกับการขึ้นเวทีะการเข้าองสอบ <Okay. S 2> หรือว่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นการเข้าห้องสอบยัง <Okay. S 2> ไม่รู้จริงว่าความรู้ที่เราฝึกฝนมานี่มันสามารถ ท, าทํางายกิเลสได้หรือเปล่าเจ้ค่ะเพราะกิเลสมันยังไม่โผล่ไม่มาเจ้ค่ะมันเหมือนเรานั่งทับอยู่ใช่ไหเจ้าคฝาเออมันยังไม่เปิดช่องมันออกมาไม่มีอะไรกระต้นมัน เราไปอยู่ที่เปียวที่หน่ากลัวนี่ที่ยากลาบากเนี่ที่ไรมันจะออกมาค่ะโยมกําลังหาวัดที่แบบว่าที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างนี้จ้ะค่ะที่ทําน้อยๆแล้วก็โยมว่าจะหาปฏิบัต <จะ S 2> <า>ิมากๆ ท, ท, ท, ท, ทำเช้าช่วงเช้าช่วงเลียวช่วง ม, ม, ม, ม, มากินอาหารนู่นกันนั่แต่ไม่รู้จะมีใครยอมให้ไปหรือเปล่านะคะโยมว่าจะเล็งๆแถวสุโขทัยไว้ที่แบบ ขึ้นเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าจ ะ, ะขึ้นคนเดียวแต่ไม่รู้พระอา จ, จารย์ท่านจะเมตตาให้ลองไปเองไหมยอย่างเงี้ยเจ้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วย <c oughs> ใช่อา จ, จะก็ถ้าอยู่ในบริเวณวัดก็ไม่เป็ น, นไรมันอยู่ในบริเวณะลังหาซื้อเขาเรียก อ, อะไรนะเจ้ค่ะที่มันเป็น่ใช่เค่ะมัน <c oughs> เต็นที่ที่เเจ้าค่ะ ท, ที่ เ, เป็นสีขาวไม่ไม่เอาสีสีอื่นเจค่ะที่มันกันฝนกันอะไรได้จะลองอย่างนั้นนะซั สองสาวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมวา่าจะไหวอยู่นะเจ้าค่ะอะไรจ้าเจ้าค่ะอยู่แบบเรียบง่ายไม่จไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องมีอะไรมากอย่างมากก็ถ้าไม่งั้นก็นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนไปเลยมันคงไม่หิวไม่อะไรโยมว่ามันน่าจะอยู่ได้ได้น้องอดดูเลยอดสักวันสองวัเดยเจ้าค่ะแต่อด น, น้อยเนี่ยรู้สึกว่าสงบดีเจ้าค่ะดีมากนอนน้อยประมาณสักสองสามชั่วโมงพอเจ้าค่ะ ถอดนอนได้ก็ใช้การนอนแทนดข้าวอะไรเพราะแต่ละคนเสรลีอาจะไม่เหมือนกันอดข้าวอาจจะอดไม่ได้ะค่ช่วงนี้ยมก็รักษาสิ่นแปดมันจะแปดไหมเจ้าค่ะแต่ก็ไม่กินข้าวเย็นนะเจ้าคะพวกอย่างอื่นก็เจ้าค่ะก็ทําทํามาเรื่อยๆเจ้าค่ะได้ทําไปเถอะยิ่งมากยิดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ยมีเท่านี้เจ้าค่ะสาธุอาจารสาธุเค่ะ คุณจี๊จากเนวิลเลนอุเอสเจิ๊ได้ยินไหมค่ะเป็นอาจารย์ค่ะาจารย์อาจารย์ดีพอไหมคะได้ยินอยู่ไม่พอดียมอยู่ในเองมุม okay ที่มันอับๆเตะๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองเดินออกไปได้ก็ชัดดีก็พอฟังได้ชัดๆดีใช่ไหมคะโอเคค่ะ คือยมวันนี้ผมก็มีคาถามนะคะสมมติอย่างที่เมื่อกี้ฟังไหนท่านบอกว่าเออถ้าเราขอไปบกให้ไปสอบไปที่อะไอย่างเี้ยที่ไม่เ ค, ค่ะอันนี้การทดสอบนี่คือสอบใช่หรือแามันก็ดีเลยจิบฟังแล้วก็ชัดหไปเลยจิบจิงนะป๊บๆุหลุดออกไปได้ครับ ปที่ท่านต่อไปคนมนธามนธาชวนดูชวนดูเรียมณธาหายไปหลายวันนะยังเปิดไม่กลับแล้วว่าราชการพระอาจารย์เท่าค่ ะ, ะได้ยินนะคะได้ยินชัดเจนค่ะก็หายไปพักหนึ่งเพราะว่า ต้องดูแลคุณยายอ่ะท่านป่วยค่ะแล้วก็แต่ว่าจะมารายงานว่ายังฟังพระอาจารย์อยู่ค่ะอยู่ข้างนอกห้องนะแล้วก็ยังตักบาตรฝากพี่เอ๋อค่ะตักบาตรตอนเมืองอยู่แล้วก็ยังยังมีบทธรรมหรือว่าข้อธรรมของพระอาจารย์เอาไว้หล่อเลี้ยงใจในยามที่ต้องอยู่ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ได้ดูฝึกษษจิตฝึกใจของตัวเองว่า มันเป็นยังไง่ะคะเมื่อกระทบแล้วรู้สึกยังไงก็ทําให้ได้ฝึกก็ดูแลท่านนะคะท่านอายุเก้าสิบแล้วอะก็ก็มีโอกาสได้ให้ท่านฟังด้วยแล้วก็ได้สวดมนต์ด้วยกันก็ยังอยู่ิะใจเป็นการทดสอบจิตใจเราไปในตัวใช่ค่ะก็มันทําให้เห็นเราเห็นตัวรู้มากขึ้นนะคะเหมือนหนูเห็นว่าตัวรู้ที่เราคิดว่าเราได้เราก็ยังไม่เข้มแข็งมันก็ทําให้เราได้กลับมาทบทวน แล้วก็กลับมาอยู่กับความสงบแล้วก็เหมือนให้เวลากับตัวเองค่ะแต่ว่าก็ยังบอกถ้าจารว่ายังฟังอยู่ข้างนอกข้างนอกห้องนะคะยัง น, นึกถึงพระอาจารย์อยู่เสมอค่ะแล้วก็ได้คําสอนอะไรเวลามันมีความเหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตที่เราจะต้องมาเผชิญกับผัสสะอะไรต่างๆก็ก็น้อมระลึกถึงที่พระอาจารย์ได้สอนแล้วก็ไปฟังคลิปนะเป็นเป็นต้องบอกว่า เป็นเครื่องอยู่เป็นให้มีหลักของใจได้มากขึ้นเลยค่ะค่ะวันนี้ก็แค่ระลึกถึงพระอาจารย์ก็เลยเข้ามาในงานตัวว่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาฟังค่ะแต่ว่าฟังอยู่ข้องนอกไม่เป็นไรถ้าไม่มีคําถามก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ค่ะฟังค่ะค่ะขอบคุณวันนี้คนเข้ามาทั้ง74วันแล้วระลึกถึงค่ะแต่ว่ากลัวว่าเอ๊ะแต ไม่ได้เจอพระอาจารย์เลยที่เจออยู่ข้างนอกใช่เข้ามาท่านครายเสร็จแล้วก็ออกไปก็ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะคุณแอมมี่ต่อแอมีพัทยาอันนี้ลูกๆหายไปไหนไปเล่นเกมไหมะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินได้ถามาแล้วสวัสดีค่ะเอมค่ะเอมกเอ็มอ โอมค่ะโอมกับโ อ, อโอมกับเอ็มโอมกับเอมค่ะอนะ่าทางไงมีอะไรไหมเอมอยากจะถามด้อยก่ะไปฉีดวัคซีนเป็นไงบั่งคะไม่ปวดนะไม่เจ็บใช่ไหมไม่กลัวใช่ไหมไม่ปวดอ่าคนะ่ะมีโอมหลับแล้วค่ะอาจารย์โอมหลับแล้วนะโอเคค่ะไม่มีอะไรจะถามนะตอนนี้มีมีคําถามนะิดเดียวค่ะนะอ่า การให้ผลของกรรมตามลําดับอะค่ะพระอาจารย์ที่มีที่มีสี่ลำดับนะคะอ่ะาคลุกรรมอาสันนกรรมอาจินกรรมถ้าอตอนถ้าเราไม่มีคัลุกรรมนะักทั้งฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลนะคะอะ กรรมที่เราทําทําจนเคยชินนะคะ่ะเรามีกรรมฝ่ายกุศลมากกว่าแต่จิตสุดท้ายเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนจิตเศร้าหมองเนี้ยคะ่ะเราจะไปพบภูมิไหนคะมัน อ, อ, อยู่ที่ผลลัพธ์ของบุญและบาป ท, ที่เราทําให้มันสะสมไว้ใ น, ในใจของเราถ้าผลลัพธ์เบิกมาแล้วบุญมันมากกว่าบาปแล้วก็ไปสุคตินี มันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายหรอกมันอยู่ที่ผลลัพธ์ของบุญและบาปที่เราทํสาสะสมไว้ว่าอันไหนมันมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าบุญมันก็ไปอบายถ้าบุญมากกว่าบาปมันก็ไปสวรรค์ไปสุคติัมไม่ต้องกังวลเราเรามานั่งเรามานั่งคิดบัญชีไม่ได้หรอกขอให้เราทําพยายามทําบุญให้มากๆทําบาปให้น้อยเท่านั้นพอไม่ต้องไปกังวลว่ามัน วิธีย้ารู้ว่าเราจะไปทางไหนก็อยู่ที่ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีส่วนใหญ่แล้วก็จะไปสวรรค์ถ้านอนหลับแล้วฝันร้ายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอบายอข้าใจะนะเข้าใจค่ะเพราะมันไม่เหมือนบัญชีธ น, นาคารที่เขาสามารถบอกว่าตอนนี้ยอดเท่าไหร่ได้นะแต่บัญชีใจของเรานี่ยเนาดูไม่ออก กรนี้ Panel. บาปมันมากกว่าแล้วบุญมันมากกว่าแต่มันจะบอกลักษณะได้ว่าถ้าใจเรา ม, มีความสุขมากกว่าบาปมีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็แสดงว่าตอนน anyway> ี้ใจของเรามีมีบุญมากกว่าบาปถ้าใจเรามีความทุกข์มากกว่ามีความสุขก็แสดงว่าตอนนี้ใจของเรามีบาปมากกว่าเพราะมันขึ้นๆลงๆเพราะทุกวันเราบางทีก็ทําบุญบาเทีเราก็ทําบาปมันไม่ได้ปิดบัญชีบัญชีมันไม่นี้ เราแทบจะทําทําบาปแล้วทําุญแทบทั้วันถ้างั้นเราก็ไม่ต้องกังวลกรรมที่เราไปกระทาในเวลาใกล้ตายใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่ต้องกังวลค่ะถ้าเกิดแบบนี้แบนนี้ก็ดีเลยถ้อยงนั้นก็ดีใกล้ตายค่อยไปทําบุญตอนนี้ขอเที่ยวกินเล่นๆสนับไปก่อนอืมค่ะนี่พยายามทําให้มันมากตอนที่เราทําได้อนนี้ทําบุญได้เท่าไหร่ทําไป บาปเราเลกได้เท่าไหร่เล่าไปอ่าแต่ว่ากรรมฝ่ายกุศลก็ลบล้างฝ่ายอากุศลไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้มันผัดกันออกมาสแสดงผลถ้าบุญมากบาปบุญก็กสแสดงผลไปก่อนเริ๋ยพ อ, อผลบุญมันลดลงมาเท่ากับบาปไม่ น, น้อยกว่า บ, บาปบาปมันก็เริ่มแสดงผลแทนค่ะค่ะบอาจารยนะไม่ต้องกำนวลว่ามารมละสุดท้ายจิตขอเราจะเป็นยังไง มันเป็นไปดยอัตโนมัติตามธรรมัญของบุญของบาปเองมันก็ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยถ้าเรานอนหลับเราจะฝันดีฝันร้ายเราก็ไปกําหนดไม่ได้ใช่ไหมค่ะอะมันก็เป็นแบบนั้นค่ะที่สิท่ที่เราเ ก, ก่าก่อนก็เกิดการการะทําเราตอนนี้ว่าทําก็ทําทบุญมากกับทำบาปนรือเปล่านะค่ะค่ะโอเคนะ ขอบคุณค่ะพรอาจารย์โอเคใครเลย i อโฟนสามเลยอโฟนออ ส, สิบส า, บามโปร์อยู่ที่ไหนชื่ออะไรสวัสดีครับป้ชื่ออะไรนะชื่อชื่อแดนครับชื่อแดนมีอะไรไหมอยู่ที่ไหนอยู่บางแสนครับอาจารย์ที่อยู่ภาคใต้บานภาคใต้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปกลับภาคใต้แล้วครับอาจารย์อ่โอเคครับอันนี้หายกลัวหรอยังอะไรนะครับหายกลัวเรือยังยังยังยังยังยังดีขึ้นครับอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินพี่เขาถามคําถามก็ก็ตรงที่ที่เป็นอยู่ก็พยายามพยายามเวลาเกิดอะไรขึ้นนิดนิดหน่อยๆ่อยก็จะบอกว่าก็ร่างกายมันมันมันเป็นของมันมันต้องเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยจะไปเดือนมันตลอดแต่ว่ามันจะช่วยได้ไหมครับอาจารย์แบบได้ คิดอย่างนี้ในใจเราก็จะได้ปล่อยวางครับผมคือถ้าเกิดว่าพอพออยู่ปกติอย่างอย่างนั่งทําสมาธิอะไรเสร็จก็ก็พยายามบอกตัวเองว่ามันจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นดินน้าลงไฟยังไงมันก็ต้องพังยังไงมันก็ต้องเจ็บยังไงมันก็ต้องเออมันมีมันมันต้องมีอยู่แล้วยเี้ครับต้องพยายามบอกพยายามซอนยี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะได้ส้ําอยู่ในใจเราครับผมครับอาจารย์ แล้วมันก็จะยอมรับความจริงได้ยอมรับได้มันก็จะไม่กลัวหายกลัวมันมันรู้สึกว่ามันดีดีขึ้นเยอะ ต, ตอนที่เข้ามาแรกๆแต่ยาหุดนะอย่าปนะระมาทนะต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าเจ้าสอนครับผมมัน ล, ลึกๆอยู่เรื่อยๆพาม่เที่ยงทําไม่มีตัวตนอยู่ใร่างกายนะครับผมครับอาจารแล้วใช่ไหม แล้วครับอาจอนนารยนน์วัออนนี้ต้องไปเร็วน่อยสองชั่วโมงครึ่งแล้วพวกอลิสตาคุณเอกก่อนเนี่ยมันเอกจากเชียงรายวันนี้เข้ามาทีหลังนะธรรมดาเข้ามาก่อนเพื่อนการทำพิธีท่านอาจารย์ครับเ อ, อ่อเข้าเข้าไปแล้วส่งสามรอบคนดีเข้าไม่ได้เอก็เลยอยู่ข้างนอกครับก็ก็ไม่มีอะไรครับเข้ามากราบพ่าอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังครับผม อเ okay. ปฏิบัตินะปฏิบัติต่อนะถ้าผมไปบัตรทุกวันครับอาจารย์ครับไม่ขาดนะครับครับผมไปที่ภูเขามุกไม้ขอบน้ำส <ไป S 3> ะ<ป> <c oughs> ารไปโ่กไปมุกไม่ไปอยู <c oughs> เป็นยังไงทากันบา้า <c oughs> น, นเสร็จหรยงังดูแลเสือ สายจะขอให้หลวงต<ม>าช่วยสายจะขอให้หลวงช่วยไวพรให้วันนี้ผมเคลียร์เสรส็จงานเสร็จครับทำไรนะให้ทาอะไรน ะ, ะรนะวนนันนี้รับสินวันนี้รับสินแปะขอให้หลวตาช่วยช่วยให้วันนี้ผมเคลียร์งานให้เสร็จนะครับ งานค้างเยอะมากเลยครับต้องรีบทาเสร็จรีบทำถ้าไม่ทํามันก็ยิ่งค้างใหญ่มากขอกําลังใจหลงใจกําลังใจคือคือการกระทํำความตั้งใจอยากจะทําให้เสร็จวันนี้ถ้าไม่เสร็จแม่นอนอืเห็นไหมดีมากแล้วนะพอทําป๊บเดียวมันก็เสร็จน ถ้าไม่ทำมันก็ไม่เสร็จอยู่นั่นะมันก็วางอย่างนั้นเราหยิบขึ้นมาทำเดียวเดียวมันก็เสร็จนะนเดี๋ยวกลับไปทำนะครับโอเคมีใครอยากจะทำอะไรไม่ไม่มีนะหนูมีค่ะหนูว่ามาคือว่าหนูอ่ะเปเนอแบบว่า ตามแล้วอาหารนะคะแบบซีฟู้ดแล้วก็จะมีแบบแซลมอนดองของดิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกของดองซึ่งมันน่ากินมากๆเลยค่ะแต่ว่าหนู ก, ก็เหมือนคุณแม่ห้ามเพราะว่าแม่บอกว่าเหมือนเราว่ากินแล้วเหมือนเราผีชอบของอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หรอกถ้สิงอะไรอย่างเงี้ยไม่สิงถ้าไม่เป็นของตายแล้วไม่กินได้ ถ้าเขาไม่ตายแล้วไปชีบอกเขาว่าจะเอปลาตัวนี้มากินนี้ไม่ได้นะมันยังไม่ชีไล็กอยู่อ๋อของเด็กกินได้เหรอเนี่ยได้ใช่คนเด็กเขากินได้แล้วกินได้อยากกินมานานแล้วถ้าเขาพิการแต่ความจริงกินด้วยความอยากก็ไม่ดีถ้าอยากจะกินอย่างไหนก็อยากกินเด็กอะว่ากินแล้วมันติดติดแล้วเดีวเวลาไม่ได้กินแล้วมันจะเสียใจจะทุกข์เนี่ กินแล้าแต่พ่อแม่สั่งมาจุกจกเราไม่ต้องสั่งนะครับแ้วแต่พร่อาจะแม่จะสั่งอะไรมาเราินตามที่พ่อแม่สั่งค่ะคุณตาเจ้าค่ะแล้วถือว่าถ้าเราไปร้านอาหารอย่างโยมใช่ไหมคะคือโยมช่วงนี้เหมือนมีกิเลสมากเลยค่ะคือโยมพารู่ไปไหว้พาระทําบุญใช่ไหมคะไปร้านอาหารแล้วอยู่คือโยมเป็นครชอบทานปูค่ะ แล้วทีนี้แต่ว่ายอมไม่กล้าสั่งเพราะว่าคือในเมนูมันก็เขียนไว้ว่าปูถัดปูตามน้ําหนักกุ้งก็ตามน้ําหนักยมก็เลยคิดในใจว่ามันอาจจะเป็นของสดที่ยังไม่ตายยมก็เลยไม่กล้าสั่ค่ะก็ถามว่าดูเสียงว่าของเป็นของตายยมถามยอมถามนะค่ะแล้วเขาก็ตอบยมว่าบอกเขาบอกยมว่า ไม่ตายค่ะโยมก็เลยไม่กล้าฟังค่ะอยากกินอยากกินอ ย, าอย่างอื่นแทนกินผักสั่งให้สั่งผัด ผ, ผักมากินก็นด้กินเพื่อเพื่อให้ร่างกายมันหายหายิวนั่นแหะอย่าไปกินเพื่อความสุขเลย <c oughs> เอาความสุขมันสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ชี้เราไม่ได้บอกว่าเออเอาตัวน้ำตัวนี้อย่างนี้โยมเราสัง <c oughs> ่งให้หรือว่า ถ้าเรายังสั่งปาปูที่ยังเป็นอยู่เขาก็ถึงแม่ไม่ช<ว>ีม้มันก euh ็มันก็ถือว่าบาปค่ะมันมันชี้ด้วยคำพูดน่ะพอพูดจะเอาปูเขาก็ต้องไปหยิบปูในในที่มันอยู่ในตู้มาให้เราค่ะยังก็ไม่กล้าตั่งค่ะยังปูก็สั่งเข้าเข้าเข้าผัดผัดผัดอะไรไปเป็นไปตาม ง่ายๆกินเพื่อให้มันอีกมท้องนั่นแเองอย่าไปหาภาพสมจริกินเลยเรื่องมากบังการ์มาเปล่าใช่ตอนนี้กําลังหิวอยู่เดี๋ยวเราเรามองกับไปถ้าเกิดเราไปเป็นเขาบ้างแล้เขาจะมากินเราเราจะรู้สึกไงถ้าเกิดเราไปเป็นกลายเป็นปูเป็นปลาขึ้นมาแล้วมีคนก็จะมาชี้เอาเอาตัวนี้เอาเราเนี่ยไปกินแเขาจะรู้สึก ยอมยมเคยได้ยินมาแต่ยอมไม่มั่นใจคือมีคนแนะนําบอกโยมว่าก็เราไปถึงร้านอาหารเราสั่งเมนูมันบอกว่าจะกินอันแล้วก็สั่งไปเราไม่ได้สั่งค้างไม่เป็นไรอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ยอมก็เกือบสั่งไปแล้วค่ะแต่ยอมชวน<ม>แบบเหมือนกับชวนใจขึ้นมาว่า ม, มันเขียนว่าราคาตามน้ําหนักนั้ำหนักน้อง<ม>น่าจะยังไม่ตายยมยก็เลยไม่สั่งรอราคาถ้าถ้าไม่มั่นใจราถามองค์การว่าเขาเป็นแลเขาตาย ถ้าของตายแล้วก็โอเคถ้ายังไม่ตายเขาต้องฆ่าเพื่อเพื่อนเมาทําให้เรานี้ก็บาปนะค่ะขอบคุณไม่ถามเราค่ะถ้าเราถ้าเราเป็นเขาบางอย่างรู้สึกได้วันนี้เขาจะเอาเราไปไปเป็นอาหารนะเอาไหมไม่เอาค่ะนั่นแหละ <laughs> อ, อย่าไปกินนะอย่ากินที่เของที่ตายแล้วไม่เป็นไร <laughs> โอเคนะ ทันนี ja empty, ctor, okay, okay. ้ก okay. ่อนนะเด็กแรกกจ้าวกเรสาธุขอให้หลวงตามีอายุยืนยาวเลยหนึ่งร้อยีสิบปีเลยะเอสาธุจ้ะสาธุคุณจอยต่อคุณจอยอยู่กตันา คุณชายเจ้มอยากกล่าวว่าโยมวันนี้ที่ไปใส่บาตรโยมมีใจมากเลยค่ะมีพี่สาวท่านหนึ่งน่ารักมากเลยเอาขนมให้เด็กๆด้วยเพราะว่าพี่สาวท่านนั้นบอกว่าชคกันในซูนีค่ะโยมอยากขอบพระคุณมากๆน่ารักมากค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะมทนาด้วยค่ะานคะาสาธุนจอยต่อจอย ปัตยานยังขายของอยู่ทุกวันนะ ข, ขายของขายทุกวันเลยขายดีไหมวันนี้ขายดียังงั้ว่พาพักขายดี <Okay S 2> มาดิ่งก็ธรรมดารออยู่ได้นะก็ทุกทุกเดทไปได้อะค่ะใส่ก็ไม่มีอะไรคําที่อาจารย์สอน ก, ก็ตลอดนะคะพอเวลาจะจะเถียงกันก็นึกถึงพอาจารย์ที่สอนตลอด ให้อยู่กันดีดีครับเขาเขาเขาาก็ฟังเหมือนกันนะเขาก็รู้สึกดีถ้าเป็นพระชนะขึ้นมาในหลวงค่ะก็สงบมันเหมือน้องเงียบมันก็แก้ปัญหาได้อะเน้นจะต้องมาทะเลาดกันเลยนะค่ะไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวไปใส่บาตตลอดตลอดหรอโอเคทาคือเนนไปที่คุยชาเล่นตาชาล่นชาเลนอยู่ที่ไหน สะอกราบน้อมักการท่านครับผมเป็นน้องใหม่นะครับ <_ jeux> ก็ชาลกิกรุงเทพครับอยู่แถวพระขหนง่ง <_ Of> น, นี้ได้เห็นไลค์ก็เลยขออนุญาตเข้ามาในในซูมมีคำถามนิดนึงครับอาจารย์พอดีเม e <at> ื่อมาสองอาทิตย์ที่แล้วอะครับผมได้ไปช่วยเหลือเพื่อนที่เขานอนไม่สบายอยู่นะครับแล้วก็ร่างกายก็ซูบผอมทีนี้เราก็เกิดความกลัวว่าเขาจะจากไปแล้วก็ คือคือเป็นเพื่อนสนิทอะนะครับแล้วก็ทําใจค่อนข้างไม่ได้ก็เลยอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แ น, นะหน่อยครับคือคือกิข้าด้วยกันทุกวันไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจอสภาพที่ดิมเดิมแล้วมันทําให้เรารู้สึกหดหู่ครับพระอาจารย์ครับผมเกออ็ถามตัวเองว่าเขาจะไปเราห้างก็ได้เป่า อ, อ๋อไม่ได้ครับออไม่ได้ก็ฝ่ายเข้าไปนั่นเองครับไม่ฝนตกเราห้ามฝนให้ตบได้เป่าครับ วกว่ามันตกไปมันเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยใช่ไหมคจับต้องแยกเราจากเขาเขาจะเป็นยังไงถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปทําได้ก็ทําไปช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไ ป, ไ ป, ไปตามเรื่องของ ม, งมงันั้นเองครับก็กพ็พยายามพยายา ม, พยายามทําใจแล้วก็พยายามไ ม, ไม่ยึดติดอ่ะนะครับแต่บางครั้งมันด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ เจอกันทุกวันแล้วพอรู้ว่าเขาจะเหมือนจะจากไปก็เลยรู้สึกแบบใจวิววิวเนี้ยครับอาจารย์ครับออถ้ามันวิว่าทําพุโทโธพุโทโธไปนรับผจากอะไย่างพุโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายวิวมันก็นจะนิ่งครับได้ครับ ต, ต้องยอมรับครับจริงครับจริงเกิแดแก่เจ็บตายการท้าทายกันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมนะเดี๋ยวเราก็ต้องไป ครับใช่คนีเไดีไปก่อนข้าเธอทอะไรก็มีครับผมครับผมขอบพระคุณเคชาเธอคำเสสข้าวจนวินดาอยู่ที่ไหนกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่แมริแมรเป็นกาอยู่ใกล้ๆคนจีบอะี่มม น, อนรอเป่า ไ, ไม่รู้จักกันค่ะไรู้จักกันนะก็ พอดีช่วงนี้มีคนเสียชีวิตที่รู้จักหลายๆคนติดติดกันทุกวันเลยค่ะท่านสามวัน uh huh. ทีนี้ก็รู้สึกว่าจิตตัวเองอะ่ะมันตกลงไปก็มองว่าจิตตกลงไปก็ก็รู้สึกว่าเออมันชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงคือแบบอยู่ๆคนที่ไม่คิดว่าจะตายก็ตายอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็ดูดูจิตไปเรื่อยๆค่ะท่าน ต้องยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงแน่จิตก็จะไม่ทราบอ่าแต่ก็เห็นเห็นความจิตตกเลยค่ะถึงแม้คนที่เราเห็นเป็นแค่แบบคนที่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเราไม่ได้เตรมตัวไว้ก่อนเราไม่เตรียมทำการบ้านไวยก่อนพอเจอข้อสอบ<ช>อะไรร่วงไหมร่วงค่ะ <c oughs> <c oughs> ร่วงนี่แต่ว่าแต่ความเปลี่ยนแปลงว่าเออชีวิตมันดับได้ทุกเมื่อ <c oughs> ลมไหา มาบ้านไวเนี่ยคนที่เรารู้จักกันนั้นกันนี่เก็อาจจะไปก่อนเราก็ได้นะค่ะหรือเราไปก่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้คิดอย่างนี้เรื่ยๆแล้วมันจะได้เตรียมพร้อมเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันก็จะไม่เศร้าไม่ตกวันนี้จะมีมีเรื่องจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ ะ, อ, ะอยากจะขอคำแนะนำขอวิธีหรือกุศโลบายที่จะช่วยลดมานะทิฐิค่ะเพราะเวลาปฏิบัตินะ่ะจะเห็น จะเห็นว่าเวลานั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือเวลาเจริญสติทั่วไปอ่ะก็จะเห็นมานะทิฏฐิเนี่ยขึ้นมาสลับเรื่อยๆค่ะโทสะโมหะอย่างอื่นก็ไม่ไม่ไม่รุนแรงค่ะก็เลยจะเรียนพระ อ, อ, อ, อาจารบอกให้เรา<ๆ>คิดว่าเราเป็นแผ่นดินเลยเป็นปฐพีเป็นเศษที่ใครจะเหียบก็ได้ใครจะปัสสวะอุจจาระใส่ก็ได้ใครนีแผ่นดินไม่สตอกสคา เป็นนินรับกับสภาพผิวหนังได้ในะนคิดว่าเราเป็นเหมือนแจวว่าแล้วแต่เป็นคนรับใช้ค่ะโดยเราคิดว่าเราเป็นแจวทั้งคนเป็นเจ้านายเราค่ะไม่จะรับตัวมานะได้โอ้สาธุค่ะสาธุค่ะจะพยายามเป็นแจวค่ะเอถ้าเราเป็นแจวเขาเป็นเจ้านายเราเราไมีได้แต่เราคอยร่างคำสั่งให้เขาค่ะ โอเคนะอลองดูนะมันเป็นละครอนะ่ะเราชอบเล่นตัวเป็นตุบ ต, ตัวตัวนําตัวสูงชอบเล่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมันก็เลยทุกข์ขอบคุณครับอาจารย์นะอ่าขอบคุพระคุณครับอาจารย์อนุโมทนาครับขอคุณรุ่งเชจารนรุ่งอยู่ที่ไหนเปิดใหม่ได้อยู่มุมซ้ายหน้า ก็เลี้ยวอันเลี้ยวปูนนิดอ่ามีได้แล้วมันได้เลยอตาน้อมพระาพอาจารย์ครับผมอยที่ไหนอยู่กรสินครับพอดีผมไม่ได้เข้ามาหลายสัปดาห์แล้วครับเออมีอะไรไหมวันนี้ก็ะตะกี้ได้ยินอยู่น้องผู้หญิงที่ว่าอยากไปปฏิบัติทำเอ่อตรงที่มันไม่วุ่นวายการงานน้อยอย่าผมแนะนําที่วัดปูคล้องท อ, องนะครับอ่าคนน ปูคลองทองนะวัดปูคลองทองเออยู่ใกล้ๆกับวัดถ้ำกองเพนะครับพระอาจารย์มณีดอนมณีดอนนะอาจารย์มาตินท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ก็ตรงนั้นการงานจะน้อยครับจะได้ปฏิบัติเต็มที่ครับโอเคเพราะว่าคุนนี้ก็ได้ยินนะคนนี้เมื่อกี้เข้ามาเยอะแต่กาอยู่ท่านเคยอยู่กับหลวงตามหาบัวครับผมโอเคชื่ออะไรนะพระอาจารย์นะพระอาจารย์มาตินฮะพระอาจารย์มาตินพระเฒ่าพระอาจารย์โ ผมพระอาจารย์เป็นชาวเยอรมันครับไม่จัดกันเคยเคยมาพบกันที่นี่ ใ, <ช>ใครใครแมาเยี่ยมทังนั้นก็ปฏิบัติได้เต็มที่ครับผมใช่ถ้าท่าถนถห็แนวแนวของลุงตาทุกอยาก่างลุงตาเน้งการภาวนาอย่างเดียวการงาไม่ให้ทำดีเมือม่อเมื่อเมื่อที่สองวันทกิดก็มีชาวชาวอิสาราเอ ล, ลก็มาปฏิบัติที่นี่อยู่สองตย์ แต่ไม่ถึงมแล้วก็บอกจะไปที่วัดพระอาจารย์มาติมอนครับผมนี <Hey. S 2> ก็<ม>จะมารายงานพระอาจารย์ว่าเออพระอาจารย์เคยแนะนําให้ผมอดอาหารผมก็ลองได้อดอยู่แต่ว่าอดเฉพาะวันพระนะครับประมาณสักสามสี่สามสี่วันพระวันนี้ก็ได้อดอาหารดูแต่ว่าการงานเนี่ยผมก็ยังต้องทําอยู่ก็เลยสู้ก็พิจารณาไปพามาก็คือดูแล้วก็คือมัน มันทุกข์มันหิวเพราะมีกายนี่แหละครับแต่ามันไม่ได้กินวันเดียวก็ไม่ตายนะเรามีสเปรย์อยู่ในร่างกายเยอะแยะใช่ครับผมก็ก็ลองอดดูก็อ๋อเพราะว่าที่สวนก็มีมะม่วงมีกล้วยสกมีทับทิมมีก้าโพดลองเห็นไปเออเฮ้ยมันก็อดตะกวันลงไม่เป็นไรหนาก็สู้กับกิเลสนะครับก็ได้สู้กับมันเอนะครับกับ ผมลองอยู่กับพุทโธเป็นเครื่องระลึกอยู่พุทโธบ้างดูกายบ้างครับ mm hmm. รู้สึกเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันสงบเร็วใช่เพราะเรามีสติมากครับบางครั้งหายใจเข้าออกกำหนดพุทโธอยู่ mm hmm. ไม่ถึงสิบครั้งนะครับก็ร<ต>วมลวมไดมนะ้ไปอยู่ทาการจเจริงสติก่อนที่เรามานั่งมีประโยชน์มาก อั น, นี้พอรวมปุ๊บผมก็ไปนิ่งอยู่กับที่รู้ความมันคลายออกผมก็มาพิจารณาร่างกายอะครับอาจารย์และพิจารณาดูว่าถอดชิ้นส่วนออกมาถอดศีษะถอดอ า, อา ว, วัยวะทุกอย่างแล้วก็ค่อยพอถอดเสร็จก็กลับเข้าไปอยู่กับกับสมาธิใหม่ทำถูกต้องได้ใช้ใช้การพิจารณาให้จิตเข้ากับสื่ อ, อความจำก็ได้หรือใช้พุโทโธก็ได้นแต่เราจะถนัดนครับผม แต่ว่าพอดีเวลาเวลาภาวนาผมมันน้อยบางการงานในสวนมันเยอะก็ก็ได้ทําวันละหน่อยบางวันก็ไม่ได้ทําำ<ด>วันนั้นทำเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันอย่าไปทุบกัมันกับอีกเรื่องหนึ่งที่รู้ได้ค่อนข้างไวก็คือเดี๋ยวนี้มีสติอย่างเมื่อเมื่ออย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมผมโดนวัวมันมันขุิดอะครับมันมันก็เลยโมโ oh. หแต่ว่ามันไปรู้ทันก็เลยแบบเขาเรียกอะไรนะฮะเหมือนระงับความโกรธได้เร็ว ปล่อยวางไนดะ้ปล่อยวางได้เร็วแล้วก็มันมีมันมีสัตว์จากวัวจากชาวบ้านเน่ยเข้ามากินเข้ามากินของผมเนี่ยผมก็รู้สึกมมโหนะครับก็คือมมโหแหละแต่ว่ามันมันรู้ทันไวครับแล้วมันวางเร็วใช่สติมีประโยชน์ทีเนี้ยมันจะรู้ทันอารมณ์ต่างต่างอ๋ อ, อครับ อย่างนี้เราต้องเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะใช่พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆ <ไป S 2> ถ้ายัานั่งไม่ได้ก็ฝึกสติว่าเราสามารถฝึกสติไปกับการทํางานได้ครับผ ม, มแล้วก็ผมก็ได้ทดลองนั่งตากแดดด้วยนั่งภาวนาตากแดดเพืรับรู้ความทุกข์ของการมีกายนะครับจนจนจนก็ก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองการมีกายมันทุกข์อย่างนี้เองเนะฮะแล้วก็ต้องอดอยู่กับมัน้ได้ อย่าไปทุกข์กับมันมันทุกข์แต่ใจเราอย่าไปทุกข์กับมัได้ไหมครับผมแล้วมันมีอีกเรื่องนะครับบางครั้งเราไปเห็นอะไรมันเหมือนแล้วมันน้อมเข้ามาพิจารณาเป็นใจรักษณ์เองนะครับได้จะเป็นปัญญาเป็นการเดินปัญญาอ๋อครับนี้เราก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่นอนทุกอย่างมาให้เป็นลงไปที่ใจรักษมด ไม่มีสารไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตรวตนเป็นธาตุสิ่งทีน้ำหมุนไฟเป็นสภาวะธรรมถึงแม้ติดยยังไม่ยอมรับเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยใช่<ๆ>สอนไปเรื่อยๆก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวพอมันมันฟังไปบ่อยไม่เข้าใจปัา้าผีกยมันก็ยอมรับเข้าไปมันก็จะรับอ๋อเป็นอย่างนี้เองอืมครับผมก็อยากมีโอกาสอยากจะไปอยู่กับหลวงพ่อมาตินสักเจ็ดวันแต่ว่า มันมีหน้าที่ทำงานไม่เป็นไรไปได้ก็ไปไ ป, ไปไม่ได้เราทาที่เราอยู่นเนอะทำหน้าที่เราทําได้ไปก่อนครับผมครับก็ <Okay. S 2> ก็มีเรื่องจะรายงานพระอาจารย์ท่านี้ครับมีอะไรแนะนําก็ขอขอพระอาจารย์แนะนําครับก็อย่างที่เราโคดทั่วไปก็เรื่องสติเป็นหลักนะเรื่องสติไปทําให้มากทําให้ตลอดเวลาครับผม โอเคนะอาท่าน้ก่อนนะครับครับครับจังะจงครับผมคุณปัจจรา์พรสุกจากสเปนอิาเดียยังไงตอนนี้ไม่เรียนั้งเยอะแล้กลับบ้านนลเวไปทครับไปทำนะกลับมาเทศการ spring b e a k อะไปช่วงสเปนนะเป็น h ครับ half term วันนี้นะ โอเคมีอะไรไหมหลวงพ่อเจ้าค่ะสังขารเป็นทุกข์เจ้าค่ะขาพอดีลูกป่วยแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็แต่ว่าหลวงพ่อเจ้าขาเห็นว่าร่างกายป่วยแต่ว่าใจมันไม่ได้ป่วยด้วยใชจุดต้ใจไม่ได้เป็นทุกข์ใจไม่ได้เป็นสังขารใจเป็นทุกรู้ไมู่้เฉยเฉเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาแล้วก็เห็นเลยใช่ไหม เพราะว่าวันวันที่ป่วยอแบอบลูกนั่งสมาธิเสร็จใช่ไหมคะสิบเอ็ดโมงเช้าลูกก็จะตั้งแต่หลวงพ่อก็บ้านลูกก็จะแปดโมงเช้ามือถ่ายบายสองลูกก็จะนั่งจนถึงส1บเอ็ดโมงแล้วพอนั่งเสร็จแล้วทำไมรู้สึกแบบทาไมเรารู้สึกมันง่วงนอนรู้สึกแบบเอ๊ะเป็นอะไรขึ้นมาลูกก็เลย เรายังไม่ทานข้าวจะสิบเอ็ดโมงแล้วจะทานข้าวแต่มันก็ทานไม่ได้ก็เลยรีบเดินไปที่เตียงพอล้มหัวไปเจ้าค่ะหัวบัก บ, บ้านมันหมุนแบบแล้วก็รีบกดโทรศัพท์หาสามีมาช่วยฉันด้วยเขาก็เธอล้อเล่นอะไรแล้วก็ลูกก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือมันมันเวียนหัวบ้านหมุนไปนหมดอาเจียนอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ต่อใจเจ้าค่ะมันมันเห็นว่าร่างกายป่วยแต่ใจลูกอ่ะไม่ป่วยแล้วก็บอกรีอว่า หยิบหนังสือธรรมะก็คือจะไปโรงพยาบาลหยิบหนังสือธรรมะให้คุณแม่แล้วก็สามีเขาเอาชุดมาเปลี่ยนสีคีมแลว่ไาไม่เอาไม่เอาจะเอาชุดสีขาวาชุดสีขาวมาเปลี่ยนให้เจ้าค่ะหลวงพอ่อก็เห็นว่าร่างกายกับใจอ่ะร่างกายเรามันแบบเชวยเหยดตัวเองไม่ได้แล้วแต่ดใจเราไม่ได้ป่วยรูปมองเห็นเจ้าค่ะหลวงพอ่อถ้าใจเราไม่ทุกข์แสดงว่าใจเราไม่ปว่วยเจ้าค่ะหลวงพอ่อถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เราเป็ น, น, นทุน่รว่าให้รู้เฉยๆไปรู้วาร่างกายต้องเจ็บต้องไข้ต้องเป็นต้องตายเป็นธรรมดาของร่างกายเจ้าค่ะกาบสามทเจ้าค่ะลงพ่อโอเคถาฉันนี่การแล้วขอบกุณเจ้าค่ะกาบสามทั่บอกว่าคุณจิ้นตอไม่จิ้สายหาไปกลมาแล้วขอขออภัยเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจารย์เรียกหนูหอตามพี่อไม่เป็นไรค่ะดีอย่างไรก็ได้ค่ะ ค่ะก <K> ้าพอดียมจะถามว่าถ้าเกิดสมมติการที่เรามีสติคือเวลาเราไปเจอบททดสอบถ้าเรามีสติก็คือเราไม่รู้สึกอะไรกับมันหรือว่ารู้ก็รู้ว่าเหมือนกับถ้าเรากดเราก็รู้ว่าเรากดนี่คื อ, อ ม, มีสติหรือว่ า, าเราไม่ควรจะมีอารมณ์ค่ะไม่ควรจะมีอารมณ์ถ <K> ้ามีอารมณ์แสดงว่อย่างยังคุมคุมสติยังคุมอารมณ์ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงจุดที่เกิดเหตุการณ์เดิมแล้วเราไม่มีอารมณ์หร <K> ือเกิดเหตุการณ์ใหม่เราไม่มีอารมณ์แต่ว่าเรามีสติ ถึงขั้นพอสมควรที่จะเจริญปัญญาให้เป็นไตรลักษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ถ้ามันไม่ถ้ามันสงบก็ไม่ต้องเจริญถ้ามันไม่สงบถึงต้องเจริญ อ, อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือถ้าเราฝึกสมาธิปไปเรื่อยๆสติมันก็จะเกิดจะเกิดแต่ไอพวกนี้คนที่ได้ยาอะไรแล้วบางทีได้ชาแล้วบางทีมันก็หายไปถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ต้องทำเรื่อยๆ เพราะาบางทีโยมก็นั่งสมาธิแล้วมันก็นิ่งๆถึงขั้นจุดพอเราห่างๆการนั่งไปมันก็แบบต้องเหมือนมาเริ่มศูนย์ใหม่เลยอะค่ะได้มันก็เหมือนเติมน้ำมันนะนานๆเติมทีนมันต้องเติมเติมเติมตั้งแต่มันอยู่ใต้ต้นถังไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเราค่อยเติมเรื่ยมันก็มันแบบมัก็มันจะมีบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกคำถามค่ะอาจารย์คือถ้าเราอ๋อ ฝึกไปเรื่อยๆถ้าสมมติเวลาที่เรามีสมาธิมากพอต่อให้เรานอนน้อยมันก็จะไม่รู้สึกว่าร่างกายเราเหนื่อยในอย่างนี้ต่อได้เพราะสมาธินี่มันทําจิตมันพันกผ่อนในสมาธินะเวลาจิตพักผ่อนร่างกายก็พักไปด้วยเพราะร่างกายไม่ได้ทําอะไรตอนที่เรานั่งสมาธิค่มเจ้าค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวโยมจะพยายามตื่นเช้าให้มากกว่าเดิมแล้วลองลองทําสักแบบตื่นตีสี่มาดูเพราะว่า ช่วงหลังค <bunker. S 2> ือถ้าตื่นสายมันก็ทาอะไรไม่ได้เลยต้องทำให้ลูกหมดเลยนะคะค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะพอาจารย์ขอบระเจ้าขาพรแข็งแรงนะคะโอเคน้องอ้อน้องออตน้องออตนีเข้ามาใหม่ใช่ไหไม่คนละคนกันอน้องออเที่ไหนน้มาค่ะ นมาสการค่ะโอ้เสียงดีมากเกินเสียงดดีนามาสการค่ะอ้าสาวุหนูอยู่ที่ไหนจ้าอยู่คอนโดค่ะอยู่คอนโดค่ะคอนโดอยู่ไหนพัทยาหรืออยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแถวศูนราชการค่ะอ่าดีอะไรมีอะไรไหมอยากจะถามอะไรล้างอาจจะถามอะไรไหมให้ดูอ๋อเออชอบโยนของนี่บาปไหมคะ ไม่มากระต้น อ, อย่าของเสียหน้ายนโยนของของกุ้นแล้วหนูจะถามว่าคืออย่างเมื่อก่อนอ่ะอยู่กับทุกการกระทำเช่นกินข้าวนอนเดินแค่จะรู้ตัวตลอดแต่ทงานแล้วอะค่ะมันเหมือนเสียงขาดขาดได้ไห ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะอา่าจะยินแล้วอ๋อเออเมื่อก่อนพอไม่ได้ทํางา น, น่ะคะ่ะมีสติอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้สึกรู้สึกตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทํางานแล้วเหมือนไม่ค่อยมีสติอะคะ่ะเหมือนพอไปคิดเรื่องงานแล้วก็คือขาดสติไปเลยเหมือนกินข้าวก็ลืมลืมที่จะมีสติเดินก็ลืมที่จะมีสติอะคะ่ะเออต้องกลับมาฝึกใหม่อ๋อ ฝึได้ถ้ามันไม่มีสติก็ฝึกมันได้เวลาเดินก็ให้มันมีสติอยูกับการเดินเวลากินข้าวก็ให้มันมีสติอยูการกินข้าวแล้วเกี่ยวกับเพราะว่าเราทํางานปะคะเราเลยไม่มีสติเวลาทํางานมันไปมันจิตมันไปไปคิดอยู่กับเรื่องงานอย่างเดียวมันก็เลยไม่สนใจกับเรื่องอ๋อ พราะยพอเราห<ร>ยุดทำงานล้วก็หยุดคิดอยาอยาอยากคิดต่อหนึ่งครัมันกลับมาให้อยู่ยกับสิ่งที่เรากำลงทำอยู่อ๋อค่ะแล้วก็เออเออเดี๋ยวนี้หลวงพ่อได้ออกอบินทบาทปกติทุกวันแล้วแบบมีเทศข้างหน้าห้องบางไหมคะหน้ากุฏิไหมคะตอนนี้ขึ้นหน้านกุฏิอย่างว่าเทศนี่แต่ในสุ่เนี่ย Oh, okay. อ๋อโอเคค่ะเะว่าอันนี้โรคมันยังระบาดอยูเดี๋ยวกลัวคนมันอยู่เยอะๆเดี๋ยวมันจะมาแพร่เชื้อให้กันอ๋อ oh, แล้วหนังหนังสือธรรมะยังมีแจกไหมคะมีที่ศาลาทุกวันถ้าลงศาลาทุกเช้ามีนังเสด็จทำอะไรมาที่น่แต่ต้องมาว oh. ันธรรมดาทนะุกวันวันเสาร์ที่วันพระเรามไม่ได้ลงศาลาอ๋อ oh, ค่ะก็ถ้าอันนี้ถามเผื่อช่วงสงการนะคะอือ ค่ะลองตรงกลา ง, งทาง่านไม่พ<อ>ักดูแล้วก็ไม่ลงจากราอ๋อก็งันเดี๋ยวหาแต่ไม่มนนแต่ไม่เป็นไาราถ้าไปศาลานัก็ ถ, า, ถ า, ามท่าก็อยู่รอพาเอาขอร่ำหน้าน้ำเสียง<ฆ>ของ า, าจารย์ท่านก็จะบางทีเข้ามาได้ออกมาแจกตั้งไว้แต่เรากเก็บไว้ข้างในก็ขอก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองเปล่าคือเมื่อก่อน เออสวดมนต์ตลอดก็รู้สึกว่าชีวิตปกติอะค่ะเรื่อยๆค่ะแต่กลายเป็นว่าช่วงหลังเลิกสวดมนต์รู้สึกว่าทำไมตัวเองดวงดีค่ะมันผิดแปลกอะค่ะคือดวงดีบางทีมันเป็นผลจากบุญดีบุญที่เราทำเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้เกิดจากตอนที่เราทำวันนี้หรือ อ๋อ ท, ท, ทั้งๆที่อ๋อถึงแม้ว่าไม่ได้สวดมนต์มาระยะหนึ่งเลยอะไรเงีเ้ยแต่แบบเออตอนที่เราแบบเออตั้งใจทําความดีเรากับไม่ไม่ค่อยดวงดีมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะ่ะปลูกวันนี้มันมันไม่ไมออกดอกวันนี้ใช่ไหมออกดอกวันนี้อ๋อค่ะนั้นเราทำบุญวันนี้มันไม่ได้หมายว่าผลของบุญวันนี้มันเกิดขึ้นทันทีไม่ใช่มันเป็นผลของบุญที่เกิดเมื่อก่อนในอดีตที่เราทําไว้ อ๋อ ค, ค่ะค่ะเรียบร้อยคะ่ะขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะหนูชื่ออะไรคะๆๆ one, เด็กหญิงปุญญนุกัดกรมนชื่อเล่นชื่ออ้อค่ะโอ้เก่งมากฉลาดนะอ๋ออ๋อนี่ บ๊ายบายอ๋ออีกเรื่องนึ่งค่ะเอ อ, เ อ, อพี่หนิงการจนาสวัสดีด้วยค่ะพอดีไปเจอส่งกันบ้านกับหลวงพ่อปาโมดอะค่ะบางเอิญค่ะแบบเขารับแค่เจ็ดคนจับฉลากได้ตรงกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะไปต่อคุณปุ้ยคุณปุ้ยอยู่ลักเซมบิร์ก ทำนุษสการค่ะอาจารย์คุณปุย้ยค่ะจากลักเซมเบริร์กค่ะขอพร อ, อย่างเดียวใช่ไหมวันนี้ค่ะเพราะ ว, ว่าคุณปุย้ย<า>ก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนทุกวันก็เข้าม า, าละยาตัวแล้วจะเข้าเข้ามาเติมพลังกับพระอาจารย์ค่ะอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีค่ะทาจวันใจได้พอดีวันนี้วันพักก็เลยจะมากราบขอพร ให้มีพลังในการสร้างบุญรั้านวะละมีหน่อยออขอให้มีพลังมีพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะคะเพราะว่าโยมอยากจะตื่นแต่เช้าบางทีมีสองวันแล้วที่โยมที่จะตื่นทีไรมันหลับไปเรื่อยเลยได้นี้โยมก็เลยเดิ๋มาขอเติมพลังจากพระอาจารย์ว่าให้โยมตื่นรู้ในการตื่นแต่ปีสองแล้วก็ทุกวันแล้วก็ปฏิบัติให้ให้เหมือนเมื่อก่อน เพราะว่ามีสองวันเพียงแค่สองวันเองค่ะเพราะว่า เ, เดี๋ยวอีกสิบวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดยมจะคือสิแปดจะปฏิบัติอย่างเพ่งค่ะเพราะว่ายมมีฮอลิเดย์ค่ะอ่าดีปฏิบัติให้มากๆนะใช่ค่ะยมยมเชื่อฟังพระอาจารย์ค่ ะ, ะ, ะยมจับขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะขอให้เจริญเจริญในทางธรรมมากๆขึ้นไปนะสาูุค่ะขอให้ ขอให้รวยขอให้รวยขอวยนะไปตลอดอนงองรับเลยขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพท่าขันแข็งแรงค่ ะ, อะขอบพระคุณมากค่ ะ, ค, ะคุณกัฟฟีกัฟชุราชานีมัสการ์ครับมีคำถามครับคือวันนี้ก็ได้ไปตักบาตรพระอาจารย์สุชาตินะครับฝากเพื่อนไปตักแล้วก็ซื้อ ของให้ที่บ้า น, นครับการซื้อของให้ที่บ้านเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ผมได้ไปตักป่าพระาจารย์ไหมคือว่าบางอย่างคือซื้อมาแล้วท่านไม่ได้ใช้ถามท่านก็ไม่อยากได้แต่ว่าบางทีเราต้องซื้อให้แบบว่าเพื่อเป็นการตอบแทนเมื่อคุณนะครับถึงเขาจะไม่ใช้เราจะได้อ น, นิสงแบบว่าเป็นได้ไหมครับได้แต่ท่านจะให้เขาได้ประโยชน์ก็ต้องถามต้องถามอะไรเขาเขาไม่ค่อยบอกครับแต่ว่าเราสังเกตอยู่คอยสังเกตถึงว่าเขาใช้อะไรเป็นประจักครับพ้าจารย์ครับหมดไปแล้วหนึ่งข้อครับแล้วก็ พอเนี่ตอนนี้เคยเริ่มเผือ่อที่บ้านครับพอคุอยกัที่บ้านเขาก็เป็นเหมือนเดิมครับบางทีเขาเดินเข้ามาเราก็ไม่อยากจะคุยด้วยครับแบบนี้รเรา<ช>จะ พ, <ช>พูดกับน้อย<ช>ที่<ช>สุดถ้าทานทายกันหน่อยแสดนการว่าสอนรับยินดีถ้าเขามีอะไรจะพูดเราก็ยินดีฟังถ้าเขาไม่มีอะไรก็ตัาดมันตัดเฉยไปก็ได้ครับก็เหมือนที่พระอาจารย์แนะนําคือบางอย่างเราต้องทําให้เขาเพราะว่าเราถือว่าเป็นการตอบแทนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่เราต้องยอมบ้าง ครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับก็คือนี่ก็อยากขอพอรเหมือนกันครับแต่ว่าอยากรู้ว่าเราทําความดีอย่างเงี้ยบางทีมันก็ท้อแบบเพื่อนผมก็ส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวกันแล้วครับผมก็มีแต่ที่บ้าน ม, ม, ม, มีมีมีญาติธรรมมีพระอาจารย์แล้วก็มีลูกค้าครับพรของพระเจ้าคืออะไรครับพรของพระเจ้าก็คือคําสอนนี่ทำให้เราละบาปทบาบุญชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือคําสอ น, นที่มันดับทุกข์ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ แล้วมีอะไรอีกไหมครับก็ไม่มีทําสามข้อนี้ได้ก็ไปนิทานได้แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาขอฟังครับแล้วก็มืช้าก็ตักบาตรคือกลุ่มผมจะไปตักบาตรทุกวันพักสิบห้าค่ำครับเดือนหนึงตักสองหนครับจ้าเจ้าพระพุทธนาจ้ากอบพระคุณครับคุณไอโฟนกลับมาใหม่แล้วเชิญเนมเมื่อกี้นี่ที่ตอกไปเสียงมันหายไปแค่คุณไอโฟน กลับมาสการค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกเลยค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะเหมือนกับว่าที่หนูอธิษฐานไว้ค่ะว่าอยากสนทนาธรรมอะค่ะเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนนั้นนี้หนูก็หลงทางไปหลายปีค่ะก็อยากเจอกาลยานมิีแต่ก็คือเจอเพื่อนสนิทที่เคยเป็นแบบเรียนด้วยกันมาก่อนค่ะก็ให้รู้จักกับวิชาชีพอะค่ะอันนี้คือทราบในเวลาต่อมาค่ะท่านแล้วก็ท่นเนี้ยก็เหมือนกับว่า เขาก็จะมีอุบายแบบหลอกให้เรากลัวให้เราเชื่อก็คือเหมือนกับว่าดูว่าเราแบบมีพวกศรัทธาจริตอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็แล้วก็เหมือนกับว่าให้ตัดขาดจากคนรอบข้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราให้เราแบบฝึกปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือหลอกเอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีแบบอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งว่าเหมือนกับรู้สึกเอกใจแล้วก็เหมือนกับมารู้ที่หลังว่าว่าถูกหลอกอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ทีนี้ทีนี้ก็เหมือนกับว่าก็โกรธโกรธรู้สึกโกรธตอนที่เราเราเรารู้อะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็คือก็มานั่งช่างใจว่าเราควรจะจัดการยังไงเช่นว่าเหมือนก็มีเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็แนะนําว่าให้ไปแจ้งความดําเนินคดีเอาผิดไหยหรือกับอ๋ายิ่งยิ่งกับเป็นเพื่อนสนิทยอย่างเงี้ยค่ะเราทํางานอยู่ทถาๆอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะแบบแจ้งความแล้วก็เอาผิด ก, กับเพื่อนให้เขา ตกแบบแบบไม่มีที่ยู่ในสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ในใจแต่ในใจหนูนะคะหนูก็คือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้กดเหมือนกับรู้สึกว่าเขาเกิดจากความไม่รู้อะค่ะเหมือนอวิชชาที่ที่มาครอบงมเขาก็คือทำโดยที่ไม่รู้อย่างเงี้ยหนูหนูทาถูกไหมหรือว่า หนูหนูรู้สึกแบบนี้แล้วทีนี้ก็พยายามจะอธิบายให้เพื่อนๆนฟังเขาก็ทั้งร้วนเขาก็รู้สึกว่แบบเหมือนกับว่าเราอ่ะผิดที่เราอะรู้แล้วว่าคนผิดอยู่แถวเนี้ยแต่เราไม่จัดการไม่คือปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในใจหนูหนูก็คิดว่าเออจริงๆแล้วเขามันเหมือนกับว่าการที่ขายคนหนึ่งมาพูดกับเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอะค่ะยังไงซะเขาก็ ชไหมคะอาจารย์เรื่องเรื่องของเขาเาจะช่วที่ไม่ใช่เรื่องอทีนี้ค่ะแล้วก็ภายในระยะเวลาประมาณเกือบสามปีเลยะค่ะก็ตอนนั้นเหมือนการที่เขาตัดออกจากค้นรอบข้างทำให้เราเชื่อฟังแต่เขาแล้วก็ปฏิบัติทางธรรมเขาก็จะอ้างว่าเขา เ, ออเหมือนเป็นอาจารย์เขียนหนังสือคืออ้างอีกว่าเนี่ยรู้จักกับวัด วัดอาจารย์ม่านอ่ไรเงี้ยค่ะเราก็เคยไปถึงที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกศรัทธามากแต่พอหลังจากที่เรารู้ว่าถูกหลอกอะไรตรงเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนหนูอ่ะสวดมนต์ไม่ได้มาหลายเดือนจนกระทั่งเริ่มเริ่มดีขึ้นแต่หนูก็อยากจะแบบมีวิธีการยังไงที่ทําให้เราแบบเหมือนกับทําทําเหมือนกับปฏิบัติให้ให้ให้เหมือนกับที่เคยทํามาก่อนหน้า น, นี้ค่ะก็ลองพยายามทําไปเรื่อยๆทำ อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยก่อนจะกลับไปเหมือนเดิมแต่ทำไปได้ที่นี่ว่ากลับไปได้ค่ะซึ่งซึ่งตอนตอนแรกอะค่ะแล้วก็ก็ตอนที่เหมือนกับเราไม่เชื่อฟังใครหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะในในที่ทํางานนะคะเขาก็เป็นห่วงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่หลังจากนั้นที่เรากลับมาเราก็รู้สึกว่าดีใจกับการที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าติดในโลกกระทำแปดหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราหลงสุกอินดีสรรเสริญว่าเออกลับมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็ก็เลยเหมือนกับว่าเราจะไปหลงกับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทําให้เราลืมการปฏิบัติอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับอยากให้เขามาแบบเออมาชื่นชมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าตามไปเสียหนื<ม>่งนาบิสังเสินนั้นเปนของเม่เพียงแท้แน่นอนเป็นทุก ม, มีมีเจริญมีเสื่อเป็นธรรมดา ม, มีสละเสร็ก็ต้องมีดินทามีสุขก็ตมีทุก เราอยาไปยุ่งกับมันตลอดเลยเราอยู่แบบไม่ต้องมีลาภแ ล, ละสรรเสริงก็ได้อยู่กับธรรมะอยู่กับความสมมมงบสมาธิไปเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าหนูอยากไปใจ่บาทหลงอาพาจ้านะคะตอนเช้า<ด><อ>ทัาากบา่ายนี่เริ่มตั้งแต่หกโมงกมงยี่สิบที่บ้านอำเภอซอยนานจำเทียนสามสิบถนนสุโขมิตจา ก, จาก<ป>ที่ยาไปประมาณสักสิบสิบสิบบาคิโล ไปทาเศรษฐได้ได้เจ้าค่ะโอเควั น, นี้เดวกน่าข อ, อาให้ดีปั่นนะคุณเจ้าค่ะาสาุขภาพน ะ, ะ, ะเจ้าค่ะถึงใครแล้วคุณเชลินทอนเ ช, ชลินทนอนวันนี้จะมาจากเมสเอนมาเลนั ว, ว, นวสการคะ่ะพระอาจารย์วันนี้โยไม่มีคาถามเลยคะ่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เข้ามา เติมเติมพลังเท่านั้นล่ะคะ่ะพอาจารย์ตัดผมแล้วเตัดแล้วคะ่ะเป็นไงสบายขึ้นไหมส บ, บายขึ้นไม่ต้องหวีเลยนี่นะไม่ต้องดูแลคะ่ละใช่มันแบ่งเบาภาระลงไปได้เยอะมากเลยคะ่ะไม่ต้องเปืองน้ํายาด้วยคะ่ะโอเคถ้าน้ำมันจะพูดอยู่แล้วว่าคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าจะเล่ยิ่งจะเล่นผมยิ่งสัน่น <c oughs> ยังจเจริญต่อไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ต่อไปอาจจะสั้นวันนี้ก็ได้นะคน่ะ เ, เดี๋ยวคนอื่นจะจําไม่ได้ค่ะือก็ค่อยๆทำไปชั้นเป็นข้นๆเลยค่ะแล้วต่อไปก็โกนจีรษะได้เลยยินสบายาเลยตั้นกว่า น, นี้อีกคะ่ะไม่ต้องไปล้างเสริมสวยไม่ต้องไปทําอะไรก็โกเนเองก็ได้ดโกนเองก็ได<ข>้ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเข า, ขากราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะ โอเคเดิ okay. ไปที่ฟุณทลนสวิสาเชิญสวิสชาสวิสเซอร์แลนด์กลับมสักการค่ะพระอาจารย์ยมไม่มีคําถามค่ะเ <Okay. S 2> ข้ามาตาอพระอาจารย์ค่ะอ่าย็นดีค่ะก็ ข, ขอไปต่อเลยนะค่ะคุเด็กน ะ, ค, ะคิณธนันชยัยต่อคิณธนันชัยอยู่ที่ไหนมาสักการครับหลวงพ่อก็กรุงเทพครับมาครั้งที่ห้าหกแล้วครับ ก็ขอไปด้วยไม่เป็นไรครับก็พระอาจารย์เคยแนะนำให้ดูสังโยชนือผมอะ่ะเคยเคยฝึกมาหลายที่แบบอาณาปณสติไม่ว่าจะเป็นปัดปากน้ำแล้วก็หลวงพ่อฤาษีดดงดำแล้วก็การทรงจิตนะครับแนวหลวงพ่อปาโมดอะไรเงี้ยนะครับไก็จะลุกวนถามอาจารย์เรื่องสังโยชน์นะครับ คือทุกวันนี้เมื่อมาอ่านดูแล้วสังโยชน์มีสิบข้ อ, อพอมาไล่ดูแต่ละข้ออย่างสักายาสักกายะทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวตอนอะไรเงี้ยครับวิจิตกิจฉาสีรับพัตตามาตรอะไรเงี้ยฮไอ้อสามข้อแรกเนี่ยเรารู้สึกมั่นคงมั่นคงนะครับแล้วพอไปไปไล่ข้ออื่นอย่างก <c oughs> ามราคะปฏิฆะรูปราคะอารูปราคะมานะอุทจจอวิชา ข้ออื่นก็รู้สึกเบาบางครับก็ก็คิดว่าแนวทางปฏิบัติก็คืออย่างที่อาจารย์แนะนำพุทโธพุทโธก็คือพุทธานุสติส่วนส่วนผมส่วนตัวก็จะไปชอบกอไปอ่านในก็เรียกกรรมฐานสี่สิบเขาเรียกตัวที่แบบเห็นดินน้ำลมไฟเห็นเห็นแบบเห็นอะไรอย่างเห็นยกอย่างโต๊ะอีก็รู้ว่ามาจากธาตุดินอย่างเงี้ยครับ ไปเห็นรถยนต์ก Get ็มาจอดท่าดีนต um ั้งอยมาเอาเหล็กมาผนังมองเห็นกายเป็นธรรมชาติหมดเห็นพวกนี้มันไม่ค่อยสําคัญถ้าก็เห็นร่างกายของคนนะครับต้องเป็นร่างกายก็เป็นเหมือนล้นรถยอด์กันนะครับก็ไม่มีตัวตนไม่คนขับรถนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายคนคนขับคนขับร่างกายคือใจไม่ใช่ร่างกายคนละคนหนึ่งสาธุครับ ก็จะขอแนวทางปฏิบัติต่อเรื่องเพื่อจะปฏิบัติต่อครับอาจารย์ครับก็คือพยายามแยกแยกใจแยกกายออกว่ามันเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟจิตใจเป็นธาตุรูปมาเชื่อมต่อกันแล้วต้องแยากจากกันวันใดวันหนึ่งแล้วเพราะไม่มันแยกไปเพราะไม่นางกายตายไปสาธุครับก็ได แค่นี้ครับครับรบกวนเวลาท่านอื่นต่ออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุครับท่านพรอาจารย์คนก้องคก้องกสิตินครับผมอ่าการพมัชการพระอาจารย์ครับมีอะไรมครับก็มีคาถามนิดหนึ่งครับพระอาจารย์คือว่าเรื่องการนอนนะครับพระอาจารย์ก็ที่ผมเคยเคยฟังว่า พระพระนนรพระเจ้าท่านก็นอนสี่ทุ่มถึงสี่สองใช่ไหครับพระอาจารย์ทีนี้ผมก็มาสงสัยว่ายาังอย่างพวกหมอเนี้ยเขาก็บอกว่าให้เรานอนหกถึงแปดชั่วโมงนะครับพระาอาจารย์อนอศาสตร์ย่พวกคนปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องใช้พไม่ต้องใช้พลังงานมากไม่ได้ออกกำลังกายมากในการพักผ่อนก็น้อยลงได้แต่ถ้าทำงานแปดชั่วโมงเนี่ยมันก็เหนื่อย ถ้าเป็นพระนั่นเป็นถ้าเป็นพระนี่ไม่ก็ได้ทำงานทำทางร่างกายทำส่วนใหญ่ทำางด้านจิตใจอกมเลยไหไม่จําเป็นจะต้อพักนอนมาแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอไปอยู่ได้อนี้พ่เราปฏิบัติด้วยเราก็ต้องเหมือนกับดูเอางใช่ไหมครับอาจารย์ว่าใช่ว่ามันมันมันต้องการจิตชั่วมงก็ลำพังเด็ ก็ไม mm ่มีคำถามครับโอเคไปที่คุณกำวนวันคุณกำมวนวันเชิญอยู่ที่ไหนคุณกำมวนวันเปิดไมค์ก่อนนะซ้ายล่างอ่ามาเลยอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่ค่ะโอเคมีอะไรไหม ไม่มีค่ะค้ามาครั้งแรกดีใจมากเลยค่ะที่หลวงพ่อเห็นหนูด้วยเห็นถ้าเปิดกล้องก็เห็นถ้าไม่เปิดกล้องก็ไม่เห็นอโอเ ค, เคออไม่มีอะไรนะดีใจออค่ะเที่ยวเห็นคิดว่าไปที่คาถามทางเฟซบุ๊กได้แล้วในห้องที้หมดนะเชิญมีคำถามในเฟ e b o o k มีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมด12คำถามค่ะถามว่าะไรคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากผมรู้สึกชอบพอกับญาติรุ่นพี่ผู้หญิงที่นามสกุลเดียวกันไม่ทราบว่าผิดไหมครับควรทำตัวอย่างไรและใช้หลักธรรมอะไรในการยึดเหนี่ยวจิตใจครับก็คือหมายถึงว่าถ้าอยากจะชอบแล้วแต่งงานกับอะไรนี่ ทางแพทย์ก็ไม่ค่อยแนะนําให้แต่างงานกับพี่น้องกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเวลามีบุตรมีร้านนี่มันจะไม่ไม่ไม่ค่อยดีอันนี้ต้องถานคุณหมอถึงตรนนี้เขาไม่จริงไม่นิมนยมแต่างงานระหว่างญาติพี่น้องกันแต่มันก็ไม่ก็มั น, ก, มนก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเพบางทีเขาก็ทํากันนก็มีอต่ ถ้าอยากจะถามว่าควรจะทำยังไงการไม่มีแฟนน่ะจะดีกว่าพรามีแฟนแล้วมันก็ต้องมาทุกข์มากังวลกับแฟนแล้วก็ถ้ามีครอบครัวก็ต้องมีลูกก็ต้องมาเลี้ยงลูกมีพาไรเันอยู่เป็นโสดได้ดีที่สุดทุกข์น้อยกว่าการที่อยู่เป็นคู่การที่อยู่มีครอบครัควการที่จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีครอบครัวหน้ไม่มีโสดได้ก็ต้องรากาศ อาจจะร่างกายมันหลงก็ต้องพยายามมองร่างกายว่าเวลาที่มันไม่สวยงามใช่ไเวลามันตายไปเนี่ยเวลาขึ้นอื่นึ่งเป็นอะไรเนื้อดูาการ 3.2 อยู่อาการที่มีอยู่ภายใต้ถน้ำของร่างกายนดูข้องกับดูดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ของคนนี่ยมันก็าจจะทําให้ความการการมณ์การลงมันลดลงแความอยากจะมีแฟนก็าจจะ คั บ, บญญาาชปคำถามต่อไปจากคุณเทยันนมัสการครับในระหว่างการนั่งสมาธิแล้วเปิดเสียงเทศนาไปด้วยในประสบการณ์คือพบว่าจิตอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเสียงไม่เข้าหูเลยสมควรทําสมาธิแบบนี้หรือไม่ครับถ้าจะทําสมาธิด้วยการดูลมก็ปิดธรรมะไปปิดเสียงดีกว่บจะได้ไม่มารบกวนสมาธิ ถามต่อไปจากคุณอนุสอ์ขอโอกาสขอรับขอน้อมนำเช่นไรในการฟังธรรมเพื่อไม่ให้ในการฟังธรรมเป็นการฟังธรรมเมาเมาธรร ม, มะในทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างให้เป็นนิสัยขอรับขอพระคุณค่ะก็ฟังให้เกิดความเข้าใจไห้เข้าใจว่าพระธรรมที่เราก็ลังฟังอยู่นี้พูดเรื่องอะไรอยู่ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงผู้ปฏิบัติที่เพียรพยายามมีเป้าหมายบรรลุ ธ, ธรรมขั้นอนาคามีต้องอาศัยอยู่กับผู้ผครองของตนเองการมีเพศสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นการเริ่มต้นของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองถือว่าไม่ใช่กิเลสถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายลุกแสดงว่าตัวเองไม่บรรลุทำขั้นอนาคามีถูกต้องไหมครับก็แล้วแต่ว่ามีการมาหลงรึเปล่าถ้ามีการอามลงก็ยังไม่เป็นอนาคามีแต่ยังเห็นร่างกายสวยงามอยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่ขั้อนาคามีอนาคารีจะเห็น ส่วนที่ไม่สวยงามของรง่างกายตลอดเวลาจะไม่มีความอยากที่จะร่วมเพศกับใครแม้จะมีคนอืนเข้าลุกมาก็ไม่เอาด้วยถอยอย่างเดียวคาถามต่อเนื่องต้องมีองค์ประกรอบอื่นในการบรรลุธรรมอีกหรือไม่นอกจากเพศสัมพันธ์กับผู้ครองครับ คือการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่เป็นองค์ประกอบของการบรรลุธรรมมันเป็นมันเป็นอุปสรรคเป็นที่วอนเป็นอุปสรรคความก้าวนการบรรลุธรรมผู้ที่บรรลุธรรมต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครคำถามต่อไปจากคุณตรียานันขอโอกาสฝากคำถามเจ้าค่ะผู้ที่ลาสังโยชตข้อแรกได้แท้จริงคือรักสัพไกยทิฏฐิได้แล้วจะมีลักษณะอย่างไร ขอพระอาจารย์เมตตาสอนเรื่องการละสักกายทิฏฐิยี่สิบเจ้าค่ะก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่มาครอบครองมันนั้นกับรถยนต์คันหนึ่คนขับไม่ได้เป็นรถยนต์นะคนขับหรือว่ารถยนต์นี้ไม่ได้เป็นคนขับรถยนต์เป็นอะไรคนขับก็ไม่เดือดร้อนไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่กลัวอย่างมากก็เอาไปซ่อมเนึ่งถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปเท่านั้นเอง คนที่ละส ก, กายกาจิติตาเขาจะเห็นว่ารางการนี้เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนคนที่ละนี่ก็เป็นเหมือนคนขับรถเต่นีก็เราส่วนกันคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอรุณศรีกราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะระหว่างวันใช้รูปประคำเป็นเครื่องอยู่ของกายและจิตค่ะจิตคิดอะไรรู้ตามเกิดดับตลอดเวลา ขอคำแนะนําจากพระอาจารย์ว่าต้องทํากรรมฐานอะไรเพิ่มคะออไม่ควรที่จะไปใช้ใช้การดูจิตควรจะใช้การดูร่างกายจะดีกว่าดูร่างกายและใช้คําบริการพุทโธพุทโธ เ, เพื่อให้จิตหยุดคิดคําถามต่อไปจากคุณใบไม้ในกํามือกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคนที่นับถือเทพเจ้า ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเวลาตายเขาจะไปอยู่ภพภูมิไหนหรือไปอยู่ตามความเชื่อของเขาคะ เ, เขาไม่ได้ไปอยู่ตามความเชื่ อ, ขอเขาก็อยู่ตามตามดุญตามบาป ท, ที่เขาทําไลยถ้เ า, า, เาเข า, เขาทบาบุญไม่ทําบาปเขาก็ไปสวรรค์ถ้าเขาทาบาปไม่ทําบุญเขาก็ไปอาบายัยคำถามต่อไปจากคุณแอน กลับนมัส ก, การและขอเรียนถามพระอาจารย์จากสหรัฐอเมริกาค่ะจะฝึกฝนการละมานาทิฐิด้วยวิธีใดได้บ้างค่ะก็ทำตัวเราเป็นเหมือนกับคนใช้เลยอย่าไปถือว่าเราเป็นคนมีตำแหน่งมียอดในเกียรติอะไรเอว่าเราเป็นเหมือนบอยในร้านอาหารนี้ก็จะลดมานาทิฐิได้ เ, นเนยอะแยะมาคํามต่อไปจากคุณชัด เรียนสอบถามพระอาจารย์อ่านหนังสือประวัติครูบาอาจารย์เพราะเหตุใดท่านจึงกล่าวว่าการมีครอบครัวเปรียบเสมือนการต่อพพก่อชาติที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะครับเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดมาเสรแล้วมันก็ติดมันก็ต้องหามาันเรื่อยๆเสื่อมเสียร่างกายนี้ไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาหาครอบครัวใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปเรืเ่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด คำาต่อไปจากคุณสุเกศลาพระอาจารย์คะพอดีวันนี้หนูไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และท้าเวสุวรรณว่าวันนี้จะทานมังสวิรัตตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนแต่เมื่อกี้เผลอไปทานน้ำพริกอ่องนะคะควรทำอย่างไรดีคะออลอลงโทษตัวเองว่าพรุ่งนี้อยากกินข้าวสักวันนึงมันจะได้เข็ดคำถามสุดท้ายจากคุณอรณิชา น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูพร้อมลูกๆชอบไปตลาดแล้วไปซื้อปลาไปปล่อยเจ้าค่ะแม่ค้าถ้าเห็นหน้าหนูพร้อมลูกๆ ก, ก็จะถามทันทีว่ามาซื้อปลาไปปล่อยใช่ไหมคะแม่ค้าเขาจำได้เพราะไปซื้อบ่อยหนูจะซื้อปลาดุกถ้ามีเท่าไหร่ในกระมังที่แม่ค้าใส่ไว้เพื่อขายหนูก็จะซื้อทั้งหมด บางครั้งก็จะซื้อปลาช่อนแต่ปลาช่อนหนูไม่ได้ซื้อทั้งหมดเจ้าค่ะแบบนี้จะบาปไหมคะเพราะไม่ได้เอาปลาช่อนไปทั้งหมดเจ้าค่ะแต่หนูจะไป<ม><ม>ปล่อยคลาไม่บาปหรอก <Okay. S 2> เราทําได้เท่าไหร่ก็ช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยได้เท่า น, นั้นคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะเหมือนวนะวันนี้เวลามันก็หมดแล้วนะนะท่านที่มาทีหลังนม่ต้องขอใคยด้วยนะเพราะว่าดึกแล้วเกือบอาตุ้งคืนแล้ว